ขอเจารันพรท่านสาธุรณชนพุทธบาลสัตวผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้ก็เป็นการพูบทสนทนาธรรมกันอีกครั้งหนึ่งถามตอบคำถามใครมีคําถามอะไรอยากอยู่ถามก็เชิญเข้ามาถามได้ในห้องซุมถ้าไม่มีคําถามก็ฟังสดจากทางเฟซบุ๊กได้อยู่ทุกได้เช่นกันวันนี้ท่าน้าก็ คือคุณหมอพิเชษจากคอทราหมอคุณหม อ, หมอเปิดไมคก่อนเกาลมาสการาอาจารย์ครับออยอมได้อ่านหนังสือต่อปัญหาคาใจเล่มที่หกอาจารย์ได้กล่าวถึงหลวงปู่มั่นว่าท่านได้บอกหลวงตาหมาบัวว่าสมาธิเป็นเหมือนเศษเนื้อที่ติดอยู่ที่ฟัน ขอควมามเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยครับประโยชน์ของสมาธิมันซึ่งประโยชน์ที่จะได้าจากปัญญาไม่ได้ถ้าเป็นอาหารก็เป็นแค่เศษเนื้อที่ติดฟันแต่ปัญญานี่มันจะเป็นเนื้อทำชิ้นคือปัญญานี่การจัดจะรักษาความสงบของใจกาจัดกิเลสได้อย่างถาวร ส่วนสมาธินี้เพียงแต่กดกิเลสเอาไว้ทําใจให้สงบเป็ น, เ ป, นเป็นข้า้งเป็นขราวเวลามีสติจิตสงบเวลาออกจากออกจากสมาธิมาจิตเริ่มคิดปรงแต่งความสงบก็หายไปเราทากิเลสเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมาก็าจะทําให้จิตมีวุ่นวายขึ้นมาได้ทุกขขึ้นมาได้ คอที่พูดนี้หมายถึงว่าอยาไปติดสมาธิเมื่อได้เมื่อเมื่อชำนาญทางสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นถ้ายังไม่ชำนาญยังไม่มั่นคงในทางนานสมาธิเนี่ยก็พยายามฝึกสมาธิไปก่อนแล้วให้มีความชำนาญเหมือนกับขับรถขับรถไปมายอย่าเพิ่งออกไปบนท้องถนนใหญ่ขัดขับรถให้ชำนาญก่อนให้มีความมั่นใจเวลาสามารถจะควบคุมรถได้ ในทุกเหตุการณ์แล้วคลอยไปขึ้นวิ่งไปทางถนนท่นทนอมถนนใหญ่ได้เวลาฝึกสมาธิใหม่ๆนี้ยั ง, งมั่นลุกคลานอยู่ได้บ้างไม่ได้บ้างเข้าได้บ้างเข้าไม่ได้บ้างอยู่ได้นานบ้างไม่ได้ไม่นานบ้างในตรงนี้ก็อย่าเพิ่งไปทางปัญญาให้ฝึกสติฝึกสมาธิให้ชํานาญเข้าแคบสามารถเข้าได้แล้วเข้าได้นานอยู่ได้นาน เอาได้ทุกครัง้งทุกเวลาแล้วได้อย่างง่าได้แล้วรวดเร็วพว <c oughs> อถึงขังน้นได้ก็ต้องเาเราจะสมาธินาก็ต้องเริ่มทำการบ้านศึกษาธรรมชาติของร่างกายของเวทนาก่อนเป็นสิ่งที่ไม่ที่ยังร่างกายเกิดแล้วก็ต้องตาย เวทนาเขาต้องมีมีมีเจ็บมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์เป็นลักษณะเป็นสิ่งที่เราห้ามบอกคุณไม่ได้สิ่งที่เราทําได้ก็คืออย่าไปทุกข์กับมันวิธีไม่ทุกข์กับมันก็คือต้องละความอยากอยากไม่ตายอยากไม่เจ็บให้ได้ด้วยการใช้ความเบกขาสมาธิเื่อเจ้ความเจ็บ อยากจัหนี้ก็อย่าให้มันดนีอยากให้มันหายก็ให้มันอย่าให้มันนิ่งเฉยๆให้มันสับแต้วให้นับรู้ไว้เฉยๆปล่อยให้เวทนาแสดงของเขาไปตามตามธรรมชาติของเขาฝึกจิตให้อยู่กับความตายให้ฝึกให้อยู่กับความเจ็บให้ได้อันนี้เป็นการพิจารณาทำกานบ้านอ ถ้อาอยากจะไปทําข้อสอบก็ต้องไปนั่งให้นานๆนั่นเวลาเจอความเจ็บก็อย่าเพึ่งขยับอย่าลุกพยายามสอนใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่เรานี้ไม่ได้ทําจัดไม่ได้ความอยากที่จะห น, นีอยากจะทกาจัดมันจะทาให้เกิดความทุกข์ทรมานทางห้านจิตใจถ้าจิตใจนิ่งเฉยๆอยู่กับมันไปจิตใจก็ไม่ทรมาน ถ้าไม่นิ่งก็ใช้พุทโธใช้ยติคำบริกรรมด้วยเหมือนคำหลดทุอย่างที่บอกให้แพงดูเวทน า, วาเป็นเหมือนไฟที่กำลังเผาร่างกายก็ได้ให้มันเผาให้มันลุกลามเผาทั่วท่วมร่างกายไปจนกระทั่งร่างกายจนกระทั่งร่างกายนี้กลายเป็นขี้เถ้าไป อย่างนี้ก็ได้แล้วแต่จะทําทอันนี้ต้อใช้ปัญญาต้นใจว่าไปรังเกียจมันไม่ได้รังเกียจมันแล้ใจเกิดความทุกข์เพอยากจะกาจัดมันแต่ําจัดมไม่ได้ก็อยากไปรังเกียจอาจชอบมันชอบมันได้ก็อยู่กับมันได้อันนี้คือขั้นปัญญา ถาไปอยูตงตาท่าปฏิบัติแล้วไปติดสมาธิอยู่หลายปีหลวงปู่มัา่ามอยู่เลยท่านก็บอกจิตสงบดีสงบดีอต่ไม่เคยพูดถึงเรื่องปัญญาให้ท่านฟั ง, ญญงเลยท่าอะไรชื่อว่าคงจะติดอยู่ที่สมาธิอนี่อะไรต้องกระตุ้นให้ออกไปทางปัญญาแต่พอออกไปทางปัญญาท่า น, นก็เกิดปัญหาขึ้นใหม่คือ เอาไปทางปัญญาก็ทําแต่ปัญญาอย่างเดียวพิจารณาจนจิตฟุ้งขึ้นมาอมนอนไม่ได้กินนอนไม่ได้ไหลายหลายคืนเป็นใบาลาของปู่ันอารมณปู่มั่นฟังท่านก็บอกกําลังติดสังขารนะเปนติดความคิดปุ่งแต่อันนี้ก็เลยเถิดเอาพิจารณาจนเลยเถอยก็ต้องพราะวจิตร่ำฟุ้งจากการพิจารณาก็ต้องอะไรนะครับกลับก็ามาพักในสมาธิก่อน อาจิตมันเล่าพุ่งก็หยุดหยุดพิจารณากลับมาเข้าสมาธิก่อนแล้วก็กลับไปพิจารณาใหม่เอาจากสมาธิบางจิตสงบออกมาได้พักผอนแล้วก็เอกไปพิจารณาใหม่แล้วทําอย่างนี้ไปสลับกันพ อ, ข อ, อเขาบอกเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วไม่ทําปัญญาอย่างเดียวต้องสลับกันะนั้นปัญญาเพราะปัญญาเล่าพุ่งก็จะ น, น, นับเหมือน กลับเข้ามาในสมาธิใช่ที่ต้องทำให้สมาธิจำนาเขาก็ว่าเวลาธรรมปัญญาจิตมันจะฟุ้งได้แล้วถ้าไม่ชํานาญทางปัญญาอาจจะทําจิตให้สงบไม่ได้ะนะถ้าไม่ชําชนาญทางสมาธิก็อาจจะทําให้จิตสงบรรยากเวลาจะกลับเข้าสมาธิเห็นก็ต้องให้มันชํานาญก่อนสมาธิแล้วค่อยเอาไปทำไปฝึกทงปัญญ า, าต่อ ถ้าพิจารณาเลยเกกถิดจะก็น่าิจฟุ้งขึ้นมาก็ต้องหยุดมันให้มันพักในสมาธิตามสลับกันไประหว่างปัญญาสมาธิเมื่อถึงขั้นปัญญาแล้วจะไม่ไม่ทาปัญญาอย่างเดียวต้องสลับกันครับอาจารย์เข้าใจหมเข้าใจครับอาจารย์ขอบคุณครับอาจารย์ ท่าคุณทิศสาธกาเชิณสาธกามาฟังธรรมค่าอาจารย์ปฏิบัติทุกวันค่ะโ okay. อเคคุณนันทิดาคุณมอกนันทิดาไปไหนอะไรไม่ไม่อยู่อะไ ท, ที่จะมา ก, กับแตทที่ก่อนเนาะแมท ก, กับแชทที่กล่านมัสการพระอาจารย์ครับ อก็คือวันนี้จะมาแบบรายงานเกี่ยวกับการนั่งสมาธิต่อครับอ่ามามาก็ค <una> ือตอนนี้ก็ก็คือท่องอินทิพิโสภาคอินทิพิโสห้าสิบจบครับแล้วก็ดูลงหายใจพุทโธห้าสิบห้าสิบรอบค่ะแต่ตอนนี้ก็ก็คิดจะเพิ่มเป็นดูลงหายใจพุทโธหนึ่งร้อยรอบครับอ่าดี แต่สวดแค่ห้าสิบจบพอๆใช่ไหมรหรือถ้าถ้าถ้านั่งดูลงได้เลยก็เราไม่ต้องสวดกันด้ครับครับแต่ตอนที่สวดไปก่อนเยะสวดแล้วดีไหมสวดเสร็จแล้วมานั่งดูลมนี่ดีไหมดีครับดูง่ายกว่าตอนที่ไม่ได้สวดใช่ไหมใช่ครับรถ้าเรามาเรามองมันเราลรา ลองเริ่มนัม่งแลเริ่มดูลงอะไก็ได้ดูว่าดูได้ไหมถ้าดูได้ก็ดูน้อยสองร้อยจบเปอะไรก็ได้ครับครับหรืว่าถ้าดูไม่ได้ก็กลับราสวดก่อนก็ได้การส่วนนี่เป็นการช่วยกล่อมใจรางวันใจมันคิดบ้างดูลงก็ไม่ยอมหยุดคิดก็เลยให้มันสวยไปก่อน อส่วนแล้วมันม่มันนั่งใจหยุดคิดแล้วว่ามาดูนมต่อได้ครับเล้ดูนมอร้อม50จบแล้ ว, ว, ลวรู้สึกแย่มากหลังจากเสร็จแล้ว55รู้สึกเป็นความสุขไหมครับดีกว่าเล่นเกมอ่ะประจิก่าเล่นเกมได้ไหมยัง ก็คือนะั้นมันก็ไม่รู้สึกอยากเล่นเกมอ่าเล่นน้อยลงก็ได้ถ้าไม่เล่นได้เลยก็มีเวลาอยากจะเล่นเกมก็มานั่งสมาธิแทนนะเนจะได้ของดีกว่าเกมเกมนี่ต้องเสียตังค์ต้องไปขอแม่ซื้อรบกวนแม่ท <c oughs> ี่เราไม่ต้องไปรบกวนใครเรานั่งสมาธิของเราไม่ต้องไปรบกวนใครทั้รับ โอเคนะมีท่านี่หรือครับครับโอเคกล่าวขอบคุณอาจารย์ครับโอเคอ่าไปที่เป็นหมาพัฒนาเชบนหมอพาสนาทับขอทํามองค่ะกล่าวนามสกังค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแต่เช้านะพระอาจารย์ตีสามไปเลยอไปเลย่ะไปไม่กลับเลยู่เลยไปไม่กลับไปเลยไปเลยค ไปสองคนพระอาจารย์จริงๆก็มึนประชุมโอเปกใช่ไหมคะคือการนแพนไว้พอประชุมเนี่ยก็เลยรู้ว่ารู้เลยว่าดีมากเลยคือใจก็ไม่ก็ยังนิ่งเลยค่ะก็บอกรู้ว่าคือคือมารูทีหลังว่าลูกก็อยู่ทั้งสองคนเนี่ก็บอกก็นี่แหละเตรียมตัวลองดูว่าพ่อแม่ตายไปเป็นไงก็ยังไปเหมือนเดิมพระอาจารย์สเก็ตลุ่ไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าจะแบบมก็บเราตั้งใจ แล้วก็ยังแบบยังคงสงบได้ตลอดนะคะพระอาจารย์แล้วก็นั่งสมาธิเช้าแล้วก็เย็นพระอาจารย์แล้วก็ทั้งวันก็ยังยังยังคงแบบสแต่วัดรู้ได้พระอาจารย์แล้วโชคดีค่ะปีเดืที่แล้วพอดีพี่จากเชียเตาวเขาบอกว่าหลวงปู่บุญมีมาที่วัดปทุมก็ได้ไปแล้วก็แล้วก็ไปทําบุญอะไรเจ็ดสิบสามารอบเจ็ดสิบสามปีใช่ไหมล่ะหลวงปู่มานแล้วก็เลยโชคดีได้ฟังหลวงปู่หลวงปู่บุญมาเทศได้ค่ะที่เป็นรู้สึกของเขาอะไรค่ย อ่าหลวงพ่อบุญมาอ่าบุญมาขอบคุหลวงพ่อบุญมาเลยรู้สึกขอลงปลูกานารายโยธัเเเนเกษตรเป็นนตาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเรายังตกค้างมานานล้วรูกเลยว่าโอ้จริงๆเราตกค้างมาเกิดตลอดอ่าท่านเทศตันเย็นนะอาจารย์อ่วง<อ>ดีที่บ้ที่วัานปฐุมเลยใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้จุฬาครัรับลูกก็เลยก็เลยเลยเดินไปช่วงดีได้ไปสองวันเลยค่ะอาจารย์ตอนอีกวันหนึงก็หลวงพ่อสุธรรมเทศ ค, ค่ะ ดุบาทค่ะโชคดีอ็ดีคะก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวยังยังไปเลยไม่ได้น้องคือไปแค่จังหวัดเลยก่อน <c oughs> ยังไปเลย <c oughs> ถึงไปเลยไม่ได้แล้วก็ยังตั้งใจทำค่ะอาจารย์เพราะว่ารู้สึกเลยว่าตกค้างมานานเกินไปล้วไปกี่วันจะไปอยู่กี่วันไปแค่สี่วันพ่ะอาจารย์เพราะว่า <c oughs> ยังได้เก็บแต้มไปเรื่อยๆก่อคสะสไปเรื่อยๆเดือน น, น่าจะไปที่ทา เดือนเดือนหนาถึงจะไปที่เขาชีโอนไปได้นานหน่อยเขาชีโอนจะไปได้นานเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวไงก็ยังรับส่งลูกได้แต่ถ้าไปไกลสองคนเนี่ยมันเลยต้องไปสัดตึงเดี๋ยวก็ค่อยจัดเวลาอโอเคนะอ่าไอเต็มที่เลยนะน่าปฏิบั ต, ติต้องต้องลุยอนะย่างเดียวค่ะรู้อย่างเดียวว่าอาจารย์ค่ะ ร, รู้สึกว่าห ม, มือ บ, บ้านมีบ้านสามหลังโชคดีมาเลยมีบ้านเขาชีโอนมีที่เลยแล้วก็ที่ทําเต่ารู้สึกแล้วก็มีกําลังใจพระอาจารย์ อันนี้ก่อนนะอ น, น้องเอ้อน้อ ง, องบอัววินไปยังไงค่ะนมาสกหายต่อค่ะพู้อารย์กลับมาถามอีกแล้วค่ะมันไม่แน่เลยมันทำงานมันไปแล้วมันจะกลับมาใหม่ก็ได้เลยต้องคอยเชื่ออยูยเย่เรื่อยๆใช่ค่ะอย่าให้ลำบากค่ะค่ะ ก็มีวันไปลองใหม่ก็ยัยังยังไม่ได้ตั้งค่ะว่าก็คิ ด, ด, ค, ดคิดได้อยู่ค่ะพาจะเดี๋ยวมันจะกลับมาก็คิดอยู่มันก็เหมือนรอบ p ีเอมเครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เรต้องมีการสอบเทียบไปไว้ค่ะตรจคุณภาพ่เรื่อยๆใช่ใชค่ะต้องตรวคุณภาพอยู่เรื่อยว่ายั ง, ย, งยังเข้มข้นอยู่ร้เบีย ใช่ค่ะพอเว ล, า, ลาผ่านไปมันอา จ, จะค่อยๆจางไปก็ได้นะใช่ค่ะค่ะต้องดูว่ามีคุณสมบัติเหมือนเดิมหรือเปล่าค่ะวั น, นวันนี้ไม่มีคําถามค่ ะ, ะได้ใครที่คนโพงพันต่อคนโพงพันอยู่ที่ที่ไหนคอนแก่นใช่ไหมครับกขบนแก่นนะท่า อ, อาจารย์ครับอยู่ขอนแก่นครับก็อ่ไม่ได้เข้าซูม เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเพราะว่าอยู่ที่บ้านติดภารกิจวันนี้ก็มีเรื่องมากับรายงานผลการปฏิบัติพระอาจารย์ครับก็จเจริญสติแล้วก็ทำสมาธิตามแนวทางที่พระอาจารย์แนะนำมาตลอดครับแต่ทีนี้ช่วงระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาครับตอนที่นั่งสมาธิครับตอนช่วงที่กำลังบริกรรมอยู่ปรากฏว่าพอจิตสงบตัวปั๊บเนี่ยมันเหมือนกับว่า เห็นเห็นการเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การดับของสัญญานะครับพระอาจารย์ทีนี้ทีนี้นอกนอกจากเห็นการเกิดเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับแล้วเนี่ยมันก็ปรากฏว่าเห็นการปรุงแต่งไปด้วยครับทีนี้ก็เลยระลึกขึ้นได้ว่าพระอาจารย์บอกว่าให้เอาสติเนี่ยหยุดตัวสังขารครับก็ปรากฏว่าหยุดได้ครับพอหยุดได้แล้วแล้วก็เลยพิจารณาว่าเออ ใช่สิ่งต่างๆที่มันเกิดไม่ว่าจะเป็นสัญญานะครับหรือว่าสังขารที่ที่ที่มันปรุงเข้าไปมันมันเป็นไตลักษณ์ครับพอเราพิจารณาไปเรื่อยๆแบบนี้ครับจิตก็เลยรวมตัวแล้วก็สงบลงครับอาจารย์สงบอยู่ได้พั ก, พ, กพักใหญ่บ้างกับเดียวบ้างแล้วแต่วาละครับแต่ว่าทุกครั้งที่ถอนออกมากับจิตก็เกิดความเบิกบานแล้วก็มีกำลังมากครับแล้วก็ เหมือนได้อุเบกขาปิดมาด้วยครับอาจารย์ครับก็ออดีก็ทำบ่อยๆทำให้มากขึ้นครับแต่ทีนี้พอมาถึงจุดนี้ก็เลยมีมีคําถามกับพระอาจารย์ว่าในเมื่อเราเราสามารถใช้สติหยุดอุเบกขาได้แต่ว่ามันมันมันก็ยังเป็นเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวครับคําถามก็คือว่าพระอาจารย์เอะจะขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีการเอ ตัวสังขารความอยากอุปทานตัวเนี้ยครับแบบถาวรครับกราบขอความเมตตาด้วยครับคือสังขารเราไม่หยุดมันถาวรไม่ได้แต่เราหยุดไอ้ตัวที่มันไปคิดสร้างความลุกข์ใได้ให้เราได้ถ้ามันไปคิดปรุงแต่งไปในทางนิจจสุขขงังตาเนี่ยเราก็าต้องหยุดมันก็ให้มันไปคิดไปในทางตรงกันข้ามเพื่อเป็นการนิจจทุกข์ขังตา เช่นเวลาเราเห็นภาพยศสารเสริญสุขและเคลือ่อนไหวเป็นเป็นสุขอยากจะได้เีราถ้องพิจารณากลับไปว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอนิจจสุขขันธตาแต่มันเป็นอนิจจทุกขขันธตาอยากไปอยากได้มันเป็นทุกอยากไปอยากได้เงินอยากไปอยากได้ยศได้สารเสริญได้สุขทางกายจมูกเ้อง่ายเพราะมันเป็นอนิจจไม่เที่ยง เดี๋ยวมันก็กลายเป็นเดี๋ยวมันก็เสื่อมได้กำลังได้ก็เสื่อมได้ครับพิจารณาพลิกกับพลิกสังขารไปอีกทางไปทางมรรคไปทางไปทางมรกคอย่ให้มันไปทางกิเลสอย่าไปทางวิชาไปทางความหลงมันจะถ้าเป็นความหลงมันใหญ่แล้วทุกอย่างในโองนี้ร่ำยุติเสริญสุขนี่เป็นของที่เป็นโศกหน้าหน้าคนจะมีคนจะได้ ครับถ้าพิจารณามันเป็นอนิจจามันไม่เที่ยมมันจะลานหน้ามันก็เสื่อมได้ครับอมันเป็นหน้ า, นานตาก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้สั่งให้มันจเจริญอย่างเดียวไม่ได้ครับแล้วครับอาจารย์แล้วเ อ, อในการนั่งสมาธินะครับมันมันก็จะมีมีมีสัญญานะครับเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆก่อ น, ก, อนก่อนที่ ติดมันจะรวมตัวได้จริงๆครับมันมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปบ่อยๆแท บ, บทุกคร<า>ั้่ทราบแม่ไมทราบคุณนั่งสมาธิแบบไหนนั่งสามาธิมันต้องมีสติกับกับใจอยู่กลับลมนี่อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวอย่าไปคิดอะไรอีกแล้ครับอยู่กับพุทธโธครับอาจารย์ไม่ได้ดูครับแต่ว่ารับรู้ว่ามันมั น, ม, นมันมาแล้วแล้วก็ปล่อดทันไม่ต้องไปยุ่งกับมันให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับลมไปกับแล้วจิตก็จะนิ่งสงบสังขารก็จะหยุดชีพปวงแดงได้เองครับ เข้าใจแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวจะนำไปปฏิบัติกับอาจารย์ขอบคุณ ค, คุณวิไลพรโยมหญิงสายสองขอกลับนมิตการพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมหญิงก็ลุกๆล้ม ล, ลุกคุกรานอย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะบางวันก็เข้าสมาธิดีบางวันก็เข้าไม่ได้วันไหนถ้าเข้าเข้าดีก็เวลาผ่านไปเร็วมากค่ะพระอาจารย์วันไหนเข้าไม่ได้ก็สึกเวลากว่าจะสอชั่วโมงนี่มันช้ามากพระอาจารย์แล้วก็เวลา บางทีจิตรวมบางครั้งอะค่ะโยมจะชอบเหมือนกับ ว, ว่าตาในอะค่ะมันจะเห็นเหมือนกับเป็นปากถ้ามันจะให้เราเข้าไปเรื่อยๆแตโยมพยายามดึงออกมาแล้วเป็นบางครั้งก็จะเห็นเหมือนเป็นปุยเมฆขาวพระอาจารย์แบบขาวกับดําอะสองอย่างค่ะโยมก็พยายามดึงกลับมาให้ให้อยู่กับลมหายใจตลอดค่ะพระอาจารย์แต่เวลาจิตรวมมันชอบจะเห็นเป็นปากถ้าตลอดเลยพระอาจารย์อย่าไปสนใจยังไม่รวมยังไม่รวมเต็มที่ ทั้งหมดทังที่แล้วมันนอกว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ค่ะแต่โยมพยายามดึงกลับมาพระอาจารย์โยมจะไม่ไม่ตามไปเจ้ า, าค่ะมีความลมนั่งอยู่กับพุโทโธไปใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ยังล้มลุกคุกคานอยู่ค่ะบางทีก็เข้าง่ายบางทีก็เข้ายากค่ะทําท อ, อ, อ, อปฏิบัติต่อไปค่ะพระาอาจาร<ถ>ย์จะรียสูิให้มากจะเริญสติให้มากเวลาออกจากสมาธิ็ราจะเริญสติต่อค่ะพระอาจารย์หน้าทีครั้ต่อไปเข้าสมาธิจะได้ไข่นะเข้าง่ายง่ายเร็วขึ้น ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะน้อนำน้อม น, ำ, น, ำ, นำคำสารปฏิบัติค่ะพระอาจารย์กับพระอาจารย์คุณป ร, รานองค์ประานคอ่าับใวันการครับอ่าไม่ได้อยู่กับคุณน้อเลยอยู่กับละห้ออ่ดีพอ ด, ดีลูกลูกอยู่กับลูกด้วยมีอะไรด้วยมีคับวันนี้จะ สอบถามว่าพอดีว่ า, อาพอเราปฏิบัติไปครับแล้วพอเวลาเราเอาไปใช้ในชีวิตจริง mm hmm. เช่นตอนกำลังนั่งประชุมหรือตอนกำลังคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้คำบัญชางครับแล้วเราเร า, เราก็รู้สึกไม่พอใจแต่ว่าเราก็กำลังคิดงานอยู่ด้วยเราไม่สามารถที่จะพูดโทรหรือไม่สามารถที่จะใช้กาลังสติในในเวลานั้นเพื่อ ควบคุมความคิดได้อย่างนี้อันนี้ในทางปฏิบัติในชีวิตจริงเนี่ยอยากกลับเรียนถามว่าเราจะใช้อุบายอะไระครับขอบพระคุณครับเวลาคุยกันแล้ว เ, วเกิดาอารมณ์ขึ้นมาเราคุยได้ยินได้ฟังพระพูดแล้ว เ, เกิดาอารมณ์ขึ้นมาใช่อ่มเดี๋ยวเปิดปิดไม่ก่อนไม่ได้ยิน ใช่ครับใช่ก็คือมาถึงแบเหมือนแบเนบเรากําลังสนทนากันอย่างนี้นครับเป็นแต่ว่าเป็นการประชุมแบบ face to face นะครับซึ่งซึ่งในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาจะเขาจะพูดอย่างไรอย่างไรเราห้ามเขาเราห้ามเขาไม่ได้มองให้เข า, หา เ, เหมือนลมพัดนี่ลมจะพัดแรงไม่แรงเราก็ไปสั่งมันไม่ได้ก็ต้องก็รับรู้ไปไม่ต้องไปพยายาลงกับมัมน ก็บอกว่าคนเราอาจจะมีความเห็นต่างกันได้ความรู้สึกต่างกันได้เขาอาจจะมีความคิดขอเขาเขา้าจิต อ, อย่างนี้ได้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยไม่ใช่นั้นก็อย่าไปฟังเขาผูดถอผู้ถอยอยู่มาผูดถอยเลถ้าไม่ฟังก็ไม่รู้เรื่องเองถ้าจำไม่จําเป็นจะต้องรู้ก็ไม่ต้องฟังดีกว่าถ้าจำเป็นจะต้องฟังก็ต้องบอกก็ต้องยอมรับว่า นี่เป็นสิทธิ์ของเขาเป็นมวที่เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเวลาของเขาที่เขาจะพูดเมื่อเขามีหน้าที่พูดก็ปล่อยเขาพูดไปเรามีหน้าที่ฟังเราก็ฟังไปเราจะเห็นด้ยวยไม่เห็นด้ยวยมันก็เป็นเรื่องของเราแต่เราไม่ควรที่จะไปโกรธเขาไม่เกรด เ, เขาลงเขาลบปว่าเขาก็มาีสิทธิ์ที่เขาจะแสะดงความคิดเห็นใอะไรของเขาไปตามคามรู้สึกนั้นคลิกของเขาทำได้ไหม ครับคือสิ่งที่ที่ผมพยายามอ่าจะกลับเรียนถามครับก็คือว่าอยากจะทราบว่าอย่างเงี้ยพอเราปฏิบัติไปเนี่ยการนําไปใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยคื อ, ค, อคือมันสามารถที่จะใช้ใช้ได้อย่างไรครับคือมอาถึาางว่าเขาเป็นอนัตตาบอกว่าเป็นอนัตตาเขาเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับเขาขไม่ได้เขาเหมือนเหมือนฝนตกแดดออนี่เราไปควบคุมบังคับฝนไม่ได้ใช่ไหม หม่ยหมาย<ม><ม>ความว่าเราเราจะวางจิตให้ให้มันเหมือนกับฝนตกแดดออกที่ถ้ามันเกิดเราก็ไม่ได้โกรธอะไรอย่างนั้นใช่ไหมใช่ใช่บอกว่ามัเหมือนธรรมชาติปรากฏการณ์างธรรมชาติเป็นดัชนีหรือ ถ, ถ้าเราถ้าเราเรียนถามว่าถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะตัดกิเลสได้อย่างนี้อย่างนี้ใช่แล้วก็บอกผู้อยากเป็นเป็นดินฟ้าตัดไป เราก็ไม่เราก็จะไม่ไปพยายามเปลี่ยนเขาแก้เขาปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปเราพิจารณารูปความรจริงของเขาสัตแต่ว่าล้มไปครับก็คือคือคือครับขอบคุณครับก็คือสิ่งที่พยายามอยากเรียนถามมาตลอดคือว่าเราปฏิบัติปฏิบัติกันเนี่ยเราปฏิบัติกันวันหนึ่งสามสี่ชั่วโมงนั่งสมาธิเนี่ยแต่พอสนามจริงเนี่ยเราเราใช้มันได้ ทานท่วงทีหรือว่าใช้ใช้ได้ดังใจอ ย, งอย่างที่ต้องการหรือเปล่าอันนี้คื อ, ค, อคือสิ่งที่แล้ว <Hey, S 2> ก็ต้องแล้วก็ต้องคอยคอยใช้สติ ค, คอยคอยเฝ้าอยื่ว่าเราใจเรากำลังมีปฏิกิริยากับอะไรหรือเปล่าเนี่ยถ้ามีกสแสดงว่ า, าสแสดงว่าเราไม่มีสติที่จะควบคุมจิตนะเราต้องเฉยในทุกกรณี เราฝึกเพื่ให้จิตเป็นอุเบกขาให้เฉยตลอดเวลาเนี่ถ้าเวลาเราไปเจอเหตุการณ์เราใช้วยสติไม่ได้เราก็ต้องใช้ปัญญามองว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นมองมองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นสรรพัพเพ昙านาตตาเนี่นยทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นธรรมชาติเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเป็นพระ ท, ที่ขึ้นพระา ท, ที่ตกผลตกแดดออกลมพัดอะไรเนี่ย เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติคนก็จะทําอะไรจะจะดีจะชื่อจะกระโดดโน้ตเต้นจะเป็นบ้าหรือไม่บเป็นบ้ามันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติก็ดูให้เรามองว่าเป็นธรรมชาติแล้วก็จะเฉยเฉยไปไม่ไปวุ่นวายไปกับเรื่องของเขาครับขอบคุณธรรมยามิจนาอนัตตาให้เข้าใจคำว่าอนัตตาว่าตรตรเป็นยังไง คือวันวันหนึ่งเราจะมองเขาได้เหมือนเป็นฝนตกแดดออกอย่างนี้ใช่ไหมพัดจ๊ะอ่าใช่ลองไปลองไปหัดดูเนี่ยลองไปว่าหัดมองคนแต่ารรยาคนที่อยู่ใกล้เขาญาติกใกล้ตัวคนเนี่ยเรามองเขาว่าเขาเป็นเหมือนธรรมชาติดินน้ำดินฟ้าขาดด้วยั้าเราปล่อยเขาได้ไม่ต้องเปยุ่งเขาคือแต่ถ้ามีหน้าที่ต้องทำอะไรทําได้ก็ทําไปถ้าทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยเพราะมันจะเหมือน เหมือนกับฝนตกแล้วหลังคาล่วงเงี้ยถ้าเราอุดได้ก็อุถ้าอุดไม่ได้ก็ปล่อยมันล่วงไปอืมแต่ไม่ต้องไปโกรธไม่ต้องไปอะไรเรียกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติกลับขอบคุณครับลองดูน ะ, ะนครับขอบคุณครับครัคุณน้ำสมุตดน้ำสมมุ ต, มมมติอยู่ที่ไหน เปิดไม้ก่อนรรมสกังค์ครับหลวงพ่อครับอยู่ที่ไหนชนบุรีครับหลวงพ่อครับอ่คาคุณประวัติแรกครับมีอะไรไหมมีคําถามจะขอคําแนะนำหลวงพอ่อช่วยสอนวิธีการพิจารนากายหลังจากที่จเจริญสมาธิแล้วครับหลวงพอ่อเวลาเวลาจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิไม่ให้พิจารณาอะไรนะ ต้องรอให้ออกจากสมาธิก่อนแล้วอาออมาคิ็ดปูแต่งก่อนถ้า อ, อยากพิจารณาก็พิจารณาความไม่เที่ยงของร่างกายก่อนนะว่าร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาเป็นไม่มีตัวตนเป็นดินน้ําลงไปขึ้นมาจากดินน้ําลงไปเดี๋ยวก็แยกกลับคืนสู่ดินน้ําลงไปเราพูดว่าครอบครองร่างกายต้องปล่อยวางมันอย่าไป อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะมันจะทําให้ใจเราทุกข์ถ้าเราปล่อยยอมรับยอมยอมรับความแก่ยอมรับความเจ็บยอมรับความตายได้เวลามันแก่มันเจ็บมันตายเราก็จะไม่ทุกข์เข้าใจไหมนี่คือการพิจารณาร่างกายครับ อ, อีกส่วนหนึ่งก็คือพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งาน ร่างกายมีอาการที่สับปะ ป, ะปกที่ไม่น่าดูอยู่ภายใต้ผิวหนังที่เรามองไม่เห็นที่เราต้องคัดบอกเข้าไปให้ได้จะได้รู้ความเป็นจริงของร่างกายว่าไม่ใช่เป็นเพีงส่วนที่เราเห็นภายนอกยังมีส่วนอีกหลายส่วนภายในที่เรามองไม่เห็นที่ไม่ไม่สวยไม่งานไม่น่าดูเช่นโครงกระดูนี่ครับนี้คือการ การพิจารณาร่างกายเพื่อให้เรารู้จักเข้าใจร่างกายอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างครอบครอบองค์ของมันครบทุกสอบทุกส่วยจะไม่ไปหลมว่ามันสวยน่นงามไม่ไม่ไมปหลงว่ามันเป็นตัวเราของเรามันเป็นเพลงบินดักหรืออะไรไม่ไปหลงว่ามันจะอยู่ไปตลอดมันจะต้องเปลี่ยนและต้องแก่ต้องเ็บต้องตาย นำไปพิจารณาดูนะครับขอน้มนำไปปฏิบัติครับโอเครับคุณบนด์ฤดีคุนด์ฤทดีอยู่ที่ไหนปิดไม้ก่อนหนะ้าผมใช้มือนันัน่งกลับน้ำมาส ก, การเจ้าค่ะหลวงตาอยู่สุรินทร์เจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้เอยเข้ามาแล้วใช่ไหม ค่ะเคยเข้ามาแล้วเจ้าค่ะมีมีอยู่เรื่องหนึ่งเจ้าค่ะพอดีว่าอพอดีว่ามีโอกาสได้อบรมอบรมคุณธรรมหรือธรรมะให้กับเด็กๆนะคะแล้วทีเนี้ยเด็กๆเขามีคาถามข้อหนึ่งนะคะก็เลยว่าเดี๋ยวขอมาถามหลวงตา ก, ก่อนแล้วจะมาให้คำตอบเพราะหนูไม่รู้จะให้คาตอบยังไงอะคะ่ะ ก็เคยได้อบรมเรื่องของศินอะไรนิดหน่อยอะค่ะหลังเลิกเรียนก็พอดีว่าที่โรงเรียนจะมีหมาจรจัดนะคะช่วงช่วงเปิดเรีย น, นยก็จะมีหมาจรจัดค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีสุนัขที่เขามามาคลอดลูกอะคะ่ะแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่โรงเรียนแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เป็นสุนัขจรจัดนะคะลูกลูกสุนัขเขาก็จะแบบมีมีเห็บเยอะแยะไปหมดเลย แล้วก็จะเหมือนขึ้นเรื้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะเพราะว่าเห็บ mm hmm. เห็บเห็บกัดอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเด็กๆเขาก็มีความสงสารอยากจะช่วยลูกหมายอย่างเงี้ยค่ะอยากจะช่วยให้เขาหายหายหายไายเหมือนเขาร้องแล้วเหมือนเขาเจ็บปวดเหมือนเขาไม่สบายตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็มีคําถามว่าถ้าเขาอยากช่วยแต่ว่าเขาต้องทำร้าย เห็บที่อยู่ในตัวสุนัขอะค่ะเขาเขาจะต้องทํำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็ถามว่าแล้วเขาไม่สงสารเห็บบ้างหรอนูหนูก็พูดอยู่ค่ะแต่ว่ า, าแล้วแล้วแล้วน้องหมาล่ะครูอะไรประมาณนี้หนูก็กหนูก็เลยไม่รู้จะตอบอยังไงก็ต้องสงสารต้องสงสารทั้งน้องหมาทั้งน้องเห็บ ด, ด้วยก็ก็ต้องใช้วิธีแยกมะน้องเห็บออกจากน้องหมาไปจับเห็บออกจับจับมันเลยอย่าไปข้าม อันเยอะมากเลยเจาา้านาค่ะทําไม่ได้ก็ก็ต้องถือว่าเป็นกลับน้องหมาไปกันแล้วแต่ค่ะก็เลยว่าเดี๋ยวมาถามหลอนตาก่อนหนูก็ไม่กล้าให้คําตอบเพราะหนูไม่รู้จะตอบยังไงอย่างเนี้นนะเจ้าค่ะืนี่ได้คําตอบไม่ใช่ได้คําตอบแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปเล่าให้เขาฟังไปบอกเขาอตอนแรกหนูก็คิดแบบนั้นค่ะว่า ถ้าเราต้องช่วยน้องหมาแล้วเราต้องฆ่าสัตว์เราก็ผิดสินข้อสองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเออก็เลยว่าอย่าพึ่งทํานะอย่าทําอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะออค่ะแค่ น, นั้นหรือเจ้าค่ะหลวงตา ก, ก็พยายามช่วยช่วยน้องหมาด้วยการแยกน้อำเห็บออกจากตัวน้องหมาไปถ้าที่จะช่วยได้ก็ค่ะเดี๋ยวจะลองแนะนําเด็กๆเขาค่ะถ้าช่วยไม่ได้ก็ถือว่าเป็นกรรมของน้องหมาเข้าไป ก็มีโอกาสนะคะถ้าช่วงหลังจากที่เลิกเรียนแล้วเป็นช่วงเอ่อเป็นช่วงก่อนที่จะเลิกเรียนมันจะมีเวลาว่างนะคะหนูก็จะเปิดธรรมะแล้วเด็กๆที่เขาอยู่ภายในห้องเขาก็จะได้ยินธรรมะไปด้วยบางคนเขาก็ให้ความสนใจบางคนเขาก็ไม่ฟังแต่ว่าเราก็ถือว่าเราได้ได้แผ่เออได้ ได้ส่งออกไปอะไรเงี้ยค่ะบางคนเขาก็มองเป็นเรื่องตลกแต่หนูก็มองว่าบางคนฟังก็มีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยทํำเราก็ได้ฟังด้วยอะไรเงี้ยนะเจ้าค่ะได้ภูมิปัญญาของแต่ละคนไม่เหมือนกันคนไม่มีปัญญาก็จะฟังตามมาไม่รู้เรื่องค่ะมีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมาทาเท่าที่เราจะทําได้นั่นก็ทาบอกว่าถ้ามองภาพหรือว่า อันที่สุดไม่ว่าจะน้องเห็บหรือน้องหมาก็ต้องตายโดยธรรมชาติของเขาอยู่ดีเจ้าค่ะไม่ว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรันที่สุดถึงเวลาน้องหมาก็ต้องตายน้องเห็บก็ต้องตายเราที่คนเจ้ามาช่วยเขาเราก็ต้องตายเหมือนกันเจ้าค่ะแคให้เรายอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปทำบาปดีกว่เพื่อจะไม่แช่มันแก้ไม่ได้ความจริง ไม่ทําบาปดีกว่าใช่ไหมเจ้เาคะอห้ยึดหลักนี้ไว้ เ, เลยเจ้าคะหรือถ้าเราไม่อยากจะเกิดถ้าไม่อยากจะให้ตายก็อย่ามาเกิดกันอันนี้อาจจะเลืกเกิดไปถึงได้แล้ว อ, อย่าทำบาปเว่าทําความดีได้อย่าทําความดีด้วยการทํำบาปได้ไม่คุ้มเสียค่ะพยายามอ่อาตอนนี้ก็พยายามทําทำํำ ที่ที่ตัวเองก่อนนะเจ้าค่ะแต่ตอนนี้พอเป็นช่วงเปิดเรียนแล้วระหว่างวันก็จะดูรีบไปหมดเลยแต่ช่วงไหนที่ที่ไม่ได้ดูรีบจนเกินไปหนูก็ก็จะเหมือนจะมีสติได้แต่ทีเนี้ยเวลารีบเหมือนจะไม่ค่อยมีสติเลยเจ้าค่ะเหมือนเวลาสอนอยู่แล้วโดนเรียกประชุมกระทานหานเนี้ค่ะก็จะแบบดูลนไปหมดตอนนั้นก็จะไม่มีสติเล ย, ยน่นนะเจ้ า, าค่ะรีบรีบทำพุทโธเพราะเราว่าไม่มีสติกับพุทโธพุทโธ แต่ว่าพอหลังจากเลิกเรียนก็ก่อนนอนก็จะทําสมาธิตลอดเจ้าค่ะโดยการฟังฟังธรรมแล้วก็นั่งหลับตาแล้วก็มีอ่ามีสติอยู่กับธรรมะที่ที่ฟังนะเจ้าค่ะอันนี้จะช่วยได้มากเลยเจ้าค่ ะ, ะเดีจะได้สงบก่อนนอนจะได้หลับสบายค่ะช่วยได้จริงๆเจ้จาค่ะอืมโอเคกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะออยู่สุเดนนะ ใค่ะอยส อ, สอระดับไหนชั้นไหนมัธยมเจ้าค่ะมหนึ่ง 1, มสองมสามเจ้าค่ะ โ, คโตแล้วค่ะพยายามสอดแทรกธรรมะให้กับเด็กไปนะีศีลธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสห ร, รับเด็กสบัยดีค่ะโนโนพยายามเมตากับเมตตาธรรมเนะเขามามีความเด็กๆเขาก็จะมีความน่ารักในเรื่องของก็จะขี้สงสารนะคะแต่ว่าเด็กบางกลุ่มก็จะ ด้วยความที่เป็นชนบทนะเจ้าค่ะเขาก็จะแบบช่วยคุณพ่อคุณแม่เหมือนทำอาหารเ <ทำ S 1> <า>นี่ยค่ะค่าเลีเ้ยงกบค่ากบค่าปลาบางทีนี่ทำสะอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบแต่ว่าหนูน ก, ก็ไม่กล้าพูดห น, นูน <laughing> น ก, ก็ปล่อยเขาทำไปตามตาม สิ่งแวดล้อมที่ก็เกิดอยู่ก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมเพรา ะ, <ล>ะว่าเขาอยู่แบบนั้นเขาก็เลยไม่รู้มันจําเป็นต้องทําครูไม่ทําแล้วจะได้กินไหมไ<ด>อะไ ร, อ, ะไรอ่หนูก็หนูก็เลยไม่ได้พูดอะไรค่ะนอกจากว่าเก็ไม่อยากจะทํามาถามแล้วก็บอกไม่ทำทําก็ได้เพราะไม่อยากจะทำ พยายามแบบนั้นเจ้าค่ะเหมือนเคยได้ฟังพระอาจารย์บอกว่าก็ทำตัวเองให้ดีก่อนอะไรเงี้ยค่ะเหมือนถ้าเรายังไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปสอนเขาเดี๋ยวมันจะผิดอะไรเงี้ยเจ้าค่ะหนูก็เลยไม่กล้าพูดอะไรถ้าสมมติหนูไม่แน่ใจก็เลยต้องมาถามว่าอาจารย์ก่อนอ่าค่ะคุณเดกจากเชียงรายเชียคุณเด็กวันนี้มันพาดประเดีนในสถิติง เสงไม่เข้ากันแล้วคนเอกคนนี้คนไม่ทราบกดปุ่มในเวลาเข้ามาครับผมอาจารย์ได้ยินไหมครับได้นะได้ยินครับเช่นครับก็วันนี้ไม่มีอะไรเข้ามากราบอาจารย์นะรุ่มเราเราฟังครับอาจารย์ปฏิบัติอยู่ครับอาจารย์ครับวันนี้วัพระด้วยใช่ไหมเออปฏิบัติไม่ค่อยได้ยินพระอาจารย์ครับไม่เป็นไรครับอาจารย์โอเคครับผมครับผมร่วมกันฟังครับอาจารย์ครับผม อาจารย์ที่คุณแดนแนจากอุดรธานีกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามค่ะโอเคอาจารย์ส้ายทิพจากกรุงเทพอาจารย์สายทิพกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะหมายยังไงว่าวันนี้สินสามสินห้าตอนนี้สินสินหกค่ะพระอาจารย์ค่ะสินหกเพราะว่นานอนพื้นพื้นแข็ง แต่กินข้าวนี้บางทีก็ตอนเย็นก็กินค่ะพระอาจารย์ยนยหน้ากลมขึ้นอีกแล้วค่ะทำงานเยอะหิวข้าวค่ะแล้วก็ยังดู YouTube อยู่บ้างค่ะพระอาจารย์ค่ะได้แค่หกข้อนะได้แค่หกข้อค่ะอ <Okay. S 2> นอนพื้นนี้สบายหน่อยมันไ ม, ไม่ไม่มีปัญหาค่ะ <Okay. S 2> อ, อย่าดูยูทูบนี่ยังตัดไม่ไ ด, ด้ดูนี่ยังตัดไม่ได้ดูนกพูดได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ดูหนังหรือละครอะไรนะคะพระอาจารย์แต่ว่าดูดูแบบสัตว์ตวเลี้ยงเขาพูดธรรมชาติที่เขาพูดแล้วเราก็เพลิน <laughs> เขาพูดกับคนได้อะไรเงี้ยค่ะอะเหมือนเป็นแบบเราดูละคร น, น่ารักดีค่ะแต่ว่าก็คงทําให้เราเสียเวลา <laughs> ค่ะเออ พระอาจารย์คะหนูใช้วิธีเอเราแต่ก่อนเรากวนเรื่องความพัดคลาสนะคะพระอาจารย์ทีนี้เราก็เลยใช้วิธีคิดไปก่อนได้ไหมคะอย่างเช่นอ่ตัวหนูเอาเรื่องพัดคลาสตัวเองก่อนก็ค่ะว่าอย่างอย่างเราสมมติ ว, ว่าเราไปประสบอุบัติเหตุเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แขนหลุดไปแล้วก็เออโอเคแขนหลุดเราคงทําใจได้อะไรเงี้ยค่ะเราฝึกใจแบบนี้ไปได้ไหมคะพระอาจารย์ได้ทดสอบลองจํำลองเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้น ถาถึงันใจเราทุกไว้ค่ะเราก็เหมือนแบบแล้วก็เออเราเราก็เหมือนแบบเออถ้าถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ก็ทำใจได้ค่ะพระอาจารย์เราก็ฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เ ม, มื่อเช้านอนแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่หใจมันก็คิดถึงว่าเ อ, อ๊ะร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆตัวเราก็ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆจากเด็กพึ่งคลอดแล้วมันก็เปลี่ยนเราก็ไม่ เหมือนตัวเราก็หายไปเรื่อยๆเลยค่ะพระอ า, า, าจารย์เราก็เล<ร>ยเห็นไปตัวใหม่เข้ามาแทนที่ใช่ค่ะก็เลยพอคิดแบบนี้เราก็คิดเทียบถึงคนที่เรารักคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็ <laughs> <ข> <laughs> ก็คงเปลี่ยนไปเหมือนกันเราก็เลยเริ่มใจใจมันนิ่งขึ้นอยู่เหมือนกันค่ะพระอาจารย์ <evet. S 2> เริ่ม <c oughs> เริ่มค <c oughs> ่อยๆต้องมนการพ่อ้าจากทุกสิ่ทุกทําทั้งหลาทั้งปวกไปค่ะ เหมือนตัวเราเองเรายังพัดพักจากตัวเราเองเลยนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวฝันเดี๋ยวผมก็รู้ค่ะตอนคนตัวที่เราเกิดตอนแรกๆก็ไม่ก็หายไปแล้วค่ะตอนปฐมก็หายไปแล้วเราก็คิดไปเออเดี๋ยวเราตอนเนี้ยเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันก็เลยก็เลยใจมันก็ก็วางวางวางได้ง่ายอยู่ค่ะพระอาจารย์อแล้วพอเอเพื่อนเขาพูดว่าเอคุณหมอเขา อายุไม่เยอะเราก็เสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าเหมือนทํางานหนักแล้วเสียชีวิตเขาบอกน่ากลัวเนาะเราก็เรียกเราก็เรียกว่าเราไม่รู้สึกว่ามันน่ากลัวค่ะพระอาจารย์ ร, รู้สึกเฉยๆแล้วก็ว่าพี่ก็เฉยๆนะความตายมันก็เป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์เราไม่รู้สึกว่าก็ลองถามว่าแล้วแล้วตัวเราเกิดเป็นคนตัวเรามากมันรู้สึกเฉยๆไหมอืมถ้าเป็นหนูนะคะหนู ตัวนูหนูรู้สึกเฉยๆค่ะพราะเราไม่รู้สึกว่าเรามีอะไรที่เราอยากจะได้ในโลกเนี้ค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าเราไม่ได้เป็นรี่ผูกกันเกิดไม่สบายไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนี่จะทํายังไงหนูก็คิดว่ายอมรับได้อยู่นะคะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนเหมือนเหมือนทําใจไว้แล้วค่ะว่าเป็นมะเร็งก็เป็นมะเร็งก็รักษาตามสภาพอะไรอย่างเนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ดีถ้ายอมรับได้ก็ดี เนี่ยที่ที่ปฏิบัติกันวันนี้เพื่อไม่ให้เราทุกกับมันเวลาเหุการเหตดการลนี้กัดขึ้นมาแก่เจ็บตายพันพลาจากกันจากของมัดของเจริญใจทั้งหมายทั้งปวงจาก y o u t u ู e ยังพัดพลาดไม่ได้นะเดี๋ยวยูทูบมีคนเดมืนพัดได้แต่ทูบพัดไม่ได้ แจะต้องพยายามใหม่อีกหลายรอบเลยค่ะอาจารย์ไอ้ความความหลงกับของเพเเลิดเพลินเนี่ยค่ะกินได้มาฉันฉลาดในวันฉลองแล้วร่ <c oughs> างกายพราะเรารู้ว่ามันยังอีกนดนกว่าจะเป็นมันก็เลยท้าง <c oughs> ได้แต่ของกายตัวที่ที่ต้องกินต้องอยู่ต้องดูอยู่กับมันทุกวันนี่ท้างไม่ได้ตัดท้างจากอาหารและขนมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ค่ะอาจารย์แล้วก็ช่วงนี้ที่แบบไปรักษากับคุณหมอต่างๆก็ ถึงเวลานัดก็ไม่ไปแล้วนะคะพระอาจารย์ก็ปล่อย ừ, ค่ะ ừ, แต่ยังเดือดแค่ถ้าเป็นเรื่องปานก็รักษาไว้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่เรื่อง ừ, อื่นๆนี่ก็ถึงวันนัดก็ไม่ไปละครับ ừ, ก็ปล<ๆ>่อยปล่อยค่ะก็ดีคก็ค่อยๆปล่อยไปก็กําลังๆยูทูบก็ดูให้มันน้อยหน่อยก็ได้ <c oughs> ค่ะพร ะ, าระอาจารย์ค่ะเออพระอาจารย์คะมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะถามอย่างเช่นอ่าเด็กเรา ไไเวลาที่เด็กมาอยู่ใกล้ๆแล้วเด็กเขากรีดอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกแบบเหมือนแบบความไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ <นะ S 2> แบบนี้เร า, ค, เราควรจะทํายังไงกับติดใจเราดีคะ่ะอย่างบบไม่เสีย ง, ง, งฟ้าเสียงเสียงฟ้าร้องไปนะฮะห้ามห้ามทาไม่ได้บังคับเทาไม่ได้ก็ลลแล้วฟ้าผ่าฟ้าร้องเราทำยังไงเราทำอะไรไม่ได้อแล้วก็ทําใจเฉย ๆ, ๆไป ค่ะงั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องของเด็กไปนะคะพระอาจารย์เรารักษาใจเราเรื่องประปากษการธรรมชาติไปค่ะแล้วก็ปรับเอป็นน้ำตาอยากเป็นน้ำตาเดี๋ยวคงต้องเมตตาให้มากขึ้นด้วยค่ะพระอาจารย์เราอาจจะแบบมีหงุดหงิดแบบไม่ชอบอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์อาจจะเมตตาน้อยด้วยค่ะเมตตามันก็ไมาค่อไดช่วยอะไรอะไแต่ก็อาจจะ ทำให้เราไม่โกรธได้เหมือนกันถ้าเราโกรธก็ให้อภัยเขาไปอืมหรือก็คือเหมือนที่พระอาจารย์บอกจะง่ายกว่าก็คือเหมือนลมลมผลไปไม่ต้องไปคิดอะไรเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่หรือว่าเป็นไฟ้าการไปเอาไปควบคุมไฟการไม่ได้อืมค่ะดังนั้นมันจะถึงรูปถึงคนกว่าค่ะเวตาลมันต้องเวลาที่เราเกิดความโกรธ้วเราต้องให้อภัยครับอืม แต่ถ้าเราไม่ต้องการให้จัดมีอารมณเลยเราต้องมองว่าเข้าเป็นดินด้านดุไฟในสภาพอากาศแบบนั้นแบบนั้นดีกว่านะคะผูาาอ้อาจารย์วางได้ทุกอย่างเลยเราจะได้มไม่ก่อนแล้วได้กับทุกสิ่งทุกเลือทุกคนทุกแบบเนี่ยใครเป็นอะไรก็บองว่าเป็นสภาอากาศไปให้หมดอืมค่ะผู้อาชญ์ได้ค่ะผู้อาจ า, ารย์เดี๋ยวตรงนี้นะ่าจะพยายามฝึกให้มากขึ้นค่ะให้เป็น สัพเพธัมมานาตตาสัพเพธัมมานาตตาสัพเพธัมมาก็คือทำทั้งปวงทำทุกหมายทุกอย่างรูปเสียงกิรน้์นอดปวดท่าพระคนสัตว์อะไรนี่เป็นธรรมในธรรมในนาตาตตาไม่มีตัวตนเราไปมองเขาว่าเป็นตัวเป็นตนเองความจริงเขาก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติอืมค่ะ นำ้นำน้ำน้ำพิจารณาเลยได้ค่ะพระอาจารย์เลยยอมหยุดเย็นง่า้คุณปาวะไรก็ช่าชยอมหยุดเย็นเห็นก็ะทำแล้วก็ยอมอ่ะยอมให้เขาทำไปนเรื่อง <c oughs> ของเขาหยุดต่อต้านหยุดนั่ใจเราก็จะเย็นค่ <c oughs> ะเดี๋ยวใช้ทั้งสองอันเลยค่ะพระอาจารย <c oughs> ์ตังไหวตังไหวถ้าใครนั้นก็ยอมหรือว่าจะมอง <c oughs> เป็นธรรมชาติ ก็เดี๋ยวใช้ทั้งคู่เลยค่ะแล้วแต่จะมองมองได้ง่ายหน่อเห็นเห็นทางไหนก็เอาทางนั้นก็ได้เอาหมายก็คือขอใหเราเย็นให้เราหยุดให้เราไม่ไม่มุ่นวายไปกับการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนแค่แค่รู้รู้ไปนะคะพระอาจารย์สัจ่ว่ารู้ไปสัจธรรมรู้ผ่านมาก็ได้สัจ่ว่าได้ยินไปอืค่ะได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะ มีเพียงเท่านี้ค่ะพระาอาจารย์าสยาธุค่ะคุณหมอหน้าเทวใช่ตอนนิกับมาจากาที่ทำ ง, งานแล้วคืนนี้กลับมาเร็วนะอ๋อวันนี้ช่วงนี้หยุดครับพ อ, อดีประชุมเอเป็าใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าพอดีทางสีรัตเราก็ต้องเป็นสแตนบายรับผู้นำ ถ้าเกิดเขามีอะไรเกิดใช่ครับถ้ามี emergency อะไรแล้วครับเราจะส่งมาที่สี่ลาจแต่ต้องรอรอแบบครับนะครับก็้วแช่วงนี้ก็ปฏิบัติอยู่ครับแต่ว่าผมกําลังวัดเดี๋ยวปีหน้าว่าจะอ่าจะลดในตัว OPD ตอนเย็นๆที่ตรวดนอกเวลาอะไรอย่างนี้ครับจะเป็นพวในสเตทอันนี้เป็นทางเรื่องรอเรื่องได้เใช่ว่าผมว่าจะไม่งั้นมันก็ไม่เข้านนะก็เลยคิดว่า ไงั้นถ้าไม่เพิ่มจะต้องเพิ่มเวลาปฏิบัติใช่ไหมน่าจะท่านดูเดี๋ยวไม่งั้นต้องมานั่งตรวจคนละคนละคนลสติคนโยมหาสตัง ค, ค, ครับ <laughs> ต้องลองดูครับนี่ลองติดต่อพอดีวีน้องเขาจะมาเริ่มอ่าตรวจเกินโอปดเกิดพอดีเลยเลยเกิดเกิดออกเข้าไปว่าให้ให้มารับต่อดูแลเราจะได้เขาไม่ยากนะคนคนอยากจะเงินเงินเยอะครับคนหาสติมีน้อยครับนะแต่มันก็ มันก็แบบคิดไปคิดมาแต่ว่าคิดว่าต้องทำนะเหมือนงันมันก็จะเหมือนเดิมเราไม่ยังไงก็ต้องเพิ่มเวลาต้องเพิ่มเวลาการของปฏิบัติใช่ครับใช่นี่ก้าวแทบไครับผมรู้สึกเลยเพออย่างตอนที่ครั้งที่แล้วมีเวลาปฏิบัติจริงๆพอปฏิบัติหลายๆวันแล้วโหเริ่มตอนที่ผมติดไอติดแบบอยากจะอยู่แบบไม่ออกไปไหนไม่ทําอะไรก็ก็ไม่ได้นั่นต้องเพิ่<ผ>มเพิ่มให้มันเยอะขึ้นครับใมันะพัฒนาขึ้นครับ จะต้องรอดูครับเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวถ้าเกิดทุกอย่างลงตัวก็จะมีเวลาช่วงเย็นมากขึ้นไม่ต้องมาท่ครับต้องห<ำ> า, าเวลาเพิ่มใน ก, การปฏิบัติให้มากขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวค่อยๆตัดออกไปเรื่อยๆครับโอเคไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีองไงครับก็พยายามปฏิบัติทุกครับนะคุณสุพัฒนาจากบอเอยังไง ตั้งแต่เข้ามาถึงบัดนี้มีการพัฒนาขึ้นไหมดีขึ้นไหมก็แต่ก็คือตั้งแต่เรียนกับพระอาจารย์มาทุกวันตอนนี้ก็มีความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติมากขึ้นแล้วก็หลังๆมานี้ก็เข้าใจมากขึ้นว่าการปฏิบัติเนี่ยเอออยู่ที่ยอมหยุดเย็นนะคะพระอาจารย์แล้ววันนี้ก็ฟังพระอาจารย์พูดแล้วก็ยิ่งเข้าใจว่า การวางเฉยหม่ถึงว่าเราเราไม่ไปตอบโต้หรือถ้าเผื่อเราไปเจอสภาวะที่เราหูหูหรือว่าไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ไม่ให้แสดงออกที่สาคัญคือเขาจะบอกว่าให้ยอมยอมรับตอนนี้ก็พยายามเจ้าขาพระอาจารย์หลังจากที่ไปงานกระถินก็เจอคนมากแล้วไปช่วยวัดทำงานก็มีสิ่งกระทบเข้ามาตอนนี้ก็มาเหมือนกับมาหลบตัวเองแล้วก็ ปฏิบัติก็คือไม่ไปไม่ไปกระทบไม่ไปกระท้างกับใครแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตอนเนี้ยมองมองคนรอบข้างเนี่ยถ้าเราไม่มองมันก็จะไม่เห็นแต่ไม่ได้หมไม่ได้หมายความว่าเราไม่มองเขาคือเราไม่ไปใส่ใจกับเขาเราะคะอาจารย์เราก็จะไม่รุ่นแรงไม่กระพายมองแบบผ่านผ่านไม่ได้มองแบบไปไปจับผิดจับถูกเขาเจ้าค่ะเห็นเห็นว่ามีคนอยู่รอบๆอบแต่เราไม่รับรู้ว่าเขาทําอะไรอันนี้ทําถูกไ้มคะอาจารย์ ก็ก็อย่างที่พูดเราจะไปจับผิดจับถูกเขาเขาจะดีจะช่วยเรื่องของเขาเองนะเพียงแต่รู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันะคะอย่างอย่างตอนนี้ทําเวลาเราทํางานเราก็ไม่คาดหวังไม่คาดหวังจากคนอื่นแล้วก็วางมีการวางแผนอย่างอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าการทํางานมันก็มีการวางแผนแต่เราไม่ได้หมายความว่าแผนเราจะต้องบรรลุทุกเสมอไปค่ะบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ในในในเป้าหมายแต่เราก็ยอมรับ กับกับสิ่งที่เพิ่มข้นนะคะพระอาจารย์ใช่แล้วแล้วรับเจ้าค่ะแปลนั่นปรับปรับปรับความหวังของเราให้เลาตรงตามความจริงเจ้าค่ะปรับได้ร้อยหนึ่งแต่ถ้ห้าสิบก็ปรับว่าห้าสิบก็ดีกว่าสมมตใช่เจ้าค่ะอาจารย์ตรงตรงนี้ช่วยได้มากเลยก็คือความความคาดหวังแล้วก็เรื่องการโมโหไม่พอใจคนอื่นอันนี้ แทบแทบจะไม่มีเลยเจ้าค่ะตอนนี้พยายามทำพย<ร>ายามน้อยเท่าไหร่ความโกรธก็จะน้อยขึ้นตามท่านั้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอขอบคุณคพระอ า, าจารย์ในเจ้าค่ะพระอาจารย์ครั้องถึงพระอาจารย์นะคะอาจารย์พรมพิรายจากกรทมเช่นวันนี้ทำไมต้องต้องใส่แมสในบ้านดน้วยหรือออกมาข้างนอกมีมีคนป่วยฮะ มีคนควยค่ะนรศ ก, การผูจาจัดเนี่ ด, ดเขาเดกเขาไ้ละเข้าใจว่าเป็นไข้หวัดเข้าใจว่าเป็นไข้หวัดแต่บุีเมื่อวางไปกินข้าวเกิไประหยัดเกิคณะเขาก็เป็นห่วงอ่วจะพาอะไรไปติดเขาบอกให้มาเช็คเช็คก็เลยนา่งมาเช็คทุกๆู้ตอนนี้ร อ, องหมอเวรฮะว่าที่ตรวจเลือดตรวจอะไรไปเนี่ยเป็นอะไรบ้าง ไมันมีไข้ไม่มีไข้ไม่มีอะไรไม่มีไข้ไม่มีมีมีไข่อย่างเดียวครัอ่ามีไข้มีไข่อย่างเดียวแต่ว่าไม่ไอไม่มีเอ่อรสชาติไม่ได้หายนะครแล้วก็มีมีไข่อย่างเดียวแต่ว่ามันเริ่มยาวยาวขึ้นกินกินยาลดไข้แล้วก็ยาวขึ้นยาวขึ้นหมอจะเอายาไขมาเช็ค เคยติดโควิดได้ยังเคยติดโควิดได้ยังยังไม่เคยเคยติดเมื่อเดือนมีนาอาการมือนกัไเหมือนกับคราวที่แล้วไม่เหมือนเลยอาการไม่เหมือนกันเลยครับคราวที่แล้วมีไอมีอะไรน้ำมูกอะไรพวกนี้ด้วยอันจะเป็นยงก็ได้นะตอนนี้เขาก็เช็คอยู่สามอย่างหนึ่งโควิดสองไข้หวัดแล้วก็สามคือไข้เลือดออก เดี๋ยวเย็นี้หมอแบดซูเดียด้วยหมอหมอมาเข้าเวรก็มีมีผลมาแจ้งแนะครับโอเคหวังว่าคงจะไม่เป็นอะไรมากแล้วกันนะออขอบขอบคุณครับอาจารย์ผม <Okay. S 2> ไม่เป็นอะไรค่ะผมเป็นห่วงคุณประหยัดว่าโทรมาทุกชั่วโมง <c oughs> ว่าไปหาหมอหรือยังเพราคุณประหยัดเขาก็นอนเขาก็ไม่สบายใจ <c oughs> ว่าเป็นไรเป็นไรให้ไปหาหมอเป็นไรไป็นไรก็เลย เลไม่ได้ส่งลูกไปให้ดูลูกเมื่อวานเลยไม่ได้ส่งร้านลูกสาวล้านลูกสาวของเดวิดอยู่ที่สนามบินนาอ่าใช่บรจอยเข้ามาามาครับครับอก็อร่อยก็อร่อยดีนะครับกับก็กำลังกับเดินพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้พระอาจารย์พูดด้วยริงเออป่วยเป็นไข้แล้วก็พิจารณาไป ตกเย็นมาถามเขาบอกว่าไปหาหมอดีกว่าเขาเลยเขเลยพามาคก็เพื่อนสก์ซีผมเพื่อนสบายใจเขาแต่วันนี้ดีวันนี้ก็ดีขึ้นใช่ใช่แต่เดี๋ยวไปปล่อยนอนคนเดียวค่ะเดี๋ยวไากลับบ้านแล้วค่ะรอพบพระอาจารย์ด้วยกันเหมือนทุกวันเพระอาจารย์บอกว่าอาทิตย์หน้าเจอกันเจอกันโอเคค่ะค่ะ การขาปลอดภัยนะขวขาวปลอดภัยขอบขอบคุณครับาอาจารย์ครับสวัสดีขบรู้สักการท่าค่ะที่อเมริกาต่อนคุณยินดีอยู่นัดแคนซัสเลสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะก็ลูกมีคำถามนิดนึงนะคะท่านอาจารย์ในกรณีที่ว่าพ่อแม่เนี่ย ลม้มเขาอยู่บ้านนอกใช่ไหมคะพี่คนพี่คนนี้เขาไล่ป่าหาว่าเด็กคนนี้อยู่บ้านนอกแล้ะตอนนี้เขากลับบ้านพอนานาะเขากลับทิ้งพ่อแม่ดีใจก็เลยเอ่อเออแบบเหมือนเลี้ยงฉลองก็คือล้มควายใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ <S 2> <S 2> เ อ, อพี่คนนี้เขาก็บอกเด็กว่าเออให้อย่เงี่ยในเมื่อเรามีเงินอะ่ะซื้อเลยซื้อพ่อเลยซื้อซื้อซื้อชีวิตเขาแล้วก็เอาเงินเนี่ยให้พ่อไปซื้อที่ตลาด แล้วเด็กเขาตอบว่าเออมันไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นพณธีของทางทางทางทางบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเออเ อ, อในในเมื่อในเมื่อพ่อแม่ฆ่างัวตัวนี้อืมฆ่าควายตัวนี้เพื่อที่จะฉลองเด็กคนนี้น้องคนนี้แล้วน้องคนนี้ไม่มีการต้านพ่อเลยเนี่ยคะ่ะในกรณีอย่างนี้ยคือน้องเขาจะมีส่วนร่วมตรงจุดนี้ไม่มีส่วน พราเราไม่เป็ไปไปสั่งเขาไปบอกเขาว่าให้จัด ง, งานฉลองให้ไปข้าวบัวข้าวไอมามาเลี้ยงฉลองเราไม่มีส่วนน่วมเป็นการกระทําตามประเพณีตามความรู้สึกนิสของพ่อของแม่เขาเองอ๋อ ถ, ถ้าเป็นบาปของพ่อของก็เป็นบาปของพ่อของแม่เขาไปเท่านั้นเองลูกไม่ได้เป็นไม่ได้บาปด้วย ถึงแม้ว่าน้องเขามีเขา้าถึงน้องว่าถึงแม้ว่าน้องเขามีเงินเขาสามารถเอทําตามที่พี่เขาแบบบอกได้เนี้ยค่ะ เ, เขาก็ไม่มีการต่อต้านอะไรแลแ้ววิธีง่ายๆต่อไปก็คืออย่าไปเยี่ยมพ่อแม่เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ก็แล้วกันพอดีพอดีน้องคนเนี้ยค่ะเขาเสียชีวิตอะค่ะแล้วพี่เขาก็เลยแบบนึกจุดประกายตรงนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าน้องคนเนี้ยเขาซื้อตั้งแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นการแบบว่าถ่ายชีวิตเขาให้ให้อยู่ ให้ให้หายอ่ีกามันจก็ตดีคู่ท่านเสียให้หาไปเสียททททีีีีี่่่่่่เเเมมมือออออตต้้้้้งงยยยูลาานนนดดดววว๋รรััััแคก ที่มางานศพค่ะถามเมื่อวาน<ม>ลูกก็พูดบอกกับพี่เขาในารัศนีเหมือนกันค<ม>่ะว่ามันมันไม่ใช่นะจากที่เคยฟังธรรมท่านอาจารย์มามแล้วก็หลวงปู่ท่านก็เคยมีในรัานี้ลูกก็บอกเขาแล้วเขาบอกว่า<ม>แต่แต่แต่แต่น้องเขาก็รู้นะว่ามันมันมันมันเป็นของเขามันเป็นงานของเขา แล้วเขาไม่ต่อต้านอะไรเลยแล้วเงินเขาก็มีทําไมเขาไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบว่ามันไม่เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเ่ากัค่ะค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านอาจารย์มันก็ต่อต้านไม่ได้ดีไม่ดีแล้วก็กลายเป็นเรื่องไม่หายทะเลาะกันไปหรอกค่ะค่ะเพราะงั้นอย่ากลัวครูแจมลี่ฉลองต้อนรับสงขนากลับมาทำมาทำโมกับกูอองอะไรอ่านที่เขาเขาก็อยากจะ เรียกญยาติพี่น้องมนร่วมทะเลาะด้วยนะเขาก็เลยมีหน้า <c oughs> มีตาเป็นไงมีมล้วเราไปกลับไปขัดขวางเขาดีเดี๋ยวก็ทะเลาะกันไปโรงพาบค่ะค่ะได้อาจารย์เป็นเรื่องของของธรรมเนยมเรื่องของเรื่องของกรรมไปแล้วกันค่ะนี่แลละค่ะแล้วพอดี<ต>น้องโดนถ้าตัวน้องก็ไม่ได้เป็นคนบอกให้พ่อแม่ทำาขาเขาไม่มีส่วนส่วนผิดส่วนผิดด้วยค่ะค่ะ พี่เขาก so ็คิดมากว่ากลัวว่าจะเป็นจุดนี้ท eh uh ี่ทําให้แบบน้อเสียชีวิตแล้วเดี uh> <t <t ๋ยวน้อจะไปแบบมีบามีกรรมตรงจุดนี้เขาไม่ได้ทําบาคนที่ทําบาจะไม่ตายพ่อแม่เป็นคนทําบาก็ไม่ตายค่ะค่ะท่านอาจารย์ค่ะคิดไปร้อยแปดคนมันคิดแบบไม่มีสติปัญญาคิดไปคิดไปตามความเพ้อเจอค่ะค่ะค่านอาจารย์ เข้าใจค่ะเดี๋ยวลูกจะไปอธิบายให้เขาฟังแล้วลูกจะได้บอกเขาว่ามไม่ต้องคิดไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าน้องไม่บาปอะไรเงี้ยค่ะเ<ม>พราะว่าแกแ ก, กลัวว่าน้องจะได้กรรมจุดนี้แบบเพราะว่าน้องเพิ่งเสียไปเนี่ยค่ะท่านอาจารย์เขาเลยกลัวค่ะค่ะเดี๋ยวลูกจะได้ไปบอกเขาอะค่ะเพื่อให้เขาสบายใจ<ม>แล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์บอจองเต้ค่ะท่านอาจารย์ไปทำงานอะว่านี้ท่าเข้าไปเกิด ก็ไปทํางานตลอดอะค่ะท่านอาจารย์ที่นี่อากาศเป็นงไงบ้างแล้วเนี่ยหนาวแล้วค่ะท่านอาจารย์ก็มีหิมะนิดนิดค่ะแล้วที่นี่ อ, อยู่ที่นี่คเริ่มเริ่มนิดนิดแต่ไม่ไม่ไม่มากแค่แค่แค่นิดเดียวค่ะแค่หนึ่งเซนสองเซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แต่ก็แค่วันเดียวคะ่ะท่านอาจารย์แล้วก็มีแต่มันติดลบเยอะเหมือนกันนะคะช่วงนี้ที่นี่ที่นี่ หนาวมากกว่าที่เคยอยู่อ่ะค่ะท่านอาจารย์แค่เวลานะ่ะขับไม่ค่อยถึงเข้าไหร่นะค่ะค่ะตอนเขาขับรถไปทํางานนี่มันก็เป็นรถบริษัทมารับไปขับรถไปทํางานค่ะท่านอาจารย์ค่ะมไม่ไกลคะ่ะแต่แต่วันนี้เขาขับตอนวันไปตั้งแต่วันวันจันทร์นะคะอาทินี้เขามีประชุมที่อีกที่นึงอะคะ่ะที่จังชันซิตี้อะค่ะก็ขับรถไปประมาณหกโมงครึ่งนะคะค่ะท่านอาจารย์น มันก็บอกว่าเขาก็บอกว่าวันนี้อาจารย์มานะบอกอาจารย์ด้วยนะว่าบอลซองเต้นนะอขอบคุณนะอบคุณขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณเป็นอย่างสูงพระอาจารย์ค่ ะ, ะสาธุคุณปางวะลายศิรชา้ากลับนมันสการค่ะพระอาจารย์ยอมหยุดเย็นเหมือนเดิมจ้ะค่ะโอเคดีแต่ว่าใช่ได้ ได้ได้เจ้าค่ะก็ก็หลังจากที่มันแหว่แห่งมาช่วงสัปดาห์ก่อนๆนะคะตอนเนี้ยมันก็กลับมาปกติค่ะแต่สิ่งที่หนูจะเพิ่มมาคือพอเวลามันมีคนนั้นๆนะคะมาพูดให้กระทบใจิตใจหนูอะคะ่ะหนูหนูก็ตีกลับมาดูที่อารมณ์ของหนูว่าตอนนั้นนอะหนูโกรธหรือเปล่าตอนนั้นหนูมีปฏิกิริยายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ค่อยๆ่ค่อยค่อ ย, อ ย, อยพิจารณาว่าถ้าหนูจะตอบหนูจะตอบยังไงให้มัน ให้มันดูดีที่สุดเนี่ยค่ะมีเสถียรคิดก่อนก่อนทีจะพูดจะทําอะไรค่ะก็ก็เหมือนที่อาจารย์อาจารย์แนะนํำ น, นะคะ่ะว่า ค, คงต้องนั่งสมาธิไปบ่อยเพื่อเพื่อให้ให้เรามีมีมือเบิกขมากๆใช้เวลาคิดไตร่ตรองได้ก่อนที่จะพูดจะทําอะไรค่ะแล้วก็หนูมีคําถามอีกนิด น, นะคะพอดีช่วงว่างๆหรือไงคะ ดู y o u ูทูบเหมือนเหมือนอาจาร ย, ย์ใส่ทิปแต่ว่าจะเป็น youtube เทสเก่าๆของพระอาจารย์แล้วก็เป็นเทสเก่าของหลวงตามหาบัวทีเนี้ยมันก็จะมีรายการบางรายการที่มันป๊อปอัพมาอย่างเช่นรายการที่เขาพาไปเที่ยววดัดพาไปเที่ยวโบราณวัตถุแล้วมันก็จะมีพวกโลกวิญญาณติดมันด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะอันนี้อันนี้จะผิดผิดศิลป์พระตะปราปารมาไหมเจ้าคะก็ไม่รู้ล้วเม ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่ผิดถ้าเราเชื่อก็อาจจะผิดได้มันจะมีบางช่วงบางตอนเขาจะเอาคําสอนของพระพระอาจารย์มาเหมือนเหมือนของพระอาจารย์ก็จะมีคําสอนมาด้วยนะแต่บยงเดียวเชื่อกดแห่งกรรมแลอย่างอื่อย่าไปกดแห่งกรรมก็คือดูดูเอาไว้เฉยๆหนูชอบเหมือนแบบหนูชอบดูแล้วก็สอบจิตใจเราแล้วกันว่าเรายังมั่นคงอยู่กดแห่งกอเปล่าอือค่ะก็ก็ถ้าเราให้ดีก็คือควรไม่ควรดูใช่ไหมค่ะอย่าไปดูให้เสียเวลาเลย ค่ะได้ค่ะห น, นูจะลดเหมือนอาจารย์ใส่ ท, ที่ที่คุยไว้สักพุ่มมาดูธรรมะดีกว่ามาฟังธรรมะดีกว่าค่ะ ข, ขอบคุณเจ้ะค่ะถึงคุณหมอนพินดากลับมานะกราบนามสักการพระจ า, ราพระตาขอไปนิพพังคลุขลัก ด้วยเจ้าข่าวพระจันทร์มาของอแยกคิวดีกว่าเาจ้าข่าวพระจันทร์ก็แทบไม่เสียเวลาเจ้าข่าวพระจันทร์ก็โยมก็ในช่วงนี้ค่ะก็ในชีวิตก็มีหลายช่วงที่คือเหมือนกับรู้สึกถึงความเหมือนกับมันแยกชันระหว่างเออ่กายที่ทําอะไรอยู่กับเออ่ใจที่มันเหมือนสงบนิ่งอยู่ภายในประมาณเนี้ยเจ้าข่าวพระจานทร์ก็จะ ประมาณว่าจับตรงนี้ได้ห ล, หลายช่วงมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เน่ทำอะไรไปทำา้วยใจที่นิ่งอย่าไปมีอารมณ์กับการที่เราทำเจ้าค่ะ เจ่า า, าแต่ว่าบางช่วงมันก็มีกระเพื่อมบ้างจากสิ่งที่มากระทบแต่ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเหมือนเหมือนตัดได้ไวขึ้นนะเจ้าคะ่ะแต่โยมถ้าโยมใช้อุบายประมาณนี้ได้ไหมเจ้าคะว่าโยมมองว่ามันมันไม่มีแก่นสารแล้วก็เราไม่อยากจะเอาใจไปไปค้งไปไปร่วมอยู่กับตรงนั้นนะประมาณายเป็นด้าน้น<ๆ>าตายมันเปนแค่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เจ้าค่ะของอาจารย์แล้วก็เลยเหมือนกับว่าพอนั่งสมาธิต่ออะไรก็ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องขังคาในใจขังคาในใจถ้าเราไก็มีอารมณ์กับธรรมชาติเราไม่ค่อยมามีอารมณ์เวลาฝนตกมันไม่มาข้างคาในใจเราเนี่ยมันนี้ทําไมฝต้องตกด้วยทําไมลมต้องพัดด้วยแตถ้าเราไปมองคนกลับไปมองว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมนต้องเป็นอย่างนี้ขึ้นมาเจ้าค่ะ นั่นเพราเราไม่ได้มองเขาว่าเป็นธรรมชาติเรามองว่าเขาเป็นตัวตนเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เราจะพยายามนําคําพระอาจารย์กลับไปสอนตัวเองให้มากๆเจ้าค่ะก็ในช่วงที่ที่นั่งสมาธิเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับเราจับตัวร่องอารมณ์ของเราได้ได้ไวขึ้นว่าอารมณ์ประมาณเนี้ยที่ที่เราจะเข้าไปสู่ความสงบอะไรเงี้ยจ้ะอาจารย์มนันเป็นผลจากการเจริญสติของเราฝึกสติไปเรื่อยๆก็เราจะเริ่มเห็น เห็นใจเรามากขึ้นเร็วขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็แล้วก็นอกนั้นคือในเรื่องของเวทนาคือไม่ว่าจะจากตอนที่นั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่หรือว่าในชีวิตเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เออก็ยงก็พยายามสอนตัวเองว่าคือมันเหมือนระลึกขึ้นมาว่าเออกายมันไม่ใช่เราเราไม่ใช่กายอะไรอย่างเงี้ยสิค่ะแล้วก็เราอยู่กับได้รู้สึกว่านิ่งนิ่งขึ้นกว่ แต่ก่อนจะค่ะพระอาจารย์ก็กายกายมันไม่เดือดร้อนเราเราเป็นเดือดร้อนแทนร่างกายอาำไมเจ้าเราเป็นแทงแต่ผู้มาดูแลร่างกายเราเป็นเหมือนหมอร่างกายเป็นเหมือนคนไข้ใช่ไหมต่อค่ะ ม, มันใข้เป็นอะไรหมอเดือดร้อนนั่นหม อ, อย่างมากก็เห็นใจสงสารแต่ไม่ไปทุกข์กับความเจ็บป่วยของขอ ง, ของคนไข้ครับนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือเหมือนกับว่ามันคล้ายๆว่าเหมือนเป็นหุ่นยนต์ไปแล้วเราก็เป็น สออะไรแบบนี้สคาโดยที่แยกกันประมาณเนี้ยสคา พ, าพาระอาจารย์เราต้องรู้ที่เราเลี้ยงดูมันอยู่แลไปเจ้าค่ะเราต้เลยเหมือนกับมันก็เหมือนสอนจิตตัวเองเหมือนกันว่าแบบเรื่องเองของอารมณ์จิตอะไรก็เหมือนกันว่ามันจิตมันก็ไม่ใช่เราเราก็ไม่ใช่จิตอะไรเงี้ยสค่ะแล้วก็สุดท้ายมันก็เลยเหมือนกับสรุปความว่าแบบขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันหา้าก็แบบเหมือนพยายามสอนตัวเองะลึกอยู่ประมาณนี้เจ้คาค่ะพระอาจารย์ก็ปล่อยวางปล่อยวาง ก็ออคือถ้าทำอะไรได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ต้องปล่อยาออวางเจ้าค่ะพระเจ้าก็ในในชีวิตก็ก็ปล่อยอะไรไปได้เยอะเจา้าค่ะทั้งเรื่องของพวกโซเชียลอะไรหรือว่าแบบแต่ก่อนทําพวกช่องทางให้ความรู้อะไรก็แบบตัดไปนานแล้วเจ่ะแล้วก็พวกเออเหมือนกับโซเชียลอื่นๆก็ก็ไม่ไม่ค่อยได้เข้าไปเกิดไว้ช่องทางแค่ติดต่ออะไรประมาณนี้เจ้าค่ะแล้วก็ยังน้อยลงก็หลังๆก็เริ่ม มือเย็นได้บ้างแล้วเาาจ้าค่ะอาจารย์จากที่เดิมอาจจะมีแบบทุบจิ๊บ้าง น, นิดหน่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็นอนก็เออ่ปูปูผ้าเอาประมาณนี้ยเาาจ้าค่ะพระอาจารย์ดีดีพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆตามกําลังน้อยกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้เทนี้เจ้าค่ะกับบ้านสาธุสาธุขึ้นตไปพัทยา พร้อมกลับรล้วมาสักการค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมรับฟังทำจับพระอาจารย์คะ่ะเป็นไงบ้างวันนี้ถือยบสิแปดหรือเปล่าอันนี้ถือยบสิบนแปดคะ่ะแต่ว่าวันนี้หาสตังค์ค่ะเป็นคนโ ม, โม่อ่าเป็นอะไรเออกน้องไม่พอค่ะพรอาจารย์งานมันเยอะก็เลยต้องอยู่ช่วยเขาก่อน ค, อออค่ะอ่ า, <ห> า, าไม่เป็นไรก็ทําไปในเงินก็รักษาสินแปดไว้ก็แล้วแต่เนื้อ อ่ายังไม่ทิ้งค่ะยังทําตลอดเลยค่ะพระอาจารย์โอเคดีอ่าตามต่อไปเลยค่ะพระอาจารย์มณิกาจากนอนุโมทนาลาทื่ว่ามณิกาได้ยินมระเจ้ามณิกาอ่าไปก่อนนะทําไม่เป็นการตอบสนองไปที่คุณคุณลอยเลยใช่อันนี้ ดาวนมาสักการพระอาจารย์เะ้าค่ะอืมวันยังไงวันนี้ถือสินแปดรือเปล่าวันพระกินข้าวไปแล้วพระอาจารย์ <laughs> แต่ว่าก็จะปูผ้านอนพื้นเหมือนเดิมเจ้าค่ะเอาสินหกแล้วเหมื อ, อาจารย์สายทิพย์ไปก่อน <laughs> ใช่เจ้าค่ะเ อ, อแต่ว่าอาทิตย์ที่แล้วที่ถือสินเจ็ดนะพระอาจารย์อืมนอนไม่ค่อยหลับค่ะ จิตมันตื่นก็ภาวานาทั้งคืนเลยเจ้าค่ะแต่ก็แบบแต่ก็เหมือนรู้สึกว่านอนไม่หลับแต่ก็เช้าเร็วมากเลยนะเจ้าค่ะแต่เพราะว่าไม่เวลาก็เป็นเป็นเรื่องไม่มีอะไ ร, น, น, น, ไะไรน่านอนเจ้าค่ะตื่ น, ต, นตื่นตลอดเวลาเลยเจ้าค่ะคือแบบพื้นมันแข็งด้วยแหละเจ้าค่ะก็เลยอืนอนไม่สบายอาจจะไม่สบายตัวก็เลย เลยเจ้าค่ะมีไว้เพืไม่ให้นอนมากหให้ลูกึ้นมานั่งสมาธิแทนถ้านอนไม่นอนนอนไม่หลับก็ลูกนมานั่งสมาธิแทนเจ้าค่ะอ่พระอาจารย์เจ้าคะพอดีไหนอลองไปซื้อช็อกโกแลตมาหกสิบเอดเปอร์เซนกับห้าสิบเ็ดเปอร์เซนตก็เลยชงที่แบบว่าอันที่เปอร์เซ็นต์หกสิบเอ็ดนะเจ้าค่ะผมปีเลยเจ้าค่ะยังขม อ, อยู่เลย ขมจ้ะค่ะขมอยู่นะองดูเก้าสิบเปอร์นดูร้0เอร์เซนเลยไม่มีน้ำตาลเลยเจ้าค่ะแต่คนไม่รู้ยากอยอ่โพของมันยิ่งสูงราคามันยิ่งแพงแล้วเราก็คิดว่ามันยิ่งดีก็เลยซื้อซื้อสูงๆมาให้อันนี้ก็มาเก <laughs> <laughs> ้าสิบเก้าเก้าสิบแปดนี่จ้าเนี่อ่าแต่ว่าหกสิบเอ็ดนี่ก็ขมแล้วนะจ้ะค่ะก็กินยากมากเจ้ะค่ะ กินไม่ได้เลยค่ะให้ที่บ้านกินแทนตอนใหญ่ถ้าเปนญาติย้อนหน้ามันพวกแบบที่มีใส่นมด้วยไม่ค่อยของเทไหรมันหวานอะไรนเชอร์ก็แล้วแต่พาฉันไม่ได้เพราะทันตามบ่ายไม่ได้เพราะมันมีนมนมนี้ถือว่าเป็นอาหารเป็นส่วนประกอบของอาหารอะไรที่เป็นเพลนชัล้วอไคือไม่มีนมไม่มีไม่มีไส้อะไรต่างๆไม่มีถั่วไม่มีอะไรส่วนผสมย่ี โก็โค้ง ก, โกน้ําตาลอย่างเดียวใช่ค่ะเดี๋ยวหน่อยจะถวายประมาณนี้ละจะค่ะสักประมาณหกสิบประมาณเนี้ยใช่เจ้าค่ะเพราะว่ามันก็หน่อยว่าน่าจะพอดีแล้วก็ผมในระดับที่หรือว่าขมของช็อกโกแลตอาจารย์ค่ะก็ยังไม่ได <ๆ S 1> ้ค่ะถ้านขมก็เอาจิ้มน้ําตาลหน่ยก็ได้ <laughs> โอ้พระอาจารย์ยังคิดอยู่เลยพระอาจารย์ฉันได้ยังไงขมปีเลยอือมแล้วมันก็จะฉันวันนึงเราฉันแค่คาเดียวแค่ฉันเพื่อจะได้ไม่ลืมวันนั้นเองแต่ไม่ได้ฉันเพื่อเอาจิอมาแตะมันขึ้นอืมเจ้าค่ะเอ่อพระอาจารย์เจคะอย่างสมองกับมะขามป้อมที่ถวายไปคือเป็นยาใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้สมอมะขามป้อมถือว่าเป็นยาถ่าย ถ, าถ้ากินเข้าไปแล้วมันก็จะทําให้มันถ่ายง่ายเพราพระพระท่านก็ได้ ขนาดจะชันแล้วเอาผูกเงื่อนใช้ก็เลยอาศัยยางพวกนี้เจ้าค่ะของว่างพวกนี้เจ้าค่ะคือที่ที่ซื้อไปถวายไม่ใช่ว่าเพราะอาจารย์เทศอะไรนะเจ้าค่ะใช่พระอาจารย์เทศเจ้าค่ะแต่ว่าคือพองบังเอิญไปเจอเจ้าค่ะก็เลยซื้อไปถวายด้วยอะไรอยกาขอให้เข้าใจว่าเราไม่ได้พูดเพื่อที่จน้อารับเข้าหาเราก็แล้กันเจ้าค่ะไม่ไม่คือจริงๆ เดี๋ยวจะหาว่าพระอาจารย์บอกว่าเอ้ยซื้อมาถวายไม่ใช่เจ้าค่ะพอดีหน่อยบังเอิญเจอแล้วพระอาจารย์บอกว่าเป็นเป็นอ่ายาด้วยเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วก็มีแม่ค้าเขาฝากมาทําบุญเจ้าค่ะ mm hmm. แล้วอย่างนี้ว่าจะถามพระอาจารย์ว่าอย่างเราอ่ะคือเราอ่ะทำบุญไปแล้วทีเนี้ยคนอื่นเขาเอาไปให้แล้วอแล้วก็ เขาก็พูดว่าเขาทําบนเขาเป็นคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะค่ะเขาจะได้ไหมจ๊ะป้าเขาจะเป็นบาปไหมหน่อยกลัวเขาเป็นบาปอ่ะเขาไม่อยากให้เขาพูดแต่ก็ไม่ไม่กล้าบอกเป็นของเขาหรือเปล่าถ้าเป็นเขาพูดตามความเป็นจริงเขไม่บาปนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ของเขาอ่าถ้าไม่อย่างเขาเขาพูดไปก็บาปนเองนะแสดงว่าเขาโกหกนะอ๋อเป็นผิดศีลข้อกรรมอข้อโกหกไปนะจ๊ะค่ะโกหกมุสาไปเจ้าค่ะ เป็นของคนอเลยของของของคนอื่นแล้วไปบอกเป็นของเขาอย่างว่าก็ฝากของเข้ามาให้เราทาด้วยเพราะว่าให้เขาไปของเขาเจ้าค่ะแล้วเอ่ออย่างหน่อยลืมหยอดกระบอกใส่บาตรในยอดย้อนหลังได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้นอนได้เจ้าค่ะมีคําถามแค่นี้ค่ะอาจารย์เหมอนชดใช้มันวนอยู่ชดใช้ จะค่ะใช่แล้วค่ะจะได้ก็อีได้วันนี้เราลืมหยอดพรุ่ง <Car> น <3 fragment vender> <grand vest> <eds> <is> ี้เราก็หย่อนสองเท่าไปก็ได้เจ้าค่ะให้ดอกด้วยให้ดอกด้วยก็ได้ยิ่งดีจะได้ไม่ลืมต่างเป็นยิ่งได้ไม่ลืเจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคําถามแล้วค่ะอาจารย์โอเค่าธุจ่ากลับไปที่คุณมณิกนี้ค่ะเชิญเมื่อกี้ไม่ได้ตอบรับพูดได้เลยไม่เปิดแล้ว นัว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระอาจารย์มีอะไรไหมที่ไม่เข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็ล็อกรังทำค่ะโอเคในปี่ท่าน์เห็นตอนนะ้คุณปิยะรันอยู่ที่ไหนคุณพิยรรัตน์กราบตอนสการพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ไหนเ อ, อ่ยมาที่ไหนอยู่ภูกเก็ตค่ะ อ, อ๋อภูเกต็ตค่ะเป็นยังไงบ้างอนนี้ภูเก็ตดูคาดไปใช่ไ อยังไม่เท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่านักท่องเที่ยวก็เริ่มมาเที่ยวเยอะขึ้นค่ะ mm hmm. ค่ะอ่าพระอาจารย์คะจะเล่าให้พระอาจารย์ฟังจากอาทิตก่อนค่ะพอดีว่าสัญญาอินเทอร์เน็ตไม่ดีก็คือจากอาการปวดเรื้อรังของตัวเองอะค่ะหนูทดสอบด้วยการเข้าสมาธิค่ะก็คือตอนตอนที่ปวดแบบทรมานมากๆเลยก็เลยตัดสินใจเข้าสมาธิตอนนั้นเลยค่ะปร mm hmm. ากฏ ค่ะปรากฏว่าพอนั่งสมาธิไปได้สักพักหนึ่งอะค่ะอาการที่ปวดทรมานมากๆากะค่ะหายไปเลยค่ะในในขณะที่อยู่สมาธิตลอดเวลาค่ะไม่ไม่มีอาการปวดเลยเป็นเป็นสิ่งที่หนูแปลกใจมากค่ะว่าว่าเป็นเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตเราไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจหรือเปล่าหรือว่าเราไม่ได้ขยับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะถ้าจิตเราสงบมากๆมันก็จะไม่รัารบกเรื่องของครับเจ็บของร่างกายได้ค่ะ ทีนี้พอพอออกจากสมาธิอ่ะค่ะก็ได้สักพักหนึ่งอาการปวดก็ค่อยค่อยกลับมา ท, ทันทีค่ะแล้วก็ป ว, ปวดปกติเลยค่ะขั้นต่อก็อก็สนใจว่าให้หัดอยู่กับมันไปอยากไปต่อต้านอยากพอยากให้มันหายค่ะแล้วก็อยากอ่าเล่าเรื่องสภาวะที่ที่เข้าใจตอนนี้ให้พระอาจารย์ฟังค่ะคือตอนอยู่ในสมาธิค่ะ พุทโธ ร, รู้สึกว่าจะหายไปค่ะจะมีมีช่วงที่พุทโธหายไปแล้วก็คิดอะไรไม่ออกอะค่ะทีนี้อ่าสภาวะตรงนั้นนะคะคือผู้รู้ไหมคะเพราะว่ารู้เขามีแต่ผู้รู้อยู่ตัวเดียวความคิดหน่มีกนเลยอยากพูดรู้รรว่าวา ค, ออ ค, คิดไม่ออกค่ะคิดไม่ออกค่ะทีนี้อพอออกออกจากสมาธิมาใช้ชีวิตปกติอะค่ะ หนูก็เลยเพิ่งขึ้นมาเข้าใจคำว่าผู้รู้จริงๆเพราะตอนแรกหนูไม่แน่ใจว่าในสมาธิแบบนั้นอ่ะคือผู้รู้หรือเปล่าแต่พอมาใช้ชีวิตประจําวันนะค่ะก็กลายเป็นว่ารู้อยู่แค่ปัจจุบันการการดูก็คือรู้ปัจจุบันใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้คิดเลยคือไม่มีสัญญาขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งเลยถูกต้องรู้เฉยๆทีนี้ หนูหนูไม่แน่ใจว่าใช่ผู้รู้ตัวเดียวกันไหมก็คื อ, อผู้รู้ของปฏิจจสมุปบาทอะคะ่ะก็คือการที่เรารู้เท่ากับว่าเราไม่มีอวิชชาเมื่อไม่มีอวิชชาว ง, งเวียนของปฏิจจสมุปบาทก็เลยไม่เดินเพราะฉะนั้นแล้วพรมันพรมันไม่มีความอยากค่ะทีนี้รู้รู้รู้ปฏิจจรู้เฉยไเฉยไม่ได้มีความอยากค่ะไม่มีความอยากมันก็ต่างันค่ะทีนี้ อ่าตัวรู้ปัจจุบันนี้ก็คือทนิพานถูกไหมคะตอนนี้ยังเเพราะว่ามันยังไม่มันมัพียงเ อ, อค่ะค่หนูหนูไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นหรอกค่ะแต่ว่าแค่แค่เข้าใจว่าประมาณมนันเพียงตัวอย่างของนิพทานถ้าเป็นนิพทานมันต้องเปตลอดยิบสี่ชั่วโมงค่ะรู้ตลอดยิบสี่ชั่วโมงค่ะรู้เฉยๆกับทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นจะตายก็ไม่เฉยๆไยใครจะชมจะด่าก็รู้เฉยๆไป ร่างกายจะเจ็บจะไม่เจ็บก็เลิกเฉยๆไปแต่ตอนนี้มันก็ยังเป็นเป็นตัวอย่างอยู่มันยังต้องทำเองต้องคอยสังเกตดูว่ามันมันรู้ได้อย่างนี้ไปตลอดเวลาหรือเปล่าโดยที่ไม่มียาลงไม่มีความอยากเกิดขึ้ น, น้นได้หรือเปล่ายังยังมีกิเลสอยู่ค่ะาาอาจารย์ค่ะอันนี้ ก็ให้รู้ว่านี่แหละคือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อให้ให้จิตให้รู้เฉยเฉัปราศจากความอยากความรักความชามความกลัวความหลงค่ะค่ะวันนี้ก็ก็มีเท่านี้ค่ะโอเคแตที่คุณหมอตอบป็นหมอวิรพันธ์เชิญหมอเป็นยังไงสบายดีอาจารย์ครั บ, ก, บการรักษาการครับผม ได้ยนนดิยนอาจารย์ได้ยินชาจารย์ครับครับอาจารย์ครับจะวันนี้ประกาศอาจารย์ครับแล้วก็เรียนอาจารย์ว่าช่วงตลังจากวนาันอาทิตย์ที่ผ่านมาสองสวันนี้มีสปีที่ดีขึ้นมากเลยครับอาจารย์ครับก็เห็นได้นะโอ้ผมก็พอพอวันนั้นอาจจะเป็นเพราะอาจารย์พราอาจารย์พูดถึงวรณาสปีดด้วยนะครับผมก็เลยอืความรู้สึกว่าเวลาเดินเวลา ถ้าหยุดเดินก็เห็นลงหายใจชัดมากเกือบทั้งวันเลยครับอาจารย์ครับแล้วก็จงังหตอนนี้ก็ได้ประมาณเจ็ดปดสิเปอร์เซ็นของวันเลยครับอาจารย์ครับอ่าแล้วก็อนนพ อ, พอคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เรามีสติมากขึ้นก็นได้ครับแล้วพอลองพิจารณาดูว่าพอลองหยุดแต่ตอนนั้นรู้ตัวว่ามีสติอนะครับอาจารย์แต่ลองหยุดหยุ ด, ห ย, ดหยุดจะเดินสติแล้วลองมานึกถึงสิ่งที่อ่ามันกำยังเป็นห่วงเป็นกังวลอยู่ก็ มันก็มีทุกปรากฏขึ้นมาให้เห็นนะครับอาจารย์ปาก็เห็นชัดเลยครับว่าเออมันมันต่างกันครับผมยังไม่เห็นใจรักในสิ่งนั้นเราต้องพิจารณาใจรักในสิ่งนั้นให้ได้อแสดงว่าตรงนะั้นต้องใช้ปัญญาชใช่ได้เพราะสิ่งนั้นเป็นไม่ของไม่ที่มีเกิดแล้วต้องต้องม่ดับไปสิ่งใดเมื่อการเกิดขึ้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาเป็นอนัตตาเราไปวกกควบคุปบังคัห้ามเขาไม่ได้ครับอาจารย์ ถ้าเหนตารักก็จะไม่ทุกถ้าทุกข์ก็สแสดงว่ายังไม่เห็นตายรักในสิ่งนั้นอย่าอนนี้พอเห็นอย่างนั้นก็เลยก็กลับไปเจริญสติใหม่ครับแล้วมันก็แต่จังหวะนั้นมันก็หายไปครับเจริญสติมันก็ยังไม่ได้ปัญญาอย่านี้ไม่เพียงแได้ของเบเกอร์แต่ถ้าเราได้ปัญญาแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเจริญสติมันได้ปัญญาแล้วมันก็จะ มันก็จะเน่มันก็จะเป็นอเวคาขึ้นมาอย่างท้าวเวกับสิ่งนั้นถ้าอย่างนั้นอถ้าอย่างไรปัญญาไม่เป็นกลับไปหาสติบอยก็ได้เอ่างั้นผมก็ลองพิจารณาการปัญญาคู่ไปแล้วก็ถ้ามันวุบวายก็กลับสติอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่สมมติถ้าเราทุกกับสิ่งที่เราคิดเราพิจารณาสิ่งนั้นว่าเขาเท่ยหรือไม่เที่ยง มีตัวมีตนหรือไม่เรื่เป็นปรากฏการทางธรรมชาติที่เราก็คุมประคับไม่ได้ค่ะอานนาตาหรือเป็นตตาอานิจจาเรื่องเป็นอนิจจามครับเดี๋ยวผมจะองนำไปทำดูครับาพิจารณาทางปัญญามันก็ได้ครับทุกอย่างก็เป็นอนิจจาอนัาตตาไปไปหมด มันจะทุกข์แต่เห็เราไ ป, า ร, ประจำเห็นไปหน้าตามันก็จะปล่อยมัน็จะไม่ทุกแต่เหาเราไปนึกจำไปหนาตาก็จะไปยึดไปติ่มันก็จะทุกข์ตอนนี้เห็นเห็นความแตกต่างอย่างค่อนข้างชัดเจนขึ้นมากนะครับระหว่างตอนที่มีสติกับตอนที่หยุดเจเริญสติแล้วก็มาพิจารณา น, า น, นครับเ็นถครับดขึ้นครับถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อย ประการณ์มันจะสอนอเราไปด้วยในตัวครับอ่าจับจับขอบคุณค่ะอ่าสาธุอ่อาว <c oughs> ารทิพย์เจ็ดาทีพยเจ็ดเ่นเดิมอ่าโอเคอ่าคุณหมอสุทธัศ น, นีต่อมรรสการ์่านพระจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำถามค่ะไม่มีนะยังปฏิบัติอยู่เช่นเดิมนะ ปฏิบัติอยู่ทุกวันเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคก้าไน้ไหมถ้าดูจากโลกโกรธหลงแล้วก็การมีสติควบคุมอารมณ์คิดว่าก้าวหน้าเจ้าค่ะโอเคพยายามทำาเรื่อยๆนะเจ้าค่ะท่านพระอาจารย์โอเคคุณฉันเนคุณฉันินต่อชันน ที่นคัณธรรมสการ์พาชาญอยู่จังหวัดปทุมธา น, นีครับทุมธานีครับครับตอนนี้ก็การปฏิบัติตอนนี้ก็สงบไว้ขึ้นครับแต่ก็ยังกลับมาเข้าสมาธิเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับแต่ก็มีความสงบครับยังสุขในพุโทโธยังหา เหมือนแบบเข้าชางได้แต่ยังเข้าสมาธิเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้ครับกอนยิงชายกับสมาธิมันก็เป็นตัวเดียวเหมือนนะครับแต่ออกมาแล้วยังไม่ไม่รู้สึกตัวยังไม่มีสติออกมาด้วยครับเหมือนเมื่อก่อนครับอ๋อถนอมจารสติอยู่เรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆครับพระอาจารย์ ก็ปฏิบัติมากขึ้นกว่าเดิมครับทุกทุกคุกคงใจสงบนะอยู่ได้ครับอาจารย์ครับไม่มีคาถามเลยในะไม่มีครับโอเคไปด้คยคนบารีต่อคนบาขอบคุณอาจารย์วุฒาการคนนี้หรืม อ, อมาวัวทองกาศหลวงพ่อค่ะอยู่อยู่วุฒากาศค่ะหลวงพ่อหลว่อค ะ, อคะเ อ, อ่อ คนคนที่เรารู้จักอยู่ใกล้ตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเขาตายตายแบบว่าเหมือนสมมติว่าเห็นกันวันนี้แล้วพรุ่งนี้นอนแล้วไม่นอนแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วทีเนี้ยหนูก็เลยมาคิดว่าอันนั้นคือมันไม่มีอะไรแน่นอนแล้วก็ถึงคิวเราตอนไหนก็ยังตอบไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแต่มันมีใจใจโบโบตรงที่ว่าแล้วเรา เราเตรียมพร้อมหรื อ, อยังเรามีสเบียงติดตัวไหคะค่ะหลวงพ่อตรงเนี้ยมันมีความกังวลขึ้นมาในใจอ่ะค่ะพคือความที่ไม่ควรจะกังวันนื่องสบียงถึงที่เราวรจะกังวลก็คืวเราทุกข์ไม่ไม่ในเวลาถ้ามันเกิดเราจะต้องตายขึ้นมาทันทีทันใดหลวงพ่อหนูไม่ได้ยินเลยคะ่ะเนี่เสียงเราหายไปหรือเปล่าได้ยินไหมได้ยินอยู่นะได้ยินกันได้ยินปกติ อ๋อหนยยูนขอจะไม่ค่อยดีครับ ข, ข, ขออีกครั้งได้ยินแล้วค่ะคืออย่าไม่กังวลว่าเราจะไม่มีอะไรติดตัวไป ห, ห, ววรรหรือไม่ให้กังวลว่าเราเราทุกข์หรือไม่ตอนที่เราจะตายชะดีกว่านอนไม่ทุกข์ไหมไม่กลัวตายไหมไม่มันมันไม่ได้มันไม่ได้กลัวตายเพียงแต่ว่าหนูจะคิดว่าเรายังไม่มีอะไรที่แบบ ติดตัวเวลาเราจะเหลือน้อยแล้วเราจะทันไหมอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่ อ, อ, อมันจะคิดแบบเนี้ยนะคะเราเร่งทำได้เลยลทำไมรอทําไมเราต้องกินอย่างนี้ก<อ>็พยายามพยายามอย่างแรงแรงแล้วะค่ะหลวงพ่อพยายามทําปฏิบัติทุกวันยังมีกำลตัดไม่ได้ยังตัดยังยังตัดยังตัดสิ่ต่างๆไม่ได้มันมันปฏิบัติทุกวันแต่มันมีความรู้สึกว่าเรา เราอาจจะมีเสบียงไม่พออย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีบัตรไม่พอใช่ยังไม่เต็มที่คือคือหนูทำเต็มที่แล้วแต่แต่เหมือนเหมือนมันยังมีคิดว่าเอ๊ะมันพอหรือยังที่ที่เราจะคือเต็มที่เต็มที่แต่มันมีพิกัดคือเวลามันไม่มันไม่เต็มเต็มร้อยเพราะเรายังต้องไปทําภารกิจอย่างหนึงเดียวใช่ค่ะเพราะนี่มันกังวลตรงนี้ะค่ะกังกลอะไร อะไรต้องไปทําให้มันเต็มที่เลยทาให้มันเต็มร้อยหนูพยายามหนูไปทำถ้าไม่ทำแล้วไปกังวลมันก็ไม่เกิดประโยชน์เลยพยายามพยายามทุกวันพยายามตลอดเลยอะค่ะหลวงพ่อจนแบบตอนนี้ไม่คือถ้าไม่ได้ทํางานก็คือมุ่งอย่างเดียวเลยค่ะหลวงพ่อแทบจะแบบตลอดเวลาแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันน่าจะยังไม่พอยังไม่เป็นอิสระเราอยากเป็น ยังมีคนอื่นเข้าผูกบ้านเราอยู่ ย, ยังไมีบ่วงอยูใช่ค่ อ, องไหมทั้งวันบ่วกไม่ขาดยังตัดบ่วงไม่ขาดใช่ผนองนะฮมันเวลาเวลาต้องมานั้งคิดให้มันเป็นเป็นเหตุเป็นผลสิอย่าไปกังวลว่เาเราจะยังไม่พอเรา้องถามเ่าพ่อใจแต่เราถึงไม่พ อ, อเพราะว่าเรามีบ่วงมาคอยมัดมือเราไว้ไม่ให้เราพอไปทํำ ได้ อ, อาจจะให้พร้อมแล้วก็ตัดบวกออกไปพ่อยังก็ยังตัดไม่ได้อ่ะก็ตัดตัดไม่ได้ก็อยากไปก็อยากไปกังวลเลยก็ต้องยอมรับว่าก็ได้แค่นี้แหละไปกังวลก็ทําให้ทุกข์ไปกว่าฟ้าไม่เกิดประโยชน์ก็เหมือนมันมันใกล้ตัวมากแล้วอะค่ะหลวงพอ่อ<แ>มันอาจจะไกลก็ได้มันอาจจะอาจจะไม่ตายเหลุดเขาก็ได้อาจจะ ตายตอนอายุห้าสิบอายุแปดสิบก็ได้ไม่มีนครรู้เขาว่าไม่แน่ไม่ได้บอเขาว่าจะต้องตายวันนี้พรุ่งนี้ถึงเขาไม่แน่เขาไม่แน่อาจจะตายตอนเก้าสิบปีก็ได้อายุเก้าสิบก็ได้ก็ไม่แน่เหมือนกันของเาแบบก็ดูเขาไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้อะไรอยู่ๆก็หลับแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ได้ฟื้นไม่ได้ล่าไม่ได้ลาไม่ได้สั่งเสียอะไรเลยไปเฉย เราเป็นกรณีเนี่ยมาแล้นกันคนเป็นน้อยล้านพันล้านก็คนประชากรในโลกนี้มีแปดพันล้านแล้วเี 8, 000, 000, 000, ่ยเราจะคนเดียวมามามาเปรียบเทียบกับคนแปดพันล้านก็ไม่ได้อ้าหนูหลวงพ่อข้าหนูก็บางคนก็อยู่ถึงร้อยปีก็มีบางคนก็อยู่ถึงเก้าสิบปีก็มีหนูหนูแค่ถ้าหนูมีสเสบียงพร้อมอะหนูก็พร้อมเลยค่ะหลวงพ่อแต่ได้กังวลยังยังไม่พอเท่านั้นนะคะหลวงพ่อ คือพร้อมไม่พร้อมมันอีกเรื่องมันพร้อมตายไม่วา้อมตายอีกเรื่องกลัวตายไม่กลัวตายอีกเรื่องหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็มาแก้ความกลัวตายให้มันได้ก่อนตอนยังไม่พร้อมตายเพราะว่ายังยังอยากจะอยู่ปฏิบัติต่อนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึออง่งค่ะหลวพวันนี้หนูก็ไม่ไม่มีคําถามว่าค่ะหลวงพ่ อ, อ, อ <c oughs> แค่มีเท้ากลงวัน <c oughs> ก็ทําเท่าที่เราทําได้แล้วกันแสดงว่าเราจะขึ้นทางหลวชไม่ได้ อยากติดอยู่ถนนชั้นล่าง ห, ห, หาทางหาทางหาทางขึ้นทางด่วนไม่ได้เรือหา ห, หาเงินจ่ายค่าทางด่วนไม่ได้ก็เลยอย่างขึ้นไม่ได้แนูกก็ไม่หยุดเลยค่ะหลวงพ่อไม่ท้อไม่ถอยแต่ไม่หยุดค่ะหลวงพ่อก็ดีก็ดีทําทเา <c oughs> ท่าที่เราทําหน้าไปก่อนมาแล้วกันแล้วอยากไปทุกข์อย่าไปกังวลนะกังวลเราทําได้แค่นี้แล้วค่ะหลวงพ่อ <c oughs> คุณจะเล่นทอยไมคุณจิ้งม<อ>ัเลยสองคพูตค่ะเ่นยบ<ต>การวันนี้ยมไม่ได้พูดแต่อาจจะอยากจะขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะก็เรื่องมันมีอยู่ว่าถ้ามีคนมายืมเงินแล้วเราจะวางใจยังไงอ่ะคะว่าเราจะใช้ปัญญาในการตริดต่อว่าเออยยืมแล้ว ไม่ได้คืนแน่ๆให้เขาไปเถอะหรือเราจะวางอุเบกขาว่าเออเขาน่าจะมีวิธีการอื่นให้เขาไปทางอื่นหรือว่าเราจะวางเมตตาว่าเออเราให้เขาไปแล้วก็อย่าไปคิดอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ที่เราจะตัดสินใจว่าเราจะเอาทางไหนอื่นสำับว่าก็อาจจะเป็นบุคคลที่มีบุญคุณกับเราแล้วเราจะพยายาต้องตอบแทนบุญคุแล้วก็คิดว่าก็ทดแทนบุญคุณไป ให้เขายืนไปแต่ไม่หวังที่ยาวคืนเพราะเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องอางนาคตไม่มีอะไรแน่นอนถ้าเรามไม่หวังแล้วเดี๋ยวไม่ได้คืนเราจะทุกข์มากอืมันก็คิดเสีวยว่าไปเป็นการให้เข้าไปแต่ไม่ต้องบอกเขว่าเราให้เข้าไปแต่ในใจเราเรายอมสูญเสียนี่อันนี้ไป<ม>คือว่าไม่ไม่ไม่หวังจะได้คืนไปคิดว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเข้าไปค่ะแถ้าเราไม่ต้องการตอบแทนคุณเราไม่มี ความพ ะ, ะที่จะต้องตอบแทนคุณเขาแล้วก็ปฏิเสธเข้าไปก็ได้อือค่ะพระอาจารย์ค่ ะ, ะ, ค ะ, คะก็ประมาณเนี้ยค่ะหรือว่าถ้าอยากจะอยากจะได้คืนก็ให้ก็เอาว่อาอาหลักทรัพย์มาวางไหมมีฉนดที่ดินไหมมีอะไรไหมคงคงไว้อะคงคงจะก็คงให้ไปเลยอ่ะค่ะใช่ก็ให้ไปเลยก็แล้วกันจบแต่ถ้าให้ไปแล้วอย่าไปหวางเอาคืน เงินเงินเยอะนี่ก็เหมือนเงินที่ถูกขโมยไปดีๆนี่ให้คิดอย่างนี้ก็รับไปอาปาจารย์เราจะได้สบายใจแล้วจะไม่ไปโกรธเขาทีนั้นค่ะแล้วก็อาปาจารย์งั้นเดี๋ยวโยอมจะไปตัดสินใจว่าจะทํำยังไงนะค่ะแล้วก็เรื่องเรื่องเรื่องดูละครดูหนังดูละครโยมก็เลยวางอุบายว่าถ้าเราถ้าเราดูสองชั่วโมงเราต้องปฏิบัติสองชั่วโมงถ้าเราดู โทไใจก็ต้องให้ถ้าอจาเวลาเช่นไหนมาปฏิบัติอถ้าเวลาไปดูแล้วมันก็พ อ, อคิดได้อย่างนั้นมันก็หยุดเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ดูแล้วออไม่ทางกลับมาปฏิบัติทันท่วงออท ม, <ด>มีการมีการลงโทษท่านหน่อยนะอค่ะพระอาจารย์ก็เลยเออก็เลยลดลงตอนแรกก็ตอนแรกก็คือไม่ดูทั้งเรื่องก็ดูเป็น เป็นสกิปสกิปสกิปถึงเงี้ยพราะหลังจากดูตัวอย่างดูตัวอย่างใช่คะ่ะเป็นเป็นคลิปแผนแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้ไม่มีประโยชน์จริงๆมันเสียเวลาในการปฏิบัติแล้วมันใช้เวลานานกว่าจะเข้าสมาธิได้มันใช้เวลานานขึ้นเนะคะยังลดลงลดลงมากอะคะ่ะแล้วก็กลับมาปฏบเหมือนเดิมดีกว่าเรารู้สึกว่าเราเสียเวลาใ น, นการแต่มัน ก็เสให้เราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราเมื่อก่อนเรามีเวลาว่างหรือจะทําอะไรเราเราก็เลยฆ่าเวลาด้วยการดูพวกนี้แต่ตอนนี้เรามีเรื่องที่ดีกว่าสาหรับฆ่าเวลาเราก็เปลี่ยนอยากไปดูมันใช้การนั่งสมาธิเป็นการฆ่าเวลาจะดีกว่าค่ะแล้วเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ไม่อยากจะออกจากสมาธิเหมือนกับว่าพอมันกลายเป็นว่าพอเราไปติดดูหนังดูอะไรต่ออะไรฟังเพลงอย่างนี้ค่ะเราก็ไม่อยากจะ ที่จะดูแต่พอเรามันนั่งสมาธิเราก็ไม่อยากจะหยุดนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเราปฏิสมนธิมีการไปติดนั้นติดแพงขาพระจานทร์ค่ะก็โยมก็เลยพอคิดอย่างนี้ปุ๊บมันก็มันก็ทําให้เราไม่อยากเสียเวลาเข้าไปดูอะค่ะก็ก็เป็นการดูที่ว่าจะมันจะเชื่อเรากี่วันก็แล้วกันยุบเอายุบภาพ ตังต้งโตเลยค่ะพระอาจารย์เป็นการเตือนสติให้โยมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วพระอาจารย์มองอยู่ไม่เรนเป็นชลามันนี้มันก็ทำมันเชื่อเราหรือพวกนี้มันก็หาข้ออ้าง ม, มาราเฉียงเราอีกอ ย, อยู่เฉยๆนั่งสมาทีแล้วมีเวลาว่างกอนดูมันหน่อยก็ได้นะค่ะค่ะรอบแรกก็ได้อยู่สองวันแล้วก็กลับไปดูใหม่แลว้วก็ต้อง มันทํอพยายามสู้กันไปเรื่อยๆมันก็ชาบมันต้องมีอุบายพลิกแพลงสู้กันไปใช้อุบายเก่าไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ก็ตั้งใจสู้กันต่อไปค่ะพระอาจารย์ควันนี้ให้รู้โดยหลักเลยว่ามันเป็นมันไม่มีประโยชน์เท่ากับสมาธิันจะหาวิธีทําำยังไงให้เรามาทําสมาธิให้มากบอกป้าไปดูดูหมันก็แล้วกันครับค่ะกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะคะจากทูจกคุณจิ๊บตา อยู่ติดกันเลยมากะติดกันอยู่รันเดียวกันค่ะพลศรีอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินอาิตทีแล้วไปถึงทุ่าไปขึ้นศาลนะอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอ๋อไม่ค่ะออฟฟิศออฟฟิศมีอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยละค่ะมันเป็นงานงง้ก่อนหน้านันก็ไปขึ้นศาลใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ขึ้นศาลก็โอเคก็พอพอมาเมื่อคืน ก็รู้สึกวันนี้ได้มาฟังพระอาจารย์เหมือนก่อนจะมาเมื่อคืนยังงคิดเลยแล้วดีใจจะได้ฟังพระอาจารย์วันนี้จะมีเรื่องอะไรไหมเนาะแล้เมื่อคืนก็มีเรื่องกับลูกจริงๆอะคะ่ะอาจารย์จนแบบมันเหมือนกับว่าคําพูดที่ว่าผู้ใหญ่เอาเรื่องไปให้เด็กเนี่ยมันมีจริงๆนะคะจริงๆเด็กมันก็คือผ้าขาวเราถ้าทั้งพ่อแม่ช่วยกันเลี้ยงแล้วไม่มีใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอาเรื่องไปใส่หูเด็กทําให้เด็กคิดว่ามันเป็นปัญหามันก็จะไม่เป็นปัญหาค่ะ แต่โยมก็เลยพอมันเมื่อคืนมันมีปัญหากับลูกโยมก็เลยแบบเหมือนเราก็ทะเลาะกันโยมก็บางทีก็คุมเมื่อคืนเหมือนกับมันสติมันหลุดหลุดจริงๆค่ะหลุดไปนิดหนึ่งเพราะว่าด้วยความที่เราเราเจอเรื่องมีเยอะกว่าลูกแต่ลูกไม่ได้เจอเหมือนเราเราก็แบบหลุดไปแล้วแล้วพอมาคิดก็คือทั้งลูกก็เสียใจเราก็เสียใจใช่ไหมคะเราเรายมกแบบ็แบบเวลาที่มันเกิดขึ้นปุ๊บ ร่างกายมันอ้มันจะเพลียแล้วมันก็ร้องไห้เหมือนเราก็ร้องเพราะร้องด้วยความเสียใจที่ลูกพูดแบบนี้แล้วมันก็ทําให้เกิดอาการปวดหัวปวดหัวมากๆจนเมื่อคืนโยมคิดเลยว่าแบบไม่มีอารมณ์จะแบบลุกขึ้นมาคุยแล้วเพราะปวดหัวมันมันมีความรู้สึกเหมือนว่าออืไม่ทราบพระอาจารย์อาจจะไม่เคยเป็นแบบมันปวดเหมือนจะระเบิดเลยค่ะพระอาจารย์มันเหมือนพอพอยมมานั่งมองตัวเองเอ้ยถ้าเราตายไปตอนนี้ ถามว่ายอมกลัวตายไหมเมื่อคืนนี้นะคะคิดว่ามันมีสิทธิที่จะตายได้เลยเพราะมันปวดเหมือนถ้าคนที่บอกว่าเส้นเลือดในสมองแตกอะไรแบบนั้นนะคะยมรักินบอกว่าเธ อ, อถ้าเราตายไปตอนนี้ถามว่าเรากลัวไหมเราไม่ได้กลัวนะแต่ถ้าตายไปตอนนี้จิตเราจะไปไหนเพราะมันอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองอยู่เราจะไปไหนเนี่ยเราจะไปนรกหรือเราจะไปไหนแล้วเราที่เขาบอกว่าให้คิดถึงบุญให้คิดถึงอะไรถ้าบางทีแบบสังขารมันปวดมากอย่างเงี้ยเราจะเราจะแบบ คิดยังไงจะทํำยังไงยมก็เลยแบบโหแสดงว่ายมเคยโอช่วงนี้เราเหมือนไม่ค่อยปฏิบัติเหมือนสลีนทอนเหมือนกันนะคะบางทีก็แบบโอเคแวะปฏิบัตินิดนึงแล้วก็ไปดูละครอะละครไกลบ้านแบบคุณไกลบ้านใช่ไหยคะมันก็มีอารมณ์แบบเออคิดถึงเมืองไทยอะอยากอยากดูอยากอะไรบ้างพอเสร็จปุ๊บ ก, ก็เออพอมีเรื่องนี้เมื่อคืนขึ้นมายมก็เลยสิบเออสงสยัยมันเป็นสิ่งที่เข้ามาเตือนเราเนาะ ว่าเราควรจะหันกลับมาปฏิบัติมากกว่านี้ไม่งั้นเราก็คง<ช>จะตามตามอาร<า>มณ์ไม่ทันใจให้เราสใงให้ได้ใกล้ตอนที่เราจะตายใช่ค่ะโยมมานั่งมองเมื่อคืนนี้เลย ม, มันเหมือนกับมันเกิดปัญญาขึ้นมาเลยแบบโหนี่ถ้าเราตายไปตอนนี้เราไม่ได้อะไรเลยเราจะไปไหนสิ่งที่เราตั้งใจทํามาทั้งหมดมันมาพังแค่เสี้ยววินาทีหนึ่ง ที่เราคุมมันไม่อยู่จริงๆตอง่อให้เอาธรรมะมาฟังหูข้างๆมันก็อาจจาะไม่ได้คือนนมันก็เ ป, น เ, ปนเป็นเป็นเป็นการจะเตือนสติเราให้เรารีบทําในสิ่งที่เราควรจะทําใช่ค่ะใช่ค่ะเมื่อเมื่อน้องก่อนคนก่อนหน้าที่พูดเรื่องถึงความตายเรื่องอะไรโยมเนบอกโอ้อันนั้นน้องเขาเหมายถึงมันเกิดกับคนอื่นแต่อันเนี้ยมันเหมือนเกิดกับเรามันเหมือนเป็นการทดลองทดลองความตายอ่ะค่ะพระอาจารย์ Mm. มันทําให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันจริงๆเนาะแล้วโยมก็นั่งมองเออเห็นอย่างนี้เราควรจะพิจารณาความตายเหมือนที่พระพุทธเจ้าบอกเราต้องที่ท่านถามอานน์ว่าพิจารณาความตายเวลากี่ครั้งโ mm. ยมเลยมองเออจริงๆมันควรจะเป็นถ่ายใจเข้าออกกลอ็ลึกถึงความตายตลอดเวลาอ่า <c oughs> ดีได้สติแล้วที่พยายางเอาไปทําต่อให้ได้ <c oughs> มันเหมือนกับเออสติมา ยมคิดออกขอบคุณในสิ่งที่มันเกิดอย่เลี่ยงความตายเรามักจะเริ่ยงคามตยกันพอยอมตื่นมาตอนเช้ายมก็เลยบอกโอเคในเมื่อลูกไม่ว่าเราจะทะเาะกันเราวยมดรอปทุกอย่างหมดเลยอ่าใช่อะไรความตายแล้วมันจะไปเราก็ไม่รู้จะไปมีเรื่องเวลาอะไรกับใครทำไมใช่ค่ะยมก็บอกมันเอาไปไหนไม่ได้แม้แต่ลูกเราก็เอาไปไม่ได้ตัวเรายังเอาไปไม่ได้ความคิดแเ้าก็ไปไม่ได้บุญเราจะเอาไปได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย ได้ไปได้มันเอาไปได้อย่างนี้มันได้ไหมคะพระอาจารย์ยมแค่เอาสมมติถ้าเราตายไปแล้วจิตเราขนาดนั้นมันปวดหัวจนเราคิดอะไรไม่ออกมันจะเป็นยังไงอะคะมันก็ไปอย่างนั้นละมันก็ไปอย่างนั้นจะเป็นอยังไงมันเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นละเหมือนกับว่าเราแบบถ้าเราหลุดออกจากร่างเราตายไปแล้วมันจะไปเดินเวียนอยู่ในโดมหอกมันก็ไปแบบนั้นนะมันก็ไปแบบนั้นเป็นยังไงไปมันก็ไปแบบนั้น่ แล้วต้องทํายมันอีกวนี้ต้องทายมันดีกว่านี้ต้องทายมันนิ่งต้องทายมันยิ้มได้บ๊ายบายบ๊ายบายร่างกายนะไปได้แล้วทำใจเธอไปแล้วใช่ค่ะยมมาคิดออกมันยังมีอัตราอยู่ในตัวอีกเนาะว่าเราเป็นแม่เราเป็นอะไรแบบนี้เนาะเป็นแบบโอเคโยมดออกไปเลยเมื่อเช้าแบบโอเคฉันเป็นคนธรรมดาจะไม่ใช่แม่เธอจะเป็นเรื่องสมมุติอะไรที่เราแบบคิดมาก่อนเราแบบโอเคถ้า ถ้าไม่ได้เสียหายลูกยังปลอดภัยลูกยังมีความสุขกินอิ่มนอนหลับแม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยเกิดทั้งปัญญาเกิดทั้งแบบโอ้ตีเข้ามาจนแบบเออเอาละเราต้องปฏิบัติมากกว่าเดิมละนิยนิยายละกุงละครทิ้งไว้ก่อนแต่ <c oughs> <c oughs> ต้องมาตอนแบบคลินทอน <c oughs> ค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรค่ะอาจารย์ไม่มีอะไรให้มาเราอัพเดตคิดถึงเราหรือถึอาจารย์พยายามไม่ถึงภาพตายใหเรื่อยอย่างนึงเนี่ยจะได้รีบทําในสิ่งที่เราควรจะทําใช่ค่ะเพระอาจารย์มันมันก็ดีที่ไม่คิดถ้าเกิดเรื่องทุกทุกมาบ่อยๆมันก็ไม่ดีที่มันทุกแต่มันก็ดีที่ทําให้เกิดปัญญาได้อะค่ะทุกบอกมีปัญญาบอกแกเนี่ย ใช่ค่ะสาธุค่ะผาจานทร์ใช่ค่ะแ <Okay. S 2> ละจะรักษาสุขภาพนะคะ yeah, okay. ค่ะค่ะไปที่กุสุวัตาเท็กซสัสป็นทำไงหนาวมากวันนี้่ต่อแล้วไ ม, ไ, มไม่มีฮ <c oughs> ีเตอร์เลยในห้องในบ้านไม่มีฮีเตอร์ไม่ไม่ได้เปิดเจ้าคะ่ะเปิดเป็นห้องเป็นตัวตัวไปเจ้าคะ่ะเพราะว่าอยู่กันแค่สองคนแล้วถ้าเปิดทั้งบ้านมัน แล้วก็เป็นการทดสอบตัวเองด้วยเจ้าค่ะว่าอยู่กับความหนาวได้ใช่น่าดีนักปฏิบัติธรรมต้องอยู่แบบธรรมชาติไม่ต้องมีเครื่อปรุงแต่งมากเลยเออแล้วค่ะเมื่อเช้าตื่นมาก็แบบโอ้ยอยาให้พายจยา์เสียใจเราต้องลุกขึ้นมานั่งให้ได้แล้วลุกขึ้นมาได้เมื่อเช้าก็พยายามตื่นเจ้าค่ะแต่ก็ยัง ไม่ได้ตื่นเช้ามากเจ้าค่ะแต่ก็ตื่นสู้กับความหนาวมานั่งได้นิดหน่อยเจ้าค่ะแล้วค่ะก็ที่ลูกเล่าให้พระอาจารย์ฟังครั้งที่แล้วเกี่ยวกับผู้มีพระคุณที่แบบเขาขอให้ช่วยเรื่องงานเจ้าค่ะลูกก็พูดกับเขาว่าลูก อ, ล, กอลูกอาจจะต้องปฏิเสธเพราะว่าอยากจะมันไม่มีเวลาปฏิบัติคือพอพูดไปพูดมารู้สึกว่ามันเขาไม่เข้าใจเราเจ้าค่ะเขา เขาไม่คิดว่าการปฏิบัติต้องปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนเราคิดว่าแค่วันละชั่วโมงก็พอมั้งเจ้าเขาเขาโม่เจเจ้าค่ะเขาก็ปฏิบัตินะเจ้าค่ะแต่เขาก็จะบอกว่าแต่การให้ทานก็สําคัญการช่วยเหลือคนอื่นก็สําคัญทําเป็นวิทยาทานแล้วเราก็มาจัดการเวลาของเราได้แต่เสำหรับที่ลูกเขายังไม่เห็นผลของการปฏิบัติว่ามันดีอย่างไร เนี่ยเี่าค่ะลูกกาลังจะถามใช่เหมือนกันเจ้าค่ะว่าทําไมนักปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันแต่ทําไมทําไมเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราแบบเราพูดเหรอเจ้าค่ะเพราะเขายังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติอย่เขาเลยไปเห็นผลจากการทำบุญทำทาสำนสํำคัญกว่าแต่ถ้าดได้ผลจากการปฏิบัติน่าจะไม่เห็นจะเห็นว่าการทําทานนี้ ไม่มีประโยชน์มากเท่ากับการได้ได้ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะแล้วลูกก็บอกเขาว่าลูกอยากจะปฏิบัติจนกระทั่งแบบคืออยากตายก่อนตายอะ่ะเจ้าค่ะลูกก็บอกเขาแบบนี้เจ้าค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่ยังตายก่อนตายไม่ได้มันมันไม่สามารถที่จะไปทำอะไรให้ใครได้อะ่ะจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเราแบบได้ตายก่อนตายแล้วแล้วเราก็จะรู้สึกหมดห่วงระดับหนึ่งซึ่ง จะได้ไปต่อได้อะเจ้าค่ะเขาก็ไม่เจ้าเข้าใจเท่าไหร่ลูกก็เลยแบบแล้วลูกก็ไม่พูดแต่ลูกก็นึกในใจว่า ก, ก็ก็คงจะต้องมีลิมิตในการที่จะที่จะก็ะตอบเข้าไปว่าไม่ว่ า, าแล้วกันต่อไปเขาเขาท้าทายเขาบอกไม่ว่างแล้วกัแง่ายไปะอธิบา ย, ยเรื่องที่เขาไม่เข้าใจพูดไปก็เหนื่อยเรา นะค่ะเพราะลูกก็เห็นว่าเขาก็ปฏิบัติเหมือนกันเจ้าค่ะลูกก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราน่าจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่พออธิบายไปแล้วเขาก็แบบเห็นว่าการให้วิทยาทานและการช่วยเหลือคนอื่นจะดีจะจะได้ประโยชน์เหมือนกันนะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบก็เลเอาไว้ว่างั้นเราก็ไม่ต้องเราก็เราก็ต่างคนต่างใช่ต่างคนต่างอยู่ไปมีมีเป้าหมายไม่เหมือนกันเจ้าค่ะเป้าหมายไม่ไม่เท่ากันเจ้าค่ะ เจ้าค่ะก็มีเท่านี้แล้วเจ้าค่ะลูกก็จะพยายามนนนในห้องมันจะพูดได้ในห้องมันจะเอ่อน่าจะประมาณสิบเมื่อชาเมื่อสิบประมาณสิบหกองศาเจ้าค่ะเซนติเกรดเลยแว่าใครได้อ่าเซลเซียสเจ้าค่ะเซลเซียสยแต่ว่าถ้าข้างนอกถ้าข้างนอกเนี่ยเอ่อประมาณน่าจะลบสองเจ้าค่ะลบสองลบสองลบหนึ่งแต่ในบ้านยังอุ่นหน่อยเจ้าค่ะแต่ลูกก็พยายามแบบพยายามไม่อยากเปิดฮีตเตอร์ ให้สามีเขาเปิดห้องเขาไปอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ลูกอยากอยากดูว่าเราจะแยกคือแยกใจกับกายออกมาเจ้าค่ะอันนี้ไม่ได้เปิดเลยห้องนี้ห้องนี้ไม่ได้เปิดเจ้าค่ะไม่ได้เปิดเจ้าค่ะให้สามีเปิดอยู่คนเดียวห้องเขาห้องทํางานของเขาเจ้าค่ะลูกไม่ได้เปิดนั่งเมื่อเช้าลูกก็ไม่เปิดเจ้าค่ะลูกรูนสึกวมันแล้วก็นอนในห้องนี้เลย อ๋อห้องห้องนี้ตอนกลางคืนลูกใช้เอเอ่ผ้าห่มความร้อนนะเจ้าค่ะเจ<อ>้าค่ะนิดหน่อยแต่ว่าถ้าตื่นมาแบบปฏิบัติอะไรลูกก็จะไม่เพราะว่านอนกับสามีก็ให้เขาได้ใช้ด้วย<อ>แต่ถ้าตื่นมาปฏิบัติลูกจะพยายามแบบนั่งไม่เปิดฮ<อ>ีตเตอร์หรือเดินห้องโถงก็จะเดินจงกรมก็จะไม่เปิดจะอยู่แบบ<อ>แบบเนี้ยเจ้าค่ะอยา ก, ยากใช้ใช้โอกาสตรงนี้ฝึกตัวเองเ<อ>จ้าค่ะก<อ>็ดี <laughs> เจ้าค่ะก็พยายามเจ้าค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุค่ะคุณซันดี้กุณเทพเชิญคุณซันดี้่กุณเทพใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์วันนี้เข้ามาร่วมฟังค่ะพระอาจารย์ไม่มีคําถามค่ะไม่มีคําถามค่ะโอเคคุณนิสาต่อเชิญคุณนิสาอยู่ที่ไหนคุณนิสา ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมคะพระอาจารย์ค่ะอยู่ที่ LA ค่ะพระอาจารย์ค่ะากาบเซมาสการ์พระอาจารย์ค่ะขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์าานนค่ะเข้ามาครั้งแรกวันนี้ใช่ค่ะเข้ามาครั้งแรกเลยคะ่ะจะเข้าหลายครั้งะคะ่ะ <laughs> แต่พอดีติดนู่นติดนี่นะคะ่ะอ๋อก็มันตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มปฏิบัติเลยค่ะพระอาจารย์เพิ่งได้สองเดือนนี่ค่ะยังใหม่มากเลยค่ะ ก็ก็ยังตอนนี้เพิ่งเพิ่งมีเวลาว่างค่ะแต่ก่อนแบบไม่ว่างเลยตอนนี้ไม่ตอนนี้ว่างค่ะก็เลยลองปฏิบัติ ด, ดูอะค่ะแล้วเป็นยังไงได้เห็นคนประโยชน์บ้างหรือย อ, อ๋อดีมากเลยค่ะตอนนี้คือแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคนแบบมีอารมณ์ร้อนแบบมีความโกรธมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้นี่คือแบบหายไปเลยค่ะไม่มีเลยค่ะก็คือช่วยได้เยอะมากค่ะแล้วก็ แต่เป็นคนที่แบบคิดมากฟุ้งซ่านนะคะคือแบบ<ม>ก็ตอนที่แต่ก่อนทำงานเยอะอะค่ะทำงานทุกวันเลยแบบแต่แต่แล้วก็รู้สึกว่ามันก็อยากจะปฏิบัตินะคะแต่ก็ตอนนั้นก็มีความสุขเออเราไม่มีเวลาเลยตอนนี้พอมีเวลาก็แบบมันก็รู้สึกว่าแทนที่เราจะมีเวลาแต่กลับกลายไปว่าเราฟุ้งซ่านมากกว่าเดิมะคะ่ะคือหรือว่าเราเราว่างเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ก่อนทำงานเยอะอะค่ะ อพอพอไม่ได้ทํางานก็ว่างแล้วก็เลยฟูลงสร้างก็เลยบางทีก็จากที่ปฏิบัติปกติก็คือจะนั่งนั่งนั่งสมาธิพยายามนั่งประมาณตอนแรกก็เริ่มครึ่งชั่วโมงสี่สิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยไม่เหมือนจิตไม่รวมเลยอะค่ะสงสัยจะแบบโอไม่มียั ง, ยงไม่ใช่ใช่ ใช่ค่ะกิเลตกิเลสหนามากต้องพยายามบ่อยๆใช่ค่ะก็ถ้าถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นแบบจับมาดูแบบว่าคือตอนนี้ก็เลยแบบถ้าช่วงว่างนี่คือจากที่ดูโซเชียลดูพวก YouTube ดูหนังดูอะไรไม่ไม่ดูเลยก็คือจะเปลี่ยนมาแบบอ่านหนังสือเกี่ยวกับคือเป็นคนชอบอ่านเกี่ยวกับพบระพุทธศาสนาอ่านเกี่ยวกับประวัติ ประวัติหลวงตาประวัติพระเกจิอาจารย์ไหนจะช่วยได้ไหมคะได้ไก็ช่วยมีสติคือนะค่ะเหมือนน้อมนำอะค่ะนะแต่ว่าคือพระอาจารย์บอกว่าให้ให้ตื่นมาก็ให้พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธแต่ว่ามันเหมือนกับ มันมีพุทโธแล้วก็มันมันมีความซ้อนอยู่อะค่ะเหมือนกับมันมีความมันจะแข่งกันโอ้มันรู้สึกมันเคยแบบบางทีก็รู้สึกที่อย่างเราก็เน้นเราก็เน้นอยู่ที่พุทโธส่วนความคิดก็ปล่อยมันคิดไปค่ะมันมันตีกันมากเลยมันซ้อนมากเลย ใช่ใช่และช่วงที่ช่วงที่ทําสมาธิด้วยอะค่ะเหมือนกันก็จัดซ้อนเลยเลยมีความว่าเรากำลังกำลังน้อยเป็นการเปสามารถอยูนได้ไม่ไม่ไม่แปลกไม่ไม่ไม่ผิดปกติใช่ไหมคะพอรู้สึกว่าเอ๊ะค่ะค่ะเหมือนกับอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะน้อยลงไปก็เลยเข้ามาหาพระอาจารย์เผื่อแบบพอมาเจอหน้าพระอาจารย์จะได้แบบรู้สึกแบบมีมีกําลังมากขึ้นอจากที่คุณจากที่คุณหมอบอกค่ะ <c oughs> ก็พยายามฝ<ฆ>ึกสติฝึกพูดโทไปหรือไม่งั้นก็คอยเฝ้าดูว่าร่างกายเรากลังทำอะไรอยู่ก็ได้อ๋อค่ะจดจ่ออยู่กับการที่ร่างกายกำลังทำงานที่ร่างกายกลังทอยู่<ช>อับน้าล้างหน้าแป้งฟันใค้มันอยู่กับอาบ น, าน้ำอย่าปล่อยให้มันไปคิดได้เลยค่ะก็ตอนนี้ก็ไล่ดู YouTube ในของพระอาจารย์ว่าตั้งแต่ที่แบบ ธรรมะบนเขากุธรรมะหน้ากุฏิแล้วก็วิสัชนาธรรมของพระอาจารย์ที่คือแบบว่างตนี้ก็ไล่ดูให้ครบไปเรื่อยๆะคะ่ะแล้วก็<ม>เก็บเก็บเกี่ยวไปถึงให้มันตกตะกอนคือแบบจะได้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไป <S 1> <S 1> ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยคำถามยังไม่ค่อยมีะคะ่ะเพราะว่ามันตอนนี้คงต้องเก็บเกี่ยวความรู้ไปก่อนนะคะแล้วก็น้อมนำให้เราแบใช่ใช่ค่ะค่ะ บางทีก็รู้สึกแบบคือฟังฟังเขาแบบเออแบบเข้าสมาธิกันแล้วเรารู้สึกว่าเราแบบเอ๊ะทำไมเราไม่ได้เสถีก็เครียดบางทีก็เครียดเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็ต้องสงสัยคงต้องต้องแบบต้อ ง, องให้ให้มีสติมากกว่านี้นะคะ่ะอาจารย์ถูกต้องขาดสติสตินี้มากมากน้อยก็พยายามจะมาเข้าซูมทุกทุกทุกุ ก, ก, ก, ก, กอาทิตย์นะะ ได้ยัถ้าสะดวกก็เข้ามาได้นะได้ค่ะโอเคอยู่แถวนานของเอเอโออยู่ตรงใกล้เครเรียนทาวค่ะมซิีเครเรียนทาวใกล้ๆดาว์ใช่ก็ก็ก็ไม่ไกลค่ะอยู่ตรงกลางเลยอยู่ระหว่างเขาจะใกล้ทายทางแล้วแบบทายทาก็ก็ใกล้ค่ะใกล้ค่ะอลช่อยู่ใกล้ๆฮใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้ใกล้ทีเดียวอยู่ตรงกลางดิซิีนอยู่มันจะอยู่เคอเรียนทาวแบบโค้ถนนอะไรถนนอะไร ถนนลาแบร์กับวอชิงตันค่ะอันค่ะลาแบกับวอชิงตันบูรวรค่ะทำไมตอนที่เราอยู่อเมริกาแล้วก็เคยไปอยู่ l อเช่วงซัมเมอร์ทอค่ะอยู่แถวรวอร์ค่ะอยู่ถนนรวอร์ค่ะอ๋อค่ะกลใกล้กลค่ะดยได้รู้จักคน l ออบ้าง ทำไม่ทำไม่ย้อนอดีตนึกถึงมันดีด <c oughs> จใชค่ะก็เดี๋ยวว่าปีหน้าจะกลับแล้วคะ่ะอืมโอเคทครังมาก็มาแวะมาตั้งทายอะไรก็ได้นะอ๋อไม่ค่ะก็คิดว่ายังคิดอยู่คือจะกลับนี่คือก็ ค, อก ค, คือจะกลับเลยค่ะคือจะคือขายทุกสิ่งทุกอย่างตัวนี้ค <c oughs> <ขอ S 2> ิดว่าคิดว่ามันอยากจะกลับไปที่ไปดูแลครอบครัวค่ะแล้วก็แบบตอนนี้มันก็เลยคือจริงจริงคิด คิดว่าจะกลับตั้งแต่ก่อนโควิดแต่ปดีมันหลายหลาอย่างแล้วก็คือรู้สึกมื อ, อก็คือแบบต้องขายร้านต้องอะไรหลายๆอย่างนะคะแต่ตอนนี้ขายขายร้านอาหารขายร้านนวดอะไรหมดแล้วแต่กตนน<ม>ารอเมริกาจะมีปัญหาแเพราะคนที่เคยอยู่อเมริกากลับมาเขาบอกเา้ากลับก็มาปรับตัวใช่เขาบอกเหมือนกันแต่ว่าไม่อะคะ่ะคิดว่าดูได้ค่ะอยู่ได้ปร <laughs> ะเดีอก็เนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องนี้ที่แบบทำให้รู้สึกแบบ ลึกๆ ก, ก็มีความมีความคิดฟุง้งซ่านเยอะค่ะเพราะว่ามันก็ต้องอเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางอะไรหลายๆอย่างชีวิตต้องเปลี่ยนก็ยังคิดยังคุยกับกับสามีกับแฟนว่าจะไปอยู่ใกล้พระอาจารย์ อ, อย่างตอนนี้ติดปัญหาเรื่องขายบ้านนะคะพระอาจารย์โอเคกลับ ม, มาได้ก็ดีเมืองแทนเราสงบกว่า ออมา <Hey. S 1> แน่กลับกลับแน่นอนค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าก็อยู่นานแล้วค่ะคือบางที hmm. มันรู้สึกว่ามันแรกๆก็รู้สึกว่าจะอยู่ที่นี่แต่หลังๆรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่ที่ของเราอ่ะค่ะรู้สึก <Hey. S 1> อยากอยากกลับมาอยู่ที่บ้านเราอ่ะมัน <Hey. S 1> มันคิดถึงเรายังไงเราต้องกลับมาตายที่บ้านเราอ่ะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกอยู่ที่ก็เหมือนเหมืนเหมือนเป็นแผลเขเราไม่ได้เป็นจับใช่มันจริงๆค่ะใช่แต่ก่อนก็รู้สึกว่าเออจะอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ก็แบบก็เลยคิดว่าเออกลับดีกว่าแต่ว่าจะกลับทีก็ต้อหลายเรื่องค่ะต้องเคลียร์เขาเรียกว่าอาจารย์เขาเรียกว่ามีทรัพย์เหมือนมีทุกข์จริงๆคือแบบต้องไกลเรื่องจริงๆไงค่ะต้องเคลียร์ทรัพย์สินนี้สินเยอะแยะไปหมด มีซับเหมือนมีทุกจริงๆค่ะมันยังคุยกับแฟนเลยว่าโอ้โหมันรู้สึกว่ามันเราแบบมันมีซับเหมือนมีทุกจริงๆเนาะมันหลายเรื่องหลายราวอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรก็ทุกข์กับเรื่องนั้นเน่ยพวกอย่างใช่จริงๆค่ะใช่จริงๆค่ะแล้วสุดท้ายก็เอาไปไม่ได้เลยอมแต่แต่ตอนนี้ต้องต้องต้องเอามาเลี้ยงคาดขันตัวเองก่อนค่ะอยากจะแบบอยากจะต่างที่เมื่อกี้คนบอกว่าให้ตายก่อนตายอ่ะ อยากไม่อยากไม่อยากที่จะบอกว่าอยากจะบัลไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดบรรลุอะไรอะค่ะแค่ว่าเอาแค่สกเอาแค่ว่าเอาาเอมีจิตใจสงบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนที่จะแบบ ก, ก่อนที่เราจะแบบไม่สามารถที่จะเข้าถึงธรรมะได้อะไรเงี้ยนี่กนดีแอ้วเขาดีบีบทำได้นเวลาของแต่ละคนก็นกนไม่แน่นอนใช่ใช่ค่ะโอเคนะค่ะพัน น, นี่นกลับค่ะค่ะกลับขอบอคุณค่ะกับในพิธีการอาจารย์ค่ะ อ่านที่เป็นสวเดียต่อแ ก, อ ก, อก็นิวเมกายังอกันคุณสมชายอยากเป็นสวีเดเนียกั บ, กบท่านผูาจัดครับออ๋วันนี้จมีการพูดการจาอะไรทุกอย่างที่ทําให้ผมฟังได้ดีครับอ่าวันนี้ครับแล้วก็ ก uh, ็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ว่า uh, วันนี้ก็มีมากก็คงจะมาประมาณสักหกเจ็ดนิ้วแล้วก็ uh, วันนี้จะไม่ีพีม้านไม่มต้องแย่หน้าก็ไม่ไม่รู้จะคุยยังไงดีครับอนอกจากถามแล้วตอบดีกว่า ก็ผมก็ปฏิบัติอ่าได้ยินว่าข้อที่เจ็ดข้อที่หกอะไรเนี่ยผมก็ข้อที่เจ็ดนี้เป็นการดูดังฟังไปดูดังฟังไอ๋อแต่ข้อที่แปดนี้นอนบนนอนบนเตีงน้ำน้ำฟุ้งน้ำน้ำให้นอนนอนกับเพื่อนนานกับเพื่อนแข็ง ออันนี้อันนี้ไออเดอร์อันนี้ออันนี้ผมทําครับอันนี้ผมผมทําอำระดับพยายามทุกอย่างกับอันนี้ก็เอาไว้เอาไว้ันอังคาเดีก็เน่ยภาษาอังกฤษดีกว่า <c oughs> เนี่ยภาไทยไม่ออกเลยนี่ผมผมผมใชเ้เซนเซนเชน เริ่อว่าหสามนี่สิบโกขอปีนี้อ่า o s t country l ไม่ต้อไม่ต้เป็นอนไรจะเป็นร์้สำคัญัง <laughs> อย่อย่บถึงครับโอเคโอเคไปที่ญี่ปุ่นต่อคุณแองเน่นี่ก็อยู่ญี่ปุ่นโตเกี <c oughs> เยวกล่าว้วมาสการค่ะพระเจ้านักข่า บางทีวันพระในชาติก็แบบไม่จะทำอะไรผล อ, อาหารวันนี้วันพระี่บอกพระอาจารย์ยังไม่ได้เริ่มเลยค่ะพอดีไปวัดแล้วก็กิเลสเยอะก็เดี๋ยวจะหาโอกาสที่ตั้งใจจริงๆค่ะที่จะทาวันนี้โยมมีคำถามกับสภาวะธรรมนะคะว่าม า, มาค่ะคือนั่งนั่งแล้วมันเกิดสภาวะที่รวมกันมาพร้อมกันนะคะก็คือตัวยโยม อนแล้วก็เห็นลมหายใจมันมาพร้อมกันหมดเลยค่ะแล้วก็พยายามจะตั้งสติแล้วก็เหมือนก็เห็นตัวหายใจรู้สึกตัวโยกอันนี้คือยังอยู่ในปฐมฌานใช่ไหมคะถ้าตัวโยกนี่แสดงว่ามันจะหลับมากกว่านอะนไม่มีมสติพอถ้ามตสติมันไม่โยกหรอกยังเอาคุยในนันทธาไม่โยกอ่ะอัญญา ถ้ามันโยกในแสดงว่าใจเริ่มเคลิ้มละสติมันเ่จะมันไม่มีสมบูรณ์ละมันถึงทำให้อังกายโยกได้ถ้ามีสติมันจะนิ่งๆเหมือนเราคุยกันอยู่ตอนนี้ค่ะแต่เหมือนตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองตื่นเต้นนะคะมีแบบได้ยินเสียงเสียงเหมือนกับคุยกับพระอาจารย์แล้วตื่นเต้นนะคะ แต่ตอนที่นั่งฟังคําถามของแต่ละท่านนะคะก็คือนั่งนั่งหลับตาแล้วก็ทําสมาธิไปด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็เห็นมันจะมาเลืะเริ่มนะคะก็คือมันจะโยกข้างหน้าก่อนโยกหน้ายกหลังแล้วก็มันจะมาอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งที่นั่งสมาธินะนั่นแหละแสดงว่าเราไม่มีสตินะต้องเึงสติกลับมาต้องไม่ให้มันโยกไม่ให้มันแน่งอา <c oughs> จารย์นะลองกลับมาดูเราเริ่มกลับมาพุทโทโธแล้วนั่นทำอะไรอยู่ล่ะ อ่ทนนีมันยนก็นั่งหลับตาแล้วก็ฟังฟังฟั ง, ฟงคําถามฟังเข้าเข้าฟังซูมของแต่ละท่านนะคะเหมือนก็ได้ยินคําถามพวกคำถามแล้วก็ก็รู้สึกตัวว่าบางครั้งก็เหมือนแบบมันมาพร้อมกันนะค่ะเหมือนหลับตาแล้วรู้ว่าตัวเองหายใจรู้ว่าตัวโยกเหมือนก็คือไม่ได้ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่มีสติแล้วก็ไม่ได้หลับค่ะแล้วก็ได้ยินทุก ไอ้ตัวโยกเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นบอกว่าไม่มีสตินะมันคนจะหลับจับประบอเนี่ยมันก็โยกค่ะเข้าใจก็ไม่รู้แหละก็แล้วแต่พยายามอย่าให้มันโยกก็าละกันถ้าโยกมันโยกต้องพยายามหยุดยโยกให้ได้ถ้าเหมันโยกโยกค่ะฮะมันโยมก็เหมือนกับนึกถึงแบบเหมือนฟังฟังครูบาอาจารย์เหมือนอาจจะฟังมาเยอะด้วยแล้วก็ศึกษามาเยอะแล้วมันก็เลย บางทีก็ถามเอินนี้มันคือสภาวะอะไระคือ อ, อย่างที่เราอบอกว่ามันไม่มีสติมันเคลิ้มมันถึงโยกมันคนเข้าส่งนะแต่ระวังไม่ระวัาระวังเดี๋ยวอาจจะกายเปนคนเข้าส่งไปก็ได้ใช่ค่ะบางครั้งตอนที่ฝึกแบบนามพทาค่ะแบบโยกแบบกระตุกมากเลยค่ะโยกจนต้องอลืมตาขึ้นมา ถ้าปฏิบัติแบบสติจริงๆเ้าจะร่างกายจะนิ่งจะไม่ไม่โยกไม่อะไรค่ะอย่างเราดูลมถ้าดูลมก็ดูลมอย่างเดียวอย่าไปดูอย่างอื่นเพราะเพรากมันหลายหลอย่างถ้าพุทโธพูทโธอย่างเดียวอย่าไปสนใจการเรื่องอย่างนึงถ้าฟังก็ฟังอย่างเดียวอย่าไปเอาทีใดอะไรเอาทีต่อเรื่องให้ใจมันจดจ่อยอยู่กับเรื่องเดียว แล้วที่ปฏิบัตินี้ไม่ถูกนะถ้าปฏิบัติแบบนี้ไม่ถูกกค่ะค่ะแล้วแล้วเหมือนกับนั่งไปแล้วเหมือนกับว่ามันไม่มีลมเลยค่ะไม่รู้สึกอะค่ะเป็นแบบที่บอกว่ามีลมแต่นี่ไม่ไม่มีลมนะไม่ค่ะมันจะพอมันผ่านพ้นสภาวะตัวโยกไปใช่ไหมคะโยกออกการเสร็จแล้วเราเหมือนกับโยมก็บอกเออเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมันโยกมันก็จะหยุดพอหยุดแล้วก็ เหมือนกับลมมันก็ดับไม่มีอะไรเลยแล้วมันก็กลับมาอีกอ่ะค่ะกลับมาเหมือนมาโยกอีกแล้วก็มันเหมือนสภาพต่างมันพร้อมกันเขาไม่มีสติไม่ใช่ใช่ไม่มีสติจิตมันก็เลยวิ่งไปวิ่งมาให้มันอยู่จุดเดียวเบาะแสมันอยู่ความเรื่องเดียวนะถ้านั่งสมาธิจิตต้องอยู่ความเรื่องเดียวโอเคนะลองทํำดม อาจารย์แล้วมีอีกคำขอขอโทษค่ะมีอีกคำถามหนึ่งก็คือบางครั้งที่ฟังพระสวดมนต์ฟังธรรมมาเราน้ําตาไหลอ่ะคะ่ะอ๋อ น, นี่มันเป็นมันเป็นปฏิริยาของของเรามันเป็นไม่ไม่เสียหายตรงไหนมันเป็นความเพิ่มปิติอะไรอย่างค่ะแล้วบางครั้งมันไหลแบบคคุมตัวเองไม่ได้คะ่ะเพราะเราไม่มีสติไงถ้าอยากจะควบคุม้องใช้พุโทโธพุทโธน้องพุทโธพุทโธแล้วมันก็จะหยุดได้ ค่ะอาจารย์สติเรายังอ่อนไปยังไม่ยังไม่ตั้งมัน่นพอไปสัมผัสเอาลายปั้มมันก็มีปฏิิยาถ้ามีส ต, ติแล้วมันจะเฉยเราทำลองฝึกสติตไปลองลองรู้สึกล ะ, กก ล, ะลองรู้ร่รู้สึกย่อหรื่อเราใงค่ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปก็แล้วกันะค่ะอาจารย์กลาบขอบพระคุณค่ะสาธุาค่ะ ให้พระอาจาร์ทอดแขนแข็งแรงนะคะจ้าสาธุแฟนที่คนแอปต่อแอปเชียงใหม่ไม่มีคำถามครับพระอาจารย์เข้ามาเกับไม่มีครับโอเคแฟนที่คุณชนิสาญี่ปุ่นนะเห็นแค่ญี่ปอนนะชนิสาหรือญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วมาสการ์ค่ะพระอาจารย์อยู่อยู่เมืองไหน โตเกียวค่ะโตเกียวเหมือนกันนะค่ะรู้จักกับคุณเริ่มหนาวแล้ค่ะรู้จักกับคุณคมแนไมเมื่อกี้นี้ไม่รู้จักค่ะผอาจย์ค่ะใช่ค่ะยิงช่วงนี้สองสามปีมานี้เขาเวิร์กฟอร์มโฮมกันเลยไม่รู้จักใครเลยค่ะค่ะวันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีคำถามค่ะมากกว่าผ้าจันเฉยๆค่ะแล้วมากเลยตอนนี้เริ่มหนามากไห ไม่หนาวมากค่ะพระอาจารย์ตัวเลขสิบต้นๆค่ะอ่าเขาวันนี้ระบาดเยอะไม่ใช่คนติดเชื้อน้องฟันน่าจะเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ก็ลูกชายอาทิตอาทิตที่ผ่านมานี้ค่ะไข้สามสิบแปดสามสิบเก้ามาหกเจ็ดวันแล้วก็เข้า e ER. ออารไป e ER ออารนี่คนคนเยอะเหมือนกันค่ะมีชาวต่างชาติด้วยแล้วก็คนทั้งคนแก่แล้วก็เด็ก เด็กนี้มาน่าจะอาการเดียวกันคือไข้ขสูงแล้วก็ไอน้ำมูกเด็กแบบเล็กๆเลยอะค่ะเด<ต>ี๋ยวพวกนี้ <c oughs> ติดโควิดทั้งหมดนะที่ญี่ปุ่นเขาไม่ตรวจค่ะพ่าจยา์ <c oughs> ที่โรงพยาบาลใช่ค่ะคือถ้าไปตรวจตามตามศูนย์ที่อื่นที่มี p c ซีก็คือตรวจไปแต่ถ้ามาโรงพยาบาลเขาก็จะไม่ตรวจให้จะตรวจให้เป็นอินฟลูเซียไข้หวัดใหญ่อะค่ะจึงจะตรวจ ค่ะถ้า<ม>เป็นโควิดหรือว่ามีอาการสูญเสียที่โควิดเขาจะส่งไปอีกที่หนึ่งเลยค่ะ<ม>ตรวจเองค่ะแต่ไม่รู้ม่าลูกเป็นอะไรไม่ทราบค่ะตอนนี้ก็หายแล้ว<ม>เขาก็บอกว่ามันมันเป็นอาจจะเป็นเชื้อไวรัสคือเขาตรวจเลือดตรวจเอ็กซาเลตแล้วเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นหวัดยาวที่เกิดจากเชื้อไวรัสแต่ไม่รู้ว่าไวรัสตัวไหนซึ่งอาจจะเป็นโคโรนาก็ได้ค่ะอนนี้วีเอชรก็ระบาดอยู่เหนะมือนกันอืมค่ะ ญี่ปุ่นเขาไม่เขาไม่ได้ลำบุญไอเวีใช่ไหมคะอาจจะเป็นได้ค่ะค่้สูงมากค่ะสามสิบเก้าจุดเจ็ดจุดแปดโอเคกัปตุลาค่ะค่ะค่ะพระอาจารย์ก็เลยไม่ได้ปฏิบัติเลยค่ะค่ะก็ปฏิบัติใช้ปัญญาพิจารณาปล่อยวางไปอะไรจะเกิดกันกิดค่ะอย่าไปถูกกับมันอ่าค่ะ Okay. ไปที่จ<แ>ันดาค่ะจันตะดาอันนี้อยู่สมุดประกาศเนี่ยเป็นจันด า, ด า, ด า, ดาใช่ค่ะพระจารนิวัสนการค่ะค่ะมีอะไรไหมวันนี้มีค่ะก็อืล่าสุดที่ที่สวดมนต์ในใจใช่ไหมคะทีนี้พอสวดมนต์ในใจแล้วอ ม, มันมีช่วงช่วงหนึ่งอะค่ะที่ มันก็มีคำถามขึ้นว่าปกติถ้าเราสวดทางปากแล้วหูได้ยินหูรับรู้ใช่ไหมคะรับรู้จากเสียงที่ที่ออกมาทีนี้พอสวดในใจเออสวดในใจเนี่ยมันออกมายังไงเราอะไร<จ>รับใจใจก็รับรู้ทันทีไม่ต้องออกมาทางปากไม่ต้องมาทางร่างกายเวลาเราคิดเราก็ไม่ได้ออกมาทางปากใช่ไหมค่ะ มันก็เหมือนกั น, ว น, กนเวลาสว o คาบลาคิดมันก็แบบเดียวกั น, นสวนในใจคิดในใจรู้ในใจใจเป็นผู้รู้ค่ะเพราะเป็นความคิดตรงนี้มันก็คือการปรุงแต่งใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ความคิดปรงแต่งสังขารค่ะเพระปรุงแต่งอย่างนี้ถ้าสงบแล้วเราก็เงียบไปเลยก็ได้เพราะว่ า, าค<อ>งความ ค, คิดก็หายไปความก็หยุดคิดไปค่ะพระอาจารย์สักครู่นะคะค่ะ แล้วเป็นความปรุงแต่งทีนี้ลูกช่วงนี้ลูกสนใจเรื่องอายตนะทั้งหกนะคะการสัมผัสรับรู้จากอายตนะทั้งหกแล้วก็ก่อนจะรูปพยายามดูก่อนที่มันจะเกิดการปรุงแต่งนะคะผาจา์พยายามจะให้ทันตรงนั้นนะคะพอกระทบแล้วก่อนที่จะปรุงแต่งตรงนั้นนะคะผาจา์ค่ะตรงนั้นเนี่ยจริงๆก็ ไ้รู้เฉยๆไปอย่าไปปรุมแต่ว่าเขาเขาดีเขาเชื่อเขาอะไรไปไปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาค่าะาอาจารย์อ่โอเคทั้งแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนหน้าลูกจะไปขึ้นเขาสามคืนสี่วัน<ม>ตอนต้นเดือนนะคะจองอแล้วแล้วตรงนี้เนี่ยให้ลูกพยายามทำตรงนี้ต่อจเจริญตรงสติในเรื่องนี้ต่อ หรือปล่าคะหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมที่เคยอยากใ้ถ้ายังเข้าสมาธิไม่ได้อยากจะให้ฝึกเข้าสมาธิให้ได้ก่อนจะถึ่าค่ะให้หยุดคิดให้ให้รู้เฉเวลาที่เรายังไม่ได้เข้าสมาธิหรือว่าให้ให้ให้เข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปร่างกายกําลังทำอะไรเขรู้ว่ากําลังทํากําลังอาบน้ำกำลังน้างหน้ากําลังแปรงฟันกายรู้อยู่กับงานที่กำลังทำอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องเลย ค่ะแล้ ว, วลนั่งสมาธิก็ดูลมห า, ายใจเข้าออกทีาปลายจม <c oughs> ูก <c oughs> ให้จิตนิ่งสงบให้เป็นสมาธิให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปตามูเรื่องอายตนานในภายหลังต่อไปตอนนี้เร า, ายังไม่มีกําลังที่จะไปดูว่าจะหยุดสังขารแม่มันคิดได้ถ้าเรายังไม่มีสมาธิเราจะหยุดมันไม่ได้มันจะหอดคิดไม่ได้ ใช่ค่ะพาาูอ้อาวุโสค่ะตอนนี้เรื่องทางโลกก็เยอะมากวุ่นวายมากเลยค่ะผู้อาวุโสแล้วพยายามจะแ ย, แ, ยแยกแยกแยกแยกไปตอนนี้ก็ก็ก็แต่ใจ ใ, ใจก็ใจก็ใจก็เย็นขึ้นใจก็เย็นขึ้นเหมือนแบบไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปตามทางนั้นมากอะไรเงีย้ยค่ะแต่ก็ยังมี<อ>ความกังวลอยู่บ้างเล็กๆอเอาเวาฝึกสติให้มากๆแล้วมันจะได้เย็นมากขึ้นค่ะ แล้วก็เจริญปัญญาต่อไปว่ามันไม่เทีย่ยงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องมีการสิ้นสุดลงอืมค่ะบางทีบางทีรูกก็แบบมันมันมันน่าราคาญจนเราแบบไม่อยากจะทําอะไรแล้วเหมือนกันบางทีก็อยากให้มันจบไปเลยทุกอย่างแล้วก็ไปอยู่ในในทางทำไซสอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะบางที ลูกก็คิดแบบนั้นแต่ว่ามันเหมือนยังมีความรับผิดชอบที่ต้องแก้ปัญหาเรื่องหนึ่งให้ได้ก่อนที่มันเป็นเรื่องใหญ่คาราคาซังอยู่อ่ะค่ะพระอาจารย์ก็ปัญหาในโลกไม่มีวันจบครับวิธีที่จะทํททาให้มันจบก็คือเราต้องเจริญสติปัญญาให้มาก เ, เราสติปัญญามากเราก็จะเห็นว่าโลกเป็นทุกข์เรื่องของโลกเป็นเรื่องอนิจจ์ทุกข์ขันธ์นั้นตานอก็จะตัดมันไปได้เลยไม่อเราไปแก้มันออ แกมันเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบแกเรื่องนี้มันก็มีเรื่องใหม่มาให้แกออค่ะนะค่ะยังพยายามฝึกเจริญสติฝึกเจริญปัญญาเพื่อที่จะได้เอามาใช้ตัดเรื่องทางโลกไปให้หมดจะได้ไปไปปฏิบัติของเราได้อย่างเต็มทีคาา่ค่ะอาจารย์ค่ะอยาไปแก้ปัญหาทางโลกแกเท่าไหร่ก็ไม่มีวันจบจบเรื่องนี้ก็มีเรื่องใหม่มาให้แก้ ใ่แก้เมื่อกี่เรื่องเะไรมีเรื่องเรื่องเก่ายังไม่จบเรื่องใหม่ก็มาอีกตอนใช่อะไรแบเยอะไม่รู้ค่ะพระอาจารย์จะเปวันเที่ยวจะแก้ปัญหาทางโลกให้หมดทางภาแในไม่เปวันหมดนะต้องแก้โดยการเห็นว่ามันเป็นเรื่องอนิจจกทุกข์ขันอนัตตาอนัตตาเปนเปหมดไม่ต้องไปแก้มันอืมค่ะค่ะ ลูกจะพยายามทําให้ดีที่สุดค่ะยายาเราที่สติปัญญาให้ดีมีกวานะคะค่ะพระอาจารย์ชานั่งสมาให้เข้าสมาธินี่คือให้ถึงจุดที่ไม่มีอะไรเลยตรงนั้น<ร>ใช่ไหมค ะ, ะจิตนิ่งสงบแล้วก็อยู่ให้นานที่สุดใช่จิตไม่คิดกุมแต่งอะไรทั้งสาารริ้นสาจว่าลูกอยู่กับอุเบกขาค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะเออ่ แต่ช่วงนี้ลูกก็เป็นอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันจะจําอะไรไม่ค่อยได้แต่จะจําเฉพาะเรื่องที่สําคัญสำคัญเรื่องที่จะต้องทําสําคัญสำคัญเท่านั้นรายละเอียดปีดย่อยของลูกเรื่องเล็กๆ็กเ ล, กเ ล, กเลก็น้อยลูกจะมันจะลืมไปเกือบหมดเลยครับมันมันเหมือนเป็นคนที่ไม่เป็นไร<ด>หรอกมันจําทุกอย่างไม่ได้หรอกเมื่อเช้าน <c oughs> ี้กินอะไรจำไม่ได้แล้วใช่ไหมค่ะบางทีจะประาณนี้ามันจําได้แต่เรื่องที่จําเป็นก็พอเรอที่สําคัญก็พอค่ะ เออบางทีจะถวายอาหารพระอาจารย์น่ะแมทแมเลยนะคะพึ่งจะบอกพี่เอไปอะไรเงี้ยขาลืมลืมชื่อเมนใครเป็นได้หรอไม่ไม่ไม่ไม่สำคัญอะไรค่ะพระอาจารย์อย่าลือย่าลืมชื่อเราก็แล้วกันพระอาจารย์รถทั้งคันยังลืมได้เลยค่ะพระอาจารย์วันนี้ขับอาจจะเป็นเอาซม์เมือก็ได้ไหมเราพยายามฝึกสติให้มากถ้ามีสติเราจะไม่ลืม ค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์คะลูกยงอยากจะพูดอันนี้มานานแล้วแต่ยังไม่เคยได้พูดเลยค่ะพระอาจารย์คะลูกขออนุญาตเวพรพระอาจารย์นะคะอยากให้พระอาจารย์เออ่มีสุขภาพที่ดีที่แข็งแรงนะคะแล้วก็อยู่กับพวกเราไปจนกว่าลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยจะบรรลุธรรมนะคะพระอาจารย์ จะไหเนอะจะไวเ น, ะวเนอะขอให้ลูกศิดทุกคนได้บรรลุธรรมเข้านี้ก็พอใจแล้วค่ะพระอาจารย์มันอี้100ปีหอว่าจะบรรลุธรรมอันเนี้ <c oughs> ม, นมันเน <c oughs> นจ้าบอกเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็เปี <c oughs> พวกเรามันอาจจะ7จสิปีนะเจ็ดร้อย700ปีนะป๋าไม่รู้ <c oughs> พระอาจารย์ค่ะแล้วก็อยู่เท่าที่เราอยู่ได้นะเดี๋ย่าโทษเรานะถ้าเราไปมันเราอยากจะอยู่แต่มันก็อยู่ไม่ได้ถึงเวลามันจะไปก็ห้ามมันไม่ได้โอ้หหนูคิดอลูกคิดเรื่องเนี้ยอยู่หลายทีเลยค่ะว่าเราจะได้บรรลุธรรมก่อนที่พระอาจารย์จะลาสังขารไหมเนาะอะไรเงี้ยค่ะกลัวเหมือนกันที่พระอาจารย์จะจะไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องรล่นธรให้มากขึ้นมันจะได้เคลื่อนไหวขึ้นค่ะพระอาจารย์ ลูกจะตั้งใจค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุตอนนี้งนะ่ายขอ บ, บ, บคุณค่ ะ, ะ, ะคุณพัชเวียคุณค่ะพิจคอภัยด้วยคพัชเวีอยู่ที่ไหนขอบพระอาจารย์ค่ะอยู่นนทบุรีค่ะมีอะไรไหมก็ฟังพระอาจารย์ผ่านทางเ facebook ตลอดเลยอะค่ะแล้วก็เพิ่งเข้ามาครั้งนี้ครั้งแรกค่ะก็ก็ฟังพระอาจารย์มา ปีกว่าๆแล้วก็ใช้พุโทโธแบบที่พระอาจารย์สอนนะคะไ ด, ได้ผลน้องไหมก็ที่ขึ้นก็คือเป็นแบบว่าจิตใจเยินเย็นขึ้นเป็นคนใจรอแล้วก็ใจเย็นขึ้นแล้วก็รู้จักหยับยัง้งชั่งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่แบบว่าวิกฤตมากเลยก็คือแบบว่ามีเรื่องราวเข้ามาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้พุโทโธพุธโทโธแล้วก็เป็นคนชอบสวดมนต์อยู่แล้วอะค่ะ แต่ว่ามันก็วางไม่ได้แล้วก็แบบทุกข์ทุกข์มากเลย uh huh. ก็เลยตั้งสติต่อตอนน้าหิ่งผาค่ะตอนที่สวดมนต์อยู่แล้วก็คิดว่าทําไมเราพุทโธพุทโธแล้วเรายังหยุดคิดกับเรื่องวุนแรงไม่ได้ก็เลยลองพุทโธแบบเร็วมากค่ะเร็วแบบรัวรัวรรเลยกับกลายเป็นว่าแต่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่ามันเมือนได้ผลนะคะพระอาจารย์คือเราได้ผลใช้ไหม ค่ะเก็คือเรื่องที่เราวุ่นวายมาแบบนานหลายวันเป็นอาทิตย์อาทิตย์แล้วเราออกไม่ได้เลยมันก็ผูหายไปเหมือนเหมือนเราได้หยุดคิดแล้วได้ความสงบได้ใช่ค่ะแล้วก็โล่งขึ้นแต่ก็ยังนั่งนั่งไม่ได้ก็พุดโธไปเรื่อยๆอาทำยังไไปก่อนก็ยังฟุ้งซ่านอยู่แล้วก็มีความคิดช่วงหนึ่งก็คือแบบว่าเพื่อนเพื่อนญาติญาติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ติดติดโควิดกันใช่ไหมคะเราก็คิดว่าเออเขาไปกักตัวสิบสี่วันนู่นนี่นั่นเราก็คิดว่าเออวันหนึ่งอ่ะถ้าสมมติเกิดเราติดโควิดในอย่างเงี้ยก็คือยังบอกกับหลายหลายคนว่าเออช่วงที่ไปอยู่สิบสี่วันหรืออยู่สิบวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันน่าจะสามารถแบบปฏิบัติ ท, ทําได้แล้วก็ดูทุกเขเวทนาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงอล้วอะคือคือหนูก็ติดตอน ช่วงเดือนสิงหาะคะ่ะทําไม่ได้ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าความทุกข์ความแบบเจ็บปวดนะคะก็คือจะปวดหัวมากแล้วก็ไข้สูงมากอ่ะแล้วเราก็พยายามตั้งสติว่าเออให้ดูความทุกข์ดูความทุกข์ทําไม่ได้มันก็เลยเป็นบทเรียนสอนสอนเราว่าเออมันมันเป็นเวลาที่จวนเจียนอะ่ะสติเราแล้วเราเพิ่งเข้ามาฝึกอย่างเงี้ยมันทําไม่ได้จริงๆพ อ, อดีขึ้นแล้วได้รับยาแล้วก็เลย เรื่อยๆก็เลยเพราะว่าอย่ามาฝึกตอนที่เราแบบมีความทุกข์อย่างเงี้ยค่ะก็่ถ้านะเราไม่เตรียมตัวให้ก่อนแล้วขึ้นเวทีก็จะถูกเคาน็อได้ใช่ค่ะแล้วก็ช่วงเข้าพรรษาที่ผ่านมาก็เลยตั้งใจแบบว่าทำสามอย่างก็คือรักษาสีหน้าให้ได้ตลอดสามเดือนแล้วก็เอ่อนั่งสมาธิทุกวันนะคะแล้วก็อย่างน้อยวลายี่สิบนาที ให้ขาดในในช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่กินอาหารตอนเย็นอย่างเงี้ยก็ก็ทําได้ทําได้แล้วก็รู้สึกดีมากก็จะมีหยุดไปอยู่สองวันก็ทําชดเชยเพิ่มเพิ่มออกตอนที่ออกพรรษาแล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีมากก็กราบมากราบเรียนพระอาจารย์แล้วก็กราบฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ค่ะอ่ายินดีตอนครับ พยายามทำไปเรื่อยๆนะค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์วนี้เท่านี้ค่ะสาธุต่อไปที่คุณทิตยาคุณทิตยาอที่ไหนสักแพระอารระจาร ย, พพย์ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะก็ไม่ไม่ได้มีคาถามอะไรก็ติดตามพระอาจารย์ได้ยินปะคะได้ยินได้ระทานไ่ก็ติดตามฟัง ไปเข้ามาเข้ามาอืมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้ามาแต่ว่าไม่ไม่ได้เปิดไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดอะไรก็ติดตามมาแล้วก็ก็เริ่มเริ่มปฏิบัตินั่งสมาธิทุกวันก็ก็ช่วยได้เยอะอะค่ะทำให้จิตใจสงบความโกรธที่เคยมีก็ก็ลดลงก็ก็พยายามปฏิบัติไปบางวันก็นิ่งบางวันก็ อย่ช่วงนี้มีภารกิจเยอะก็จะวุ่นวายเน่อยอาจจะติงยาแล้วลมลุกคุกค่ายไปลมลุกคลุกคลายไปก็พยายามที่พระจ่าแนะนําก็พยายามมาใช้อ่ะค่ะระหว่างวันนั่งที่เอ่อการแบบดูลมหายใจระหว่างวันค่ะจังไม่ได้ตลอดก <c oughs> ็เป็นแบบช่วงที่เดินช่วงที่นั่ง แต่แต่รู้อักขริยายังยังยังไม่ยังไม่ถนัดก็จะใช้ลมหรู้ลมหายใจอ่ะค่ะได้ถ้าดูลมได้ก็ใช้ดูลมแทนก็ได้ค่ะคก็ก็บางท่านี้ก่อนนะอคุณมิค่ะจะสอ่าธุไปที่คุณบอสภัตยาต่อบอสกาน้อสกาค่ะอาจาร ได้ได้ยินชัดเจนไหมครับได้ยินได้ยินชัดทุกท่าครับก็อส่งการบ้านครับคือสติอาทิตย์ที่แล้าวพระอาจารย์บอกว่าให้เจริญสติไปเพราสติดีขึ้นก็เข้าสมาธิง่ายขึ้นนะก็แล้วก็เสาอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีโอกาสได้ไปงานของปูมัน่น ก็เนรสัมชีพไปวันหนึ่งก็รู้สึกว่ า, เ, าเราก็ปฏิบัติทำได้เข้มขึ้นอะไรแบบนี้หลังจากหลังจากดนอนไปวันนั้นนั่งสมาธิตั้งง่ายขึ้นเลยครับก็ดีพยายามทำต่อไปทำให้มากขึ้นก็มีนะพอสอบถามยังงงๆอยู่ครับตอนตอนลมละเอียดมากๆครับอาจารย์ ก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆมันจะละเอียดเรื่องยากมาแล้วรู้เฉยๆไปท่านเลยไม่ต้อทําเลยมันงแต่หายใจไม่ออกเลยแล้วมันก็มันก็เลยต้องบังคับลมไม่ใช่ปล่อยตามธรรมชาติเราต้องสูดหายใจลึกๆเพราะเรารู้สึกว่ามันหายใจไม่พอแสดงว่ามันเราไม่มีสติมันถึงถ้ามีสติมันจะไม่มีปัญหาเลย คคออ่พยายามฝึกสติ ด, ดูเฉยๆไปไม่ต้องลมมันจะเป็นอะไรรู้ตามความเป็นจริงมันจะไม่หายใจก็ไม่นวดไม่หายใจไมนเป็นไรหรอกอ่านใจไหมถ้าจะดูลมก็ดูอย่างเดียวดูเฉยๆไม่ต้องไปทําอะไรกับลมโอเคนะขอบคอครับจอยต่อจอยนะพัทยาเก่าเข้าจังเก่าเข้าได้ยินไหมคะ ได้ยืนชัดเจนมากมาเร็วๆตุ๊าไม่ขับเลยค่ะเมื่ อ, อเช้าชไม่ตื่นแล้วนี้ยังไม่นอนเนี่ยชอบนอนดึกตอนเช้าไปดินถ บ, บานก็หลับยืนหลับใส่บาตรใช่ค่ะก <c oughs> ับมีคาถามไหมใส่มีคําถามไหมครับ <c oughs> อไม่มีก็ไปเ <c oughs> <c oughs> มื่อเช้าไปใส่บาตรหลับเอเช้านี่หลับยืนหลับเลยใช่ค่ะก็นอนดึกเนี่นอนดึกวันตื่นเช้ามันก็ไม่มันก็ตื่นไม่ได้ ใช่ใช่เราเขาก็ไม่ค่อยไ <c> ม <oughs> ่ค่อยอยากไปโรงเรียนเขาบอกว่าเพื่อบอกว่าเดี๋ยวจะเอาปืนมายิงพ่อกับแม่เขาเขาเครีย <c oughs> ดก็เลยก็เข้ามากล่าว่ะแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติบ้างไม่ไม่แต่ก็ยังอยู่ในใจตลอดค่ะสามยอไว้นะยอมอยู่เย็นคือก็พยายามมันมันชอบค <ไป S 2> ุประสาอ่ะชอบเย่ออ่ะสก็แย่ไป รู้ว่าเราไม่ชอบเลยก็ทำจริงอย่างี่พระอาจารย์สอน่ะหนูก็ทำตามทุกอย่างค่ะค่ะตไปค่ะที่คุณอัญญมณีตาอัญญมณีปฏิัตรกานค่ะพระอาจารย์ชื่ออะไร่ออัญญานีค่ะพระอาจารย์อัญญานีค่ะอยู่นครราชสีมาค่ะค่ะ ก็วันนี้เข้ามาฟังคำกับพระอาจารย์ค่ะไม่ไม่มีไม่มีคำถามเจ้าค่ะโอเคค่ะ ถ, ถ้าไม่มีก็ไปที่ท่านต่อไปเลยนะรู้สึงบวแล้วในะวันนี้ก็ไปที่คุณคุณชูปรวกันถ้ามีปัญคํคำถามทางเ c e b o o k หรือ u t u ู e ก็เอามาถามได้ ค่ะตอนนี้มีเข้ามาทั้งหมดสิบห้าคำถามนะคะค่ะคำถามแรกจากคุณการจนาพอสุขค่ะขอกราบเรียนถามค่ะคำของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าฟังที่หูรู้ถึงใจหมายความว่าอย่างไรคะและเวลาหนูนั่งฟังธรรมแค่ให้รู้ว่าได้ยินเสียงจากอายตนะหูแล้วจะรู้ถึงจิตได้อย่างไรคะคือมันฟังฟังที่หูมันรู้ที่ใจก็ก็ความหมายก็แค่นั้นน่ะ หูเป็นที่รับเสียงมาแล้วจ่ายไปพูดซิรู้เสียงหูไม่รู้ว่ามันได้ยินเสียงอะไรเข้าใจไหมหูมันเป็เหมือนกับไมโครโฟนเนี่ยไมโครโฟนมันรับเสียงแต่ไมโครโฟนมันไม่รู้ว่าเสียงที่มันรับเป็นเสียงอะไรคนที่คนที่ฟังฟังฟังเสียงก็คือใจพูดรู้นใจรู้เสียงยังก็ไม่มีอะไรก็เพียงแต่พูดให้รู้ว่ามีสอง สองส่วนที่ทำหน้าที่ต่างกันหูเป็นผู้รับเสียงแล้วใจก็เป็นผู้รับรู้เสียงอีกทีนั่นอาะข้อที่สองเขถามนะอะไรเราเ่ข้อคาถามได้คือหมายความว่าอย่างไรแล้วคําที่ที่สองคือว่าได้ยินจากอายตนะหูแล้วรู้ถึงจิตได้อย่างไรคะก็มันเชื่อด้วยวิญญาณเนี่ยวิญญาณวิญญาณเป็นตัวที่ไปรับเสียงจากหูเข้ามาที่จิตอีกที คำถามต่อไปจากคุณอู๋ค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วจะไม่ร้องไห้อีกเลยหรือเปล่าคะไม่รู้เหมือนกันนะเรื่องนี้ต้องไปถามพระโสดาบันดูดีกว่าแต่ท่านจะไม่กลัวเจ็บกลัวตายคนนั้นจะร้องไห้หรือไม่ร้องไห้ก็เป็นเสรีที่ของท่านเราไม่ควรที่จะไปไปสนใจนะคำถามต่อไปจากคุณโกโก้ค่ะขอความเมตตาจากพระอาจารย์ครับ ถ้าเรามีแฟนอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเป็นสามีภรรยากันการที่เราไปเที่ยวอาอกนวดจะผิดสีนข้อที่สามไหมครับ น, น่าจะผิดนะเพราะว่าตามหลักข้อนี้มันให้มีมแฟนคนเดียวถ้ามไป ม, มีแฟนหลายคนมันก็ผิดนะคำถามต่อไปจากคุณรัศิกาค่ะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะว่าถ้าหากดับนิวรานได้หมดจนจิตเป็นหนึ่งแล้ว หรือเพียงตัวผู้รู้ให้พิจารณาตัวผู้รู้ต่อใช่ไหมคะขอรบกวนพระอาจารย์ช่วยบอกด้วยค่ะเอะไม่ต้องพิจารณาตัวผู้รู้ไม่มีอะไรต้องไปพิจารณาถ้ามันสงบไม่กก็พยามาให้มันนิ่งไปนานๆเท่า น, นี้อย่าอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ามันคิดถ้าหยุดมันได้ก็หยุดคิดต่อไปให้มันนิ่งเฉยๆไปตัวผู้รู้ไม่ต้องพิจารณาผู้รู้ไม่มีปัญหาคําถามต่อไปแต่คุณ จากคุณเตชินีค่ะอยู่บ้านฟังแต่ธรรมะแทบจะไม่ได้นั่งสมาธิแต่อยากไปทดสอบความกลัวของตัวเองพระอาจารย์มีคาแนะนาอย่างไรบ้างคะถ้าอยากจะทดสอบความกลัวก็ไปหาที่มันน่ากลัวน่อแต่ต้องมีความมั่นใจว่าเราควบคุมใจเราได้นะเวลาเกิดความกลัวเราต้องหยุดมันได้ถ้าเราหยุดมันไม่น่าอย่าพึ่งไปเดี๋ยวจะเป็นบ้าได้ถ้าไปเจออะไรที่มัน น่ากลัวบ้างๆอาจจะยับยั้งใจไม่ได้ยับยั้งความกลัวไม่ได้อาจจอาจจะตลอดเปิดเปลีเสียนสติไปก็ได้คำถามต่อไปจากคุณปริติกาค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์สวดมนต์นั่งสมาธิพุทโธ ท, ทุกวันเดินแรกๆก็สบายใจสงบเพลินดีหลังๆเกิดความเบื่อนายมีอุบายช่วยแก้ไขยอย่างไรได้บ้างคะขอบพระคุณมากค่ะ ก็พยายามที่จ ะ, จะเจริญสติต่อไปจะเบื่อมากไม่เบื่อมั้งก็ถือว่าเป็นอนิจจ์ไปเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลเปลี่ยนมาแต่เราต้องรักษาการปฏิบัติของเราให้มันต่อเนื่องให้อย่าให้มันลดล ะ, ละมันก็จะกะมันก็จะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆวันไหนที่มนุษยสเสกเบื่อใดก็อย่าไปสนใจแล้วเมืถึงเวลาที่เราจะต้องทําเราก็ทําไปเมื่อเวลากินข้าว ถึงเวลากินก็กินบางวันไม่อยากกินก็ต้องกินเพราะถ้าเราไม่กินเราจะรู้ว่าเราจะเห็นต่อไปได้อันนี้ก็หมายกันถ้าเบือ น, น่ายเราไม่ปฏิบัติเราก็จะเสียประโยชน์เราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากการทําุญคำามต่อไปจากคุณมัลทิเวอร์ซอลยูนิตี้ค่ะกลับนามัสการครับขอโอกาสกลับเรียนถามครับข้อที่หนึ่ง พระอรหันต์เข้าอนุปาฏิเสสนิพานแล้วท่านปิดโทรศัพท์ไม่ดูจอไม่ติดต่อแล้วท่านเหล่านั้นมีความเป็นอยู่อย่างไรบ้างครับอยอย่าไปรู้เลยเรื่องหลังนี้ขอเราก็ม่ขออ น, นุญาตไม่ตอบอาจารย์ตอนนี้นะเพราะมันเป็นเรื่องสันติโกมากกว่าถ้าอยากจะรู้ก็ให้มันเป็นพระหละานก็แล้วกันแล้วก็จะรู้เอง ข้อที่สองอวิชชาอสวะและสัญญาวิปลาดทั้งสามเป็นอย่างเดียวกันใช่ไหมครับอวิชชาก็อภาวะความไม่รู้สัญญาวิปลาดก็คือความเห็นผิดเป็นชอบอาจารย์เรียกว่าเป็นอันเดียวกันก็ได้แต่เพียงแต่ว่าทําไมเขาถึงใช้ต่างกนันก็คงจะมีเหตุกรณีที่มันต่างกันอวิชชาจะพูดแบบั่วๆไปวิปลาดเนี่ยจจะเป็นเฉพาะเรื่อง เฉพาะเป็นเื่อเมื่อไปก็ได้อันนี้เรารก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่คำถามต่อไปจากน้องหลินลินค่ะรายงานการปฏิบัติยังคงปฏิบัติทุกวันค่ะขอสอบถามเจ้าค่ะสภาวะนี้คือสภาวะอะไรเจ้าคะร่างกายง่วงแต่จิตไม่ง่วงยังสามารถสู้ในการทำงานได้แต่ความรู้สึกเหมือนสงสารร่างกายตัวเองเลยไปนอนพอนอนก็ฝันเหมือนปฏิบัติธรรมในฝันแม้แต่ฝัน ไม่มีแต่ปฏิบัติธรรมไม่ค่อยได้ฝันเรื่องอื่นๆเจ้าค่ะการนอนสีห้าชั่วโมงก็นอนอิ่มแล้วเจ้าค่ะขอถามว่าสภาวะนี้คือสภาวะอะไรเจ้าคะก็สภาวะที่จิตมันตื่นจิตมันในสติมากขึ้นมันก็เลยไม่ค่อยง่วงแต่ร่างกายมันมันถึงเวลามันก็ง่วงเพราะร่างกายมันต้องมีการพักผ่อนขึ้นมันมันก็เป็นเรื่องของสองสองส่วนด้วยกันส่วนของร่างกายส่วนหนึ่งส่วนของจิตส่วนหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณจุบฮามดะค่ะนั่งสมาธิทุกวันตื่นเวลาเดิมทุกวันประมาณตีสามถึงสี่ไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนพยายามเตือนตัวเองให้มีสติตลอดเวลาแต่แปลกที่บางวันที่นิ่งถ้าวันไหนนิ่งจะนั่งได้ไม่นานได้แค่ราวๆสามสิถึงสี่สิบนาทีตามันก็จะลืมเองใจก็เหมือนจะอิ่มไม่อยากทำต่อแต่ถ้าหากนั่งให้นานกว่านี้ ก็จะพยายามกดหลับตาภาวนาพุโทโธแต่กลายเป็นว่าฟุ้งแทนควรจะทําอย่างไรดีคะก็แสดงว่าไม่พุโทโธอย่างต่อเนื่องถ้าพุโทโธอย่างต่อเนื่องจิตมันก็จะฟุ้งไม่ได้นะยังต้องพยายามทําิตมันฟุงนไไ้งเอาว่ามักใชพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆยิ่งความันญหายุ้งหรือถ้าใช้พุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดอิติปิโสไปก่อนก็ได้ คำถามคุณจเจริญสุขคล้ายๆกันนะคะอยากนั่งสมาธิได้นานๆแต่นั่งไม่ได้เลยเจ้าค่ะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำค่ะก็ต้องมาฝึกสติให้มากให้มากก่อนที่จะมานั่งฝึก ส, สติตั้งแต่ลืมตาให้าอะไรไม่โทรไม่โทอะไรอย่าปล่อยให้ใจคิดด้วยเกยแล้วตอบไปเวลามานั่งสมาธิมันก็จะนั่งได้นานนั่งได้สมุคคำถามต่อไปจะคุณนาวานาวีค่ะ พระอาจารย์คะหนูอ่านหนังสือพระอาจารย์เปิดใจเปิดธรรมอ่านแล้วเพลินมากเลยเจ้าคะ่ะจนถึงตอนพระอาจารย์เล่าถึงการถือตัวพอใครดูถูกเราเรายังมีอารมณ์ตัวนี้มันเป็นตัวอะไรกันแน่แล้วพระอาจารย์ก็อธิบายว่าเป็นตัวรู้ตัวคิดตัวสัญญาแล้วก็พระอาจารย์กําหนดให้ไฟเผาร่างกายสุดลงเป็นหนึ่งเดียวกันกับพื้นกุฏิ ขอพระอาจารย์เมตตาขยายความให้ตั้งแต่ต้นด้วยเจ้าค่ะเพราะหนูอ่านถึงจำจุดนี้หนูร้องไห้โฮเลยเจ้าค่ะเกาไม่รู้จะขยายความอะไรนะเออมันก็เป็นไปตามที่ในหนังสือนั่นาจนะอ่านไปแล้วกำลังพิจารณาเอาเองอยู่นะแล้วปฏิบัติไปมันถึงจะเข้าใจถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรพยายาปฏิบัติต่อไปแเดี๋ยวมนถึงเวลามันก็จะเข้าใจเองคำถามต่อไปจากคุณไกรพิษค่ะ จิตดิ่งจะเกิดขึ้นครั้งเดียวใช่ไหมครับพระอาจารย์จิตดิ่งเหรอค่ะจิตดิง่งค่ะเ อ, อ๋อมันก็จะเกิดขึ้นหลายครั้งก็ได้ไม่แน่นอนมันมันไม่มีกำหนดตายตัวเหมือนไรไหม่รับ ม, มันจะต้องดิ่งทุกครั้งหรือไม่ดิ่งทุกครั้งบางทีมันก็ดิ่งบางทีมันก็ไม่ดิ่งก็ได้แต่มันก็สงบได้เหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณชนินค่ะนั่งแล้วร่างกาย แข็งทื่อครับแต่มีสติรู้ตัวลูกต้องดูลมหายใจต่อไปหรือดูร่างกายแล้วกลับมาที่ลมหายใจหรือดูจิตต่อไปครับหลวงพ่อกราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับนั้นแต่ว่าเราดูอะไรเมื่อตอนที่เริ่มต้นถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปไม่ควรไปดูจิตเพราะจิตไม่เปนไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเรานิ่งได้ถ้าเราไปดูจิตนั่เราดูลมดูลมก็จะทาให้จิตเราเนื่ง เมืมจินี่น่งแล้วก็ไม่ต้งองดูจิตมื่จิตนี่งแล้วก็ไม่มีปัญหาคำถามต่อไปจากคุณ m a r g i Verso Unity ค่ะโลกทั้งหลายรวมทั้งโลกในตอนนี้ทุกอย่างเกิดจากความคิดนึกปรุงแต่งของเราเองแต่ละคนหรือครับถ้าหมดการปรุงแต่งตัวเราเขาสัตว์บุคคลทั้งหลายเราก็หมดปัญหาหรือครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะตอบนะ คำถามต่อไปจากคุณเอกวิทย์ค่ะพระอาจารย์เทศพยายามสอนลูกศิษย์ให้ขึ้นทางโด่นกันแล้วแต่ลูกศิษย์ยังติด ข, ข้องคาทางโลกยังสละออกไปไม่ได้พระอาจารย์รู้สึกท้อแท้ไหมครับอไม่เหล่ามันเรื่องธรรมดาก็าต้องพยายามผลักดันมันเรื่อยๆต้องพยายามผลักดันพยยาามค่อยฉุดค่อยดึงไว้ถ้าไม่มีค่อยคอยผลักค่อยดันค่อยฉุดคอยดึงมันก็ยิ่งยิ่ยิ่งไปกันใหญ่ มนก็ไม่ยังไม่ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องเป็นเป็นปัญหาอย่างไรถือว่าเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ต้องพยายามเชี่ยวแข็งลูกศิลป์ลูกค่วยก็ยังทาได้ไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาคํทำถามสุดท้ายค่ะจากคุณศรีเทพค่ะเคยเห็นคลิปคุณชายป๋มนิมนต์พระอาจารย์ไปสวดแสงธรรมแต่พระอาจารย์ปฏิเสธไม่ไปอยากทราบว่าพระอาจารย์รู้จักคุณชายป๋ำ ม, มานานแล้วหรือครับ เอาาแล้วตั้งแต่พรรษาเก้าพรรษาเก้าพรรษาแปดแล้วพรรษาเก้าเป็นอย่งนี้มันประมสี่สิบเจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่สิบปีมาแล้วประมาณสสิปีพอเราเอาจากวานป่าวันตาลงเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราไปอยู่ที่ไหนแต่คุณชายก็จะคอยเป็นนักสืกติดตามอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะตามมาทำมุนมาพบป่าอยู่เรื่อยๆเมื่อเช้านี้ขาดีมีผู้ถึงคุณชายก็ ันนีมีญาติโยมที่นดูแลคุณคุณชายคือคุณชายนี่ตอนที่ภรรยาของแกเสียคนแรกแกก็เอากระดูกไปไว้บนเขาชีฮนไปสร้างศาลาอ่าศาลาชันด้าปัแล้วก็ทําเข้าที่เก็บกระดูกแล้วก็เอาไปใส่อันนี้ตอนนี้คุณชายปามตายเลยภรรยาคนที่สอง ท, ที่ที่ที่อยู่ด้วยนี่ก็ อยากจะเอาก็ดูส่วนหนึ่งของมุนชายไปไปเก็บไว้ที่ข้างบนก็เลยส่ ง, งข่าวมาติดมาติดต่อถ้าพอดีมีพูดถึงบุญชายค้างก็เลยเอามาฝากนิดหน่อยค่ะทำมหมดแล้วค่ะหมดแล้วน ะ, ะมีใครอยากจะทำอะไรไหมมีมีคุณกรีดบัณฑิตเพิ่งเข้ามาครับอ่าเชิญคุณเกรดบัณฑิตกรรัชการครับ จริงก็อ่าก็ <Wow. S 2> ฟังมสาสักพักเลยครับปรดีว่าส่งลูกเข้านอนครับอาจารย์ก็ uh huh. พัดเเมื่อวันที่ที่อาจารย์เทศเรื่องที่กับคุณหมอที่เป็นมะเร็งครับก็ uh huh. ความตายมันอยู่ใกล้ตัวครับแล้วเมื่อวันเสาร์ก็เห็นกับตามเงี้ยลูกชายครับเล่นอยู่สนามหญ้าในรีสอร์ตก็อยู่ดีๆก็โดนเชือกตะข่ายรั้นคอครับ uh huh. เหมือนแบบตะข่ายมันมีสายห้อยลงมาแล้วเด็กเขาก็วิ่งปุ๊บก็โดนเกี่ยวครับ ก็เป็นห่อเลือดครับอืก็เลยคิดเหมือนที่อาจารย์บอกคือความตายมันไม่เลือกเวลาจริงๆเราก็คิดว่าอย่างนี้ดีมันจะได้ไม่พมาเราจะได้รู้ว่าเวลาของเราไม่แน่นอนเพรนั้นตอนนี้เรามีเวลารีบทํบาความดีให้ดีกว่าและก็ได้สิ่งที่ปฏิบัติก็คือเราก็เห็นว่าเออมันเกิดขึ้นแล้ ว, ลวก็ดูมันไปแลคือเมื่อคือไม่ได้ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็แค่หา วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประถมเไปปานเข้าไปแค่นั้นครับแต่เขาก็ยังวิ่งการเล่นไล่ไลกระตกติก็เลยไม่ได้ถูกอะไรครับใช่ครับก็ดีจะได้ไม่เครื่เาามเกินใจว่าอย่าประมาททาคุยงามความดีเอาสิ่งที่เราติดตัวไปได้ดีกว่าทานสิลภาวนานให้เป็นสิ่งที่เราอาติดตัวไปได้ แตทราสมบัติาาราชรัชเสสนี่เราไปไม่ได้ครับใช่จะเป็นครปฏิบัติครับช่วงนี้ก็มีหลายๆเรื่องก็เหนื่อยครับอออย่างเออแต่ก็ยังหาเวลาไปดูแลลุมพ่อลงกดอยู่ครับออวันนี้ก็ไปมาอะไรก็แือว่าเป็นการทำทานาทำบุญครับหรือยู่กับกรนมาบ้านก็ออทำอะไรธุรกิจอะไรเสร็จ ก, ก็จะพยายามปฏิบัติเท่าที่ถ้าเราทําได้ครับ เอาไปนะสาที<ม>่นี่เป็นคนเป็นประโยชน์เอาไปใช้พื้นที่เพื่อมต่อไปได้เอาคนเฟิร์สเหรอคนเฟิร์สเพิ่มเข้ามาเลยกับคนเฟิร์สครั บ, รบผมกราบน้ำน้ำส ก, กาวพระอาจารย์ครับว่าพ ม, มีอะไรไหมมีมีปัญหาเรื่องการทําสมาธิครับพระอาจารย์คือว่าอตอนเวลาทําสมาธิครับบางทีมันมักจะเจอเสียงบรบกวนนะครับคอยบครบกวนแล้วมันจะทําให้งุดหงิดครับ แล้วมันจะหมด แ, วแ้วหาอะไรอุดหูไม่ได้ไมละ่ะใส่ที่<า>หูฟังที่เราใช้ฟังเพลงเนี่ยใส่เข้าไปครับผมแล้วก็มันก็จะลดเสียงเข้ามาได้แล้วคือคราวนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราควรที่จะสู้กับเสียงหรือว่าเราควรจะหลีกหนีดีกว่าครับถ้าเราไม่มีกําลังที่จะสู้เราก็ต้องหนีก่อน ห, ห, น, หอนีไปตั้งนั่งตั้งหลักไว้ก่อนไปตั้งสติตั้งปัญญา เอาไปถ้าเรามีสติ ق, มีปัญญาแล้วเราก็จะสู้กับเสีย ง, งต่างๆได้ครับผมถ้เาเบื้ง<ท>ต้นนี้<ท>ถ้าเราไปหาที่นี่ไม่ได้เราต้องอยู่ที่ต้องมีเสียงแล้วก็เราใช้ อ, อะไรมาอุดทูหน่อยก็ได้ลดเสียงลงก็ตอนนี้เวลากลางคืนเนี่ยผมก็จะใช้ที่บดเหมือนกั น, แ, กนแต่ว่าถ้าเวลากลางวันผมเดินจงกรมเนี่ยครับพืบางที่เสียงมันก็จะมาแบบไม่ทันตั้งตัวคอาจจะ เสียงดังๆเนยครับก็อย่าไปสนใจได้ไหมพุทโทรพุทโทไปนะมีเสียงมาปล่อยมันปล่อยอย่าไปต่อต้านมันให้ต้องยอมหยุดเย็นต้องยอมเสียงยอมให้มันดังไปอย่าไปสู้กับมันปล่อยให้มันดังไปแล้วใจเราจะได้เย็นได้ท mhm ี่ใจเรานอนเพราเราอยากใช้ให้มันหายใช่ไหมใช่ใช่ครับอย่าไปอยากเพระเราห้ามมันไม่ได้เข้าใจไหมครับผมเป็นอนัตตาเหมือนเสียงฟ้าร้องเย่านี้ นะต้องใช้หลักยอสามยอมยอมหยุดเย็นยอมแพ้เสียงอย่าไปเสือกไมครับผมก็ประมาณนี้คราาับพระอาจารย์เราทำอยู่นะต้อ เ, เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังเพื่อเปิดใเป็นวนิทยา ท, ท, ทานต่อผู้อื่นต่อไปครับผมครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับโอเคครับมีไข่ไม่ไม่มีแล้วนะคนนั้นห้อคุณหมออยากจะถามอีกเลย อ่าใช่เจ้าค่ะขออนุญาตสอบถามเพิ่มอีกนิดนึงเจ้าค่ะพระอาจารย์คือโยมอยากทราบว่าตอนช่วงที่แบบจิตเรากระเพื่มกะเพื่มจากการที่มีอะไรมากระทบนยเจ้าค่ะอันนี้มันจําเป็นที่จะต้องเกิดพร้อมอารมณ์ไหมเจ้าค่ะเช่นแบบเรื่องของโทสะย่างเงี้ยเจ้าค่ะคือบางทีถ้ามีอะไรที่ไม่น่าชอบใจที่เราเห็นหรืออะไรแล้วโยมรู้สึกว่าแบบจิตกะเพื่อมขึ้นมาเนี่ยอันเนี้ย มันเป็นจุดที่โทรศัมันเกิดแล้วหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันมันแยกกันเพราะว่าบางทีมันเหมือนเราก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเขาขนาดนั้นแต่ว่ามันเหมือนปฏิกิริยาของกับก็ไม่ต้องกังวลเพราะถ้ามันไม่มันเริ่มมีปฏิกิริยาะมันไม่แน่นแล้มันเป็นรไม่เหร่างไม่ถ้ามันไม่ร่างมันก็ชังถ้ามันไม่ชันมันก็กลัวมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เป็นอุเบกขาแล้วถ้ามันเป็นอุเบกขามันก็จะเล่นต่อไป หรือไม่อาจจะเป็นเพราะรักหรือชังหรือกลัวหรือหลงก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตกระเพื่อมขึ้นมาเจ้าค่ะคือเหมือนว่าอารมณ์มันเกิดเรียบร้อยแล้วเกิดแล้วจิตไม่เง่ยล้จิตมันถูกกระตุ้นด้วยด้วยอารมณ์รับชังกลัวหลงนะอย่างใดอย่างหนึ่งเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็ให้มีสติแล้วทำให้มันกลับมาเป็นนิ่งเป็นนิ่งเฉยต่ จ้าเจ้าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์กับเปนะ็นอิจารย์ทุกคั้งหน้าตามัมนก็าจะกลับมาเน่งต่อได้เจ้าค่ะอาจารย์สงสัยเท่านี้เจ้าค่ะขอพบพระคุณเจ้าค่ะมีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้ขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้นะสำหรับคืนนี้ ขอขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด